อาจรย์พรท่านสาธุชนที่สนใจในการปฏิบัติตามทำสามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธเวลา2ทุ่มในเวลาของประเทศไทยใครเข้ามาก่อนก็จะได้ถามก่อนวันนี้คนแรกก็คือคุณริศ อาเชิญมาเลยกลับนมัส ก, การพระองค์พ่อก็ก็ตั้งก็ปฏิบัติก็ปฏิบัตินั่งสมาธิมันก็มันก็รู้สึกถึงเออรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดในใจเราแล้วมันก็รู้สึกเออ ม, มันตรงตามเหมือนที่เวลาฟังธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็รู้สึกเออเราก็เหมือนมีกําลังใจปฏิบัติเพราะว่ามันรู้สึก ว่าจิตใจตัวเองมันมันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วมีสติในการตัดสินใจอะไรและอารมณ์แยกแยะได้มากขึ้นมันก็รู้สึกดีตรงนั้นนะครับหลวงพ่อปฏิบัติเพื่อทำใจให้เราสงบอันนี้อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจือมากรักษาความ<อ>สงบของใจไม่ให้ใจไปทุกข์กับอะไรท่าง ม, <อ>มีอะไรจะถามไหมวันนี้ ก็การการลดมานาทิฐินี่เราเริ่มยังไงครับหลวงพ่อเออมานะทิฐิก็คือถือตัวเริ่มยังไงก็อย่าอย่าไปถืออย่าไปถือว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ถือว่าเราเป็นแค่แค่แผ่นดินก็ได้พระเจ้าบอกให้เราคิดว่าเราเป็นแผ่นิเป็นสิ่งที่ต่ําสุด ใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะดา่าใครจะว่าก็น้อมครับไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านใครอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมใครอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไปไม่ถือว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่จบปอตีคนจบปอหก้นมาว่าคนปอตีมันอะไร๋ยวไปเชื่อ อย่าไปถือว่าเราเป็นอะไรถือว่าเราเป็นเหมือนแผ่นดินเหมือนอะคีริวอะคีริวใครจะเหยียบจะย่ง่งกายาไปเชิดเอาไปถือว่าอะไรก็น้นอมรับคําสั่ง อ, าอามาณทิฐินี่เป็นลากของโลกกดหลงด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ใช่หรอกมวนเชาวิชา ค, ความไม่รู้ความจริงอ ว, วิชาไม่รู้ว่าลิขิตสี่ ไม่รู้ว่าทุกเกิดจากความโลภกดลงของเราอย่ก็โอเคนะก็สังเกตวูาคั uh huh. สภีร์ชีวิตเกิดมาไม่เคยเจอคําว่าผิดหวังเลยคงไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่เมื่อรู้ว่าชีว์เมื่อรู้ศึกษาพรุทธศาสนาความผิดหวังนี่มันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยอ๋อพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เให้เรายอมรับมันก็เลยแบบซึ้งในแบบมันซึ้งเลยอย่าง อ่านสงครามยูเครนรัสเซียหรืออะไรต่างๆนานาโอ้โหทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็แบบถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเกิดมันก็เราไม่ต้องเกิดนี่ต้องทอํายังไงครพูพเจ้าก็บอกทุกอย่างโอเคนะค <บด S 1> นะเรามันโอเคไม่ต้องเทศอ่อนนะนะถ้าไม่มีคำถามมันจะได้ไปคุยกันต่อโ<ข>อเ<อ>คโอเคคนสมพรเชิญคนคสมบัติก่ขอธารมะ อาได้ยินนะครับอได้ยินนะได้ยินได้ยโอเควันนี้ผมมีคําถามเกี่ยวกับสมถะกรรมฐานนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอดีไปอ่านบทความบางส่วนของหลวงตามหาบูนะครับอยากจะอ่านให้ท่านท่านอาจารย์ฟังดังนี้นะครับสรุปได้ไหมมันเวลามันน้อยเดี๋ยวลามจานมันจะถึงก็คือปกติล้วทําสมถะกรรมฐานนี้ก็เพื่อที่จะ หยุดความคิดแต่ว่าหลวงตาพูดขึ้นมาอันหนึ่งว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้เป็นกรรมฐานได้นะ เ, เมื่อสติสัปปัญญาแก่กล้าจนปัญญาเ อ, อเมื่อมีปัญญาก็สามารถกําหนดหมายรู้ในเรื่องนี้ได้ก็อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าไอ้ไอ้ไอสิ่งที่เราเราทำกรรมสมถกรรมฐานนี่ก็คือหยุดความคิดแต่ หลวงตาพูดว่าถ้าเราทำถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้นนไม่ใช่หรอหมายความว่ า, วาถ้าเราสามารถใช้ความคิดไปในการหยุดความรุ่งซ่านได้เราก็ใช้เหมือนแต่ไม่ได้เป็นอารมณ์อารมณ์เราต้องมีเราต้องมีเหตุเช่นความารุ่งซ่านความเครียด ทำาไม่จิตไม่ยอมที่จะมาดูลมไม่ยอมที่จะมาพูดโถยลมกาลกใช้คำพูดว่าเมื่อสติแนบกับอารมณ์ไปแล้วเนี่ยจะเกิดเกิดเกิดสิ่งที่เรียกว่าความคิดเนี่ยผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจซึ่งอันนั้นก็คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสสนาการรมฐานไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เรา แล้วแต่เพะนั้นเป็นเพลงแต่ป้ายความจริงก็คือสามารถใช้ความคิดหยุดความคิดได้ถ้าคิดไปทางใจหละกพูดแคไ่ไหนตุ้งพร้าพูดถึงขนาดนั้นว่าต้องอต้องอยู่ในใจหลักเอแต่ถ้ า, ถางั้นอันนี้ก็คือถูกต้องเอก็คิดว่านําไปใช้ปฏิบัติได้ไหมได้ก็คิดถึงใจหลักนะความคิดมันก็จะอยู่ใน ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายของเราเพราะคิดว่ามันเป็นตายรักเดี๋ยวมันก็ตายก็จบเพราะมันมันเป็นการเตือนความจําให้เรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องจบมันต้องตายเไม่กังวลอยูงมันทําไมกังวลมันก็ไม่ได้ทําให้มันหยุดตายได้ที่ไหนมาคลาดมาอย่างนั้นให้ใจคาคลิปในแนวนี้ไม่ว่ากับเรื่องใดก็ตามแล้วทุกเรื่องมันเป็นตายรัก เพราะนั้นถ้าเราสามารถนํานํานํานําทุกถึงอย่างในมาลงที่ไตรักก็คือจบที่ตรงนั้นเลยได้แต่มันไม่เข้าแล้วแต่มันไม่เข้าไปสูับจิตจุดรวมอัปปนาสมาธิมันไม่มันไม่เข้าเลยครับคือคื อ, คอเราเรายังไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าเราทําลักษณะนี้ตามที่หลวงตาอธิบายยังได้ไหมครับหรือว่าต้องรอให้ถึงอัปปนาสมาธิก่อน ก็ลองทำดูเสร็จนีบมันเป็นเรื่องของการทดลองนะครับไม่มีอะไรตายตัวครับครับครับับโอเคท้นั้นวันนี้ขอเลียนถามสั้นๆเท่านี้นะครับเพื่อกลิ่นต่อไปครับโอเคสาธิกาสาธกาเชิญวันนี้ต้องขอกำหนดเวลาหน่อยนะคนหนึ่งไม่ควรจะเกินห้านาทีนะเพราะมันคนเดียวอาจะเลิ่อมันถ้าค่ะพอาจารย์ได้ยินไหมคะ เออถ้าสมมติว่าเราอ่ะค่ะนั่งแล้วอะค่ะแค่หลับตาเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้เลยป่ะคะพระอาจารย์ถ้าเราทำอะไดถ้ถ้าสติเรามีกําลังมากเราพอเรากำหนดจิตให้มันหยุดคิดไันก็หยุดได้แล้วทีนี้พอเวลานั่งไปอ่ะค่ะพระอาจารย์มันจะมีตอนเหมือนเราเราเหมือนความคิดเราอะค่ ะ, <C oughs> คะแต่มันไม่ได้พุ้งซ่านนะพระอาจารย์มันขึ้นมาแล้วมันก็ เราสามารถทําให้มันหายไปแต่มันไม่ได้สร้างนะอาจารย์แต่คิดเป็นเป็นทางธรรมะหมดเลยค่ะอย่างนี้ก็เราต้องอยู่ อ, อยู่ที่เผลผลของการนั่งของเราเป้าหมายของเราว่าเราต้องการอะไรถาเราต้องการความนิ่งเราก็ต้องมาให้คิดค่ะแล้วว่าเวลาว่าสมมุติว่าเราแค่ฟังเทศนะอาจารย์แล้วมันรู้สึกว่าเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนคล้ายค้ายเหมือนอย่างนี้นะอาจารย์ แล้วมันเลือดขึ้นมาแบบแต่เราไม่ได้หลับปาอาเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมพระจันท์มันเลือกยังไงมาได้ยงไงมันเหมือนที่เราดั้งที่บอกท่าอาจารย์ค่ะแล้วมันเหมือนหายใจเลือดแล้วก็มันก็เหมือนอันนั้นนะคะแล้วมันเหมือนแบบเหมือนคนเหมือนเมายาสลบประมาณอย่างเงี้นแล้วเหมือนเหมือนตัวจะล่วงจากเต้าอย์อย่างพระจานทร์จเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่ามันเหมือนใจมันนิ่งแต่มันเหมือนถอนให้ มันปกมันเหมือนแบบเหมือนพวกปล่อยวางอย่างนั้นนะครับะจ้าก็ขอให้มันนิ่งก็แล้วกันเป้าหมายก็คือให้มันนิ่งก่อนจะนิ่งมันจะเป็นยังไงก็บางทีก็เป็นเหมือนผีอัำก็มีอหมือนถูกผียกทุ่มเราทั้งตัวเลยก็มีเคยเกิดค่ะก็มันทุ่มไปแล้วให้มีสติประคองไว้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปนะครับแลพอมันแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็นิ่งก็สงบ งั้นแค่เนี้ยอาจารย์มันอาจจะตกจากกิ่งไม้อาจจะตกจากต้นไม้ลงมาอะไรี้มันก็ได้มันมัีตกเก้าอี้ก็ได้มันมีเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยค่ะมันเหมือนว่าเหมือนตัวมันยืดขึ้นมาแล้วก็เหมือนมันเหมือนเซซายเซขวาแล้วมันกระปุกความรู้สึกประมาณเนี้ยเออถ้ามันปรากฏอย่างนี้เราก็เดี๋ยวมันก็นิ่งก็ใช้ได้ขอให้เราประคองสติไว้ไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับมัน ไม่ต้องไปต่อถึง่นเต้นตกใจไม่ต้องอะไรรู้เฉยๆมีสติรู้เฉยๆค่ะงั้นแค่นี้คะ่ะอาจารย์โอเคจิตเวลามันจะสงบเนี่ยบางทีมันมีแสดงอาการแปลกๆเหมืนอนผีเอามาเมย์เหมือนอะไรใกล้กนแต่ถ้วเรามีสติแล้วก็รู้ไปเฉยๆเหมือนว่ามันกำลังเล่นละครให้คนดูแล้่ะงั้นแค่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเค ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะไดะ้คุณนันภัทต่อข้าการับมาละกันเจ้า่าพระอาจารย์ขอโอกาสกลับเรียนพระอาจารย์วันศุกร์ที่สิบเอ็ดนี้จะไปปฏิบัติที่ขอชีโอนสิบคืนเจ้าขาพระอาจารย์ได้ลองปฏิบัติขึ้นเวทีดูหรือว่า น, นี่มันยังเหมือนกับอยู่นอกเวทีค่ที่นั่นนะมันมันมันไปไหนไม่ได้มันต้องอยู่บนเวทีะ แต่ที่วางแผนไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์จะจะเน้นการฝึกสติ ค, ค่ะเพราะว่ายังยังน้อยมากในปัจจุบันค่ะเพื่อให้เป็นฐานไปตอนที่ปฏิบัติที่บ้านจะได้มีฐานของสติไว้เยอะๆหน่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องไปช่วงแรกนี้เอาสติ ก, กับสมาธิก่อน ค่ะค่ะจะพยายามแบบว่าที่พอาจารย์บอกว่าให้ลองนั่งได้นานๆ น, น, นิดนึงจากเดิม น, <ừ> mm, นิดนึงอย่างเงี้ยจะขับอาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะขับยังยังทำนั่งนานๆไม่ได้ต้องดันมันเวลามัน <respir at. S 1> จะล้กก็เริ่มพูดโทรใหม่เลยก็ได้พูดโทรพูดโทรส่วนทีพิเศษไปก็ได้หางานให้มันทำค <c oughs> ่ะตอนนี้ที่ ท, ที่ที่ไม่ได้ทํางานแล้วอยู่ที่ห้องตัวเองก็พยายามแบบ ที่พระอาจารย์บอกเจค่ะว่าจเจริญพุตโธให้ได้มากที่สุดหรืออยู่กับเอธิยาบทแต่บางทีมันก็หลุดเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยมองว่าคงจะต้องเน้นสติไปก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่สตินี้<ฆ>จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งต้องให้มีสติอย่างําเป็นสัมปับชัญญยาอย่างต่อเ น, นื่องสามารถสั่งให้มันเข้าสูขข่ความสงบได้อย่างง่ายได้และรวดเร็ อ <c oughs> ส่วนส่วนความกลัวเนี่ยยังไม่มั่นใจเจ้าค่ะคงต้องดูเหตุการณ์จริงอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะค่อยค่อยไปจัดการกับมันมันกลัวก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าใช้ปัญญาเป็นก็บอกว่าร่างกายอย่างมากก็แค่ตายมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เลยวแล้วเราไปกลัวอะไรค่กลัวแทนร่างกายร่างกายมันกลัวไหม มไม่รู้อะไรนั่งกันต้นไม้ไม่ไม่นนนนมันกลัวอะไรน้อที่ในป่าที่เราไปอยู่เนี่ตนนยต้นไม้แต่มไปหมไม่เห็นกลัวอะไรเลยค่ะแต่แต่ที่ลูกกลับเรียนพระอาจารย์ก็คือภาษาภาพาภาษาอังกฤษ ท, ที่ที่พระอาจารย์ลูกฟังพระอาจารย์เทศตอนบ่ายสองวันหนึ่งอะวันเมื่อวานนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าให้แบ่งเป็นสามอย่างคือให้เห็นเวทนาเห็นกายเห็นเวทนาแล้วก็จิตใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้ลูกพอทําได้แล้วมันได้ผลเจ้ค่ะลูกก็เลยอาจจะใช้ ก็แยกอยากพูดแยกแยกใจออกจากร่างกายครับต่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นใจก็เป็นเป็นสัตว์แต่รู้ไปเท่านั้นเองก็รู้ไปค่ะมันมันมันก็พอทําได้เจ้ค่ะค่ ะ, คะทีนี้ทีนี้ลูกลูกก็เลยมองว่าถ้าถ้าเกิดจะพิสูจน์ความกลัวเนี่ยอาจจะต้องดูความพร้อมนิดนึงค่ะพระอาจารย์ก็ได้น่ะก็ต้องดูกําลังว่าเราพร้อมที่จะออกไป ไก็ต้นความกลัวให้เกิดขึ้นแล้วหยุดมันได้ให้เหตุการณ์หรือสถานที่ก็ต้นความกลัวให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็ดูว่าเราสามารถจะใช้สติหรือปัญญาในการมันได้รค่ะวันนีล้ลูกมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์คือลูกเคยได้ยินพระอาจารย์ <c oughs> ในเทป่าว่า กรณีที่จะปฏิบัติเพื่อล้าศักยทิติที่เรื่องความกลัวตายอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้มีโอกาสไปในสถานที่ที่น่ากลัวอีกวิธีหนึ่งก็คือการนั่งให้เกิดเวทนานา น, า น, า น, านอันนีใ้ใช่ใช่ใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะพราะอาจารย์อนนั้นก็ครื่องหนึ่งเวทนากคือการความเจ็บปวดเราต้องนั่งทั้งสองอย่างละทั้งเวทนาและทั้งอความกลัวทั้งด้วย อ๋อก็ต้องยังไงก็ต้องมีเวลาไปไปปรีที่หาที่ที่พิสูจน์ความกลัวตายด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเรายังกลัวแล้วเปล่าถาเรายังกลัวสถานที่ต่างๆหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะกลัวกลัวผีตัวสถานที่ไม่กลัวเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ตัวมันจะมีความกลัวอันนึงคือความกลัวงูเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่นก็คือความกลัวตายค่ะมันก็ยังมีอยู่เจ้าค่ะพระอาก็ต้องกลัวก็ไม่หนองกลัวค่ะ ก็ก็ยังไงเดี๋ยวดูอีกทีเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะวันวันวันที่สิบเอดอะค่ะพระอาจารย์ลูกถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลูกคาดว่าจะไปใส่บาตแล้วก็ไปถวายของที่ศาราหอฉันน่าจะค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ขอขอกุญแจค่ะนะโมต่นะโม มรส ก, การครับพระอาจารย์วันนี้ก็มาส่งการบ้านครับที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้ตั้งแต่วันก่อนหน้าครับก็หลังจากที่พระอาจารย์ให้ไปฝึกปฏิบัติเจริญสติต่อครับก็รู้สึกว่าสติมันมีกําลังมากขึ้นครับแล้วก็ทุกวันนี้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนะครับพระอาจารย์เวลาครูเขาสอนอะไรมาเราก็จะเหมือนแบบมีความแบบ มีสติเวลาเขาสอนคือรู้ว่าเขาสอนอะไรเอ่อคือจิตอยู่กับที่เขาสอนไม่ได้วอกแวกไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องเรื่องนี้ครับอาจารย์แล้วก็เวลาครับอาจารย์แล้วก็เวลาหงุดหงิดใส่เพื่อนนะครับก็เหมือนมันจะรู้อะครับว่าหงุดหงิดแล้วมันก็จะหายไปอะครับมันก็จะก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติก็คือจะหงุดหงิดจะดา่าจะว่า อะไรต่อไปเรื่อยๆนานเลยครับอาจารย์แต่อันนี้คือเอรู้ว่าโกรธแล้วก็หยุดหยุดโกรธเลยครับดีดีมากลองดูนลดด้วยเวลาอยากได้นุ่นนี่นก็ต้องหยุดกันด้วยอยากไปรบกวนพ่อแม่ขอโน่นขอนี่พ่อแม่ช่วยให้ถ้าเขาเมตตาเขาอยากจะให้อะไรเราบ้างก็ให้ทำให้เรา ไ, ไป็นเด็กๆเราไม่เคยขออะไรจากพ่อแม่ อินเดียตามมีตาเกิ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดนอกจากของจําเป็นจะต้องมีเช่นเครื่องแบบรองเท้าอะไรที่มันจะต้องมีแต่ถ้าของอื่นของเล่นของอะไรนี่ไม่เคยไม่เคยอยากได้นะเขาอยากจะให้ก็ให้อานีกองในกานไม่เคยอยากได้แต่ก็ เ, เห็นแล้วไม่มีเขาบอให้ซื้อมาให้ใส่แล้วบางทีเราก็ไม่อยากจะใส่แต่เขาให้มาก็ใส่น้ ดูนาฬกาคนอื่นก็ได้ไหมนะมองดูราฬกาเร า, ใ, ารรใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องมาคอยรักษ า, ามันนะดูความรู้ด้วยนะอย่ า, อ ย, าอย่าดูแต่ความโกรธอย่างเดียวได้ครับอาจารย์แล้วก็ดูความหลงด้วยก็ได้ว่าอย่าไปหลงคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ให้คิดว่าเราเป็นเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นนั่งกายนั่งกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นเพลงแต่หุ่นที่เราใช้พาเราไปไหนมาไหนอย่างนี้พูดอย่างนี้เข้าใจหัหยเข้าใจครจั่ะเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายลุกทำให้ร่างกายยืนเดินนั่งทํานู่นทานี่แต่เราไม่ได้เป็นคนสั่งไม่ได้เป็นร่างกายค่ขะขณะร่ า, างกายเจ็บคนสั่งไม่ได้เจ็บไม่ต้องไปทุกกับความเจ็บของร่างกายทำได้ไ้ยอย่างนี้ ต้องลองดูครับอาจารย์เวลาล่างกายหิวยังไม่ถึงเวลากินก็ไม่เอาไปทุบคอาหิวว่าล่างกายปล่อย ม, มันหิวไปลองไปจนกว่าจะถึงเวลากินแล้วค่อยกินครับอาจารย์นะแยกใจออกจากร่างกายนะเราเป็นใจร่างกายเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้เราใจเป็นนายากายเป็นบ่าวอนะาขานบ้านนี้นะแต่ก็มีสติเยอะฝึก ส, สติเยอะฝึก ส, สติไปก่อนนะ ให้มีสติให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการที่รก า, การกระทําต่างๆของเราเรยิ่นักเสก็ตั้งใจให้มีสติอยู่กับการเรียนการฟังการขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะวิไลพรยงห ญ, ญ, ญิงก็ทํา <c> ม <oughs> กราบธรรมสถารพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบพระอาจารย์อยู่ทุกวันค่ะแล้วก็เข้ามากล่าวพระอาจารย์ฟังเสียงพระ ค่ะแล้วก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะจะรายงานพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะดูกายดูใจแล้วก็สวดมนต์ไว้พระทานสินโทษนะครบค่ะแยกใจออกจากกายใช่ค่ะร่าการเป็นอะไรใจไม่ต้องไปตื่น<ช>เต้นกับรรใจใช่ค่ะธรรมดาของร่างกายใช่ค่ะอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเวลาสวดมนต์ปกติโยมโยมคล้ายๆกับว<ม>่าโยมโยมจะนั่งทับทับทับเข่าอ่ะ ถ้าเป็นสายก่อนก็คือจะแบบแป๊บเดียวก็โอ้โหมันจะปวดมันจะทรมานมากแต่ตอนนี้ยอมอ่ะปวดก็ปล่อยไปแต่ใจใจใจใจเราไม่ไปเกาะอยู่กับความปวดชั่วโมงนึงเลยค่ะพระอาจารย์เกือบชั่วโมงค่ะร่างกายมันไม่เดือดร่างกายเป็นเดืแทนร่างกายต้องใช่ค่ะค่ะต้องจากแยกเนี้ยใจก็ตายก็แล้วอย่างกันใจมันูรู้ร่างกายเป็นดินน้ำลงใสใช่ค่ะเป็นเก้าอี้มันเจียงที่เรานั่งอยู่ใช่ค่ะ เป็นวัตถุใช <c oughs> ่ค่ะพระอาจารย์กลับมาพิการค่ะพระอาจารย์สุภาพแข็งแรงค่ะสาธุสวัสดีค่ะอาจารย์พรหมพิรายเชิญจะอาจารย์พรหมพิรายกลับนมัพ ก, การพระอาจารย์ค่ะกลับนมัพ ก, การพระ อ, อะาจารย์ครับสาธุสาธุค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมารับฟังค่ะโอเคค่ะ ันก่อนจมาเซต ก, กลับเลยใช่ค่ะก็พอมีภารกิจตอนก้าโมงเช้ากันนะคะคุณยังนิดเดอร์วฉนนั้นผ <ม S 1> นนู้ผู้ ห, หูไม่ได้มาด้วยนะเอาลูกสาวมาแทนนะลูกสาวดูแลแบ่งภารกิจกันนะก็เลย ไ, ได้มาตักบาตรด้วยเลยเป็นบุญทุกคนก็แบบปรับลืมมากค่ะนึกไม่คิดว่าจะมี ขบวนคนตักบาเดเยอะขนาดนั้นจริงๆโคมไม่ค่อยเคยเห็นกันใช่ซาเธอรยังไงก็คุณยินดีตอบคุณยินดีตอนนี้อยู่่เมืองไทยอย่างสิ้นเดือ น, นก็กลับไปอเมริกาลนะคราบอาจารย์วันนี้น้เพื่อนของน้องเจสส์าก็เขาฝากคำถามมาหนึ่งคำถามะ่ะคะอาจารย์ อทางแถบอีสานนะคะเวลาคนเสียชีวิตเขาจะให้ ม, มีการบวชนะคะให้ญาติพี่น้องบวชให้<ม>ก็เลยอยากจะทราบว่าทั้งผู้บวชและก็ทั้งผู้เสียชีวิตได้รับกุศลผลบุญอย่างไรคะท่านอาจารย์แล้วได้รับหรือไม่คะท่านอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าคนบวชนมันได้กุศลหรือเปล่าบวชแบบได้บาปก็มีเยอะแยะเลบวชแล้วแอบกินข้าวเย็นนี้มันก็ มันไม่ได้บุญกุศลมันได้บาปนะงั้นมันบวชแล้วมันต้องรักษาธรรมวินัยปฏิบัติแต่ถ้ามันแบบบวชแค่เช้าเช้าเสกเย็นเนี้มันก็ไม่ได้เลยมันเป็นพิธีมากกว่าเป็นการเล่นละครมากก่าบวชจริงๆมันต้องได้บรรลุเสโสดาปฏิานาคาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละถึงจะได้บุญได้กุศล มันตลูกตนะ้นไม้น่ะปลกวันนี้พวกจะให้มันออกดอกออกผลเลยนะนี่บวชไม่ได้กี่วันก็เสร็จนะยังบวชวันนี้มันไม่ได้อนะไรหรอกถ้าบวชไม่เสียกห น, น้าจะได้บ้างพดีเขาพอ ด, อพอดีน้องเขาคงฟังอยู่อะค่ะเพื่อนข้งนอกด้งอีกอย่างเรื่องการลงทิ้นบนก็ มันไม่รู้จะบุญนี่ไหนมาวันที่ตอนที่เพิ่งบวชเนี่ยมันยาวผ้าเหลืองเนี่ยผ้าเหลืองก็วันที่ไปไม่ได้บุญมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผ้าเหลรืออยู่ที่กวนศรีสันหรือเปล่าได้ไหมอยู่ที่ศีลศีลอยังไม่รู้ ม, มีกี่ข้อเี้ยทําผิดทําถูกไปก็ไม่รู้นั่นมันไม่ได้หรอก พ, พูดสรุปจริงก็ไม่ได้ถ้อยากจะให้คนตายได้ก็ใส่บาตรดีกว่าะ ไม่ต้อมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองซื้อผ้าตายมาบวชเสื้ออะไรต่างๆ mm hmm. เอาเงินที่ยามบวช น, นี่ยไปทําบุญนีกทําบุญให้กับใครก็ได้โรงเรียนโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่เขาทุกข์ยากบ้นานทแล้วจะได้มีความสุขใจอันนั้นแหละเป็นบุญแล้เกิดขึ้นทันที mm hmm. ในเรื่องของการบูติสบุญนี่มีที่แสดงไว้ในที่เดียวในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าสอนให้ทําด้วยการทําบุญ ด้วยการทำทานด้วยการใส่บาทถวายอะไรนี้แต่ไม่ได้บอกว่าให้บุธิบุญด้วยการบวชเช้าบวช เ, เย็นหรืออะไรนี้มันเป็นการเป็นการตีความของของปุถุชนไปตามภาษาของอาวิชาไม่รู้เรื่องนันเอง่อะท่านอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ที่ให้เขากำลังฟังอยู่เหมือนกันนะคะ Okay. แล้วอย่างคนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสถานภาพไหนบางทีเขามีบุญแล้วเขาไม่เขาก็ไม่มารอรับบุญผู้ที่ไม่มีบุญนะั่นคือพวกขอทานพวกขอทานต้องมาขอรับบุญจากผู้อื่นแต่ถ้าทําบุญอยู่สม่ำเสมอตายไปนี่ก็ไปสวรรค์แล้วมีบุญพาไปนะเหมือนคนที่ไปต่างประเทศเนี่ย ถ้าเตรียมเงินเตรียมทองไว้เวลาไปพวกก็ไม่ต้องไปอ่าไปไปขอทางอยู่แถวสนามเบินเนื้อแถวไหนใช่ไหมเพราะมีเงินแล้วก็สั่งแท็กซี่จองโรงแรมที่พักมีอะไรไปก็ไปแต่สําหรับพวกที่ตอนนี้อย่างอูงดูเพลนี่บางทีก็ไม่ได้เตรียมเงินเตรียมทองไว้ต้องอพยพอย่างกูลาห์เนี่ยไปก็ต้องไปอยู่ตามแคมป์เลยตามค่ายเพราตอนนี้ไม่มีเงินไม่มีทอง ที่จะไปพักตามโรงแรมอะไรต่างๆแต่ถ้าคนที่ฉลาดหรือว่าเดี๋ยวบ้านสงครามเกิดแล้วกูเตรียมเงินไว้ก่อนนี่ปะฝากเงินไว้ในต่างประเทศมีบัตรเครดิตหรืออะไรพอไปพูดว่าไม่ต้องไปอยู่ตามแคมป์ไปอยู่ตามโรงแรมไปเช่าอพาร์ทไม่ไปอะไรได้สบายนี่คือลัลกษณะแบบนีนะ้บุญคือลักษณะเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิศกัน ถ้าไม่ทำบุญมันก็เหมือนคนที่ไม่ได้เตรียมเงินทองไว้พอถูกต้อง อ, อพะยพออกจากประเทศมันก็ต้องไปอาศัยอยู่ตามค่ายตามแคมป์ที่เขาจัดให้กินตามมีตามเกิดที่แล้วแต่เขาจะจัดให้ก็กินในทางแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องออกนอกประเทศเราเตรียมเงินไว้อยากคุณที่จะกลับประเทศนี้คุณเตรียมไว้หรือป่าต้องเตรียมไว้ใช่ไหมไปคุณก็สบายนอ <c oughs> ย่างกวิธีไป จะ ม, มีที่รู้ว่าีที่ลองรับะอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนื่องบุญก็เป็นแบบเนี้เวลาเวลาตายไปมันมันตายแต่ร่างกายนะใจใจมันไม่ได้ตายใจมังต้องไปต่อนี่มันจะไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่บุญมีหรือไม่มีมีมบาหรือไม่มีบุญบาปก็เดินให้ไปต่ำไปเป็นขอทาน ไปเป็นสัตว์ในราชาอะไรทำนองนี้ไปติดคุกติดตารางนรกก็คือที่ติดคุกติดตารางของจิตนะแล้วนี่ทำบุญแท้แล้วอย่าทำบาสนะก็ตายไปก็ไปสบายไปอยู่ตามโรงแรมห้าดาวกินอาหารมิชลินห้าดาว <c oughs> ซื้อเสื้อภาาแบรนดเนม นะเราไม่ไม่เชื่อลองลองไปตอนนี้คุณไปดาวเทียดูถ้าคุณไม่มีเงินติดตัวไปคุณจะไปอยู่แบบไหนนะแตถ้าคุณมีเงินติดตัวไปออาดาวก็จองได้อาหารมีฉลิทธ์ก็จองได้มีเงินจ่ายทุาอย่างะนะนี่คือเรื่องของของอการบุทินบุญแล้วก็ อยู่ที่ผู้ไปเขาเขาเขาบิดบุนไปหรือเปล่าเขามีบุญเขาเขาไม่มามาเป็นขอทานรับบุญบุญที่เราให้เขาก็เหมือนเงอนที่เราให้ขอทานด้วยสมมติเราทําบุญน้อยบาทเนี่เขาบอกว่าบุญที่ได้แค่บาทเดียวแบ่งไม่ได้แค่บาทเดียวบุญที่นี่เ่าบอกเป็นเหมือนน้ําที่ติดข้างอยู่ในแก้วเวลาเราดื่มน้ําหมดแก้วไปก็เลยเสษน้ําที่อยู่ในแก้วอันนั้นเป็นบุญทิศ งั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับบุญอุทิศมากเลยทำได้เมื่อเทาบุญก็อุทิศได้แต่อย่าไปเห็นเมาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าบุญที่เราควรจะทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่โอเคนะพูดยาวเลยพอดีเขาฟังอยู่ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ณอาจารย์คือคุณหมอพี่เฉยเชิญอยากกอด thermal นะหมอ รัชการพระอาจารยาร์ครับรจากคอทมครับอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีคําถามครับแต่ว่าโยมประกาศพระอาจารย์ว่าโยมฟังธรร ม, มเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันครับแล้วก็น้อมนําพระพุทธปรรมพระสงค์มาเป็นที่พึ่งทางใจครับได้ประโยชน์ไ ห, ไไหไมไระโยครับทําให้ใจสงบแล้วก็ทําใหอ้อเวลานั่งสมาธิก็สงบมากขึ้นแล้วก็ แต่ยังไม่เจ็เดดวมจะถึงขั้นดูเบกขานนะครับแต่ว่าโยกก็จะพยายามปฏิบัติด้วยศรัทธาสันทาวิริยะจิตตวิมังสาครับอาจารย์พยายามเน้ น, รน เ, รรเรื่องการเรื่องการเจริญสติให้มากครับอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคําถามก็มากับธรรมสการพ ร, ะารพระอาจารย์ร่วมรับฟังอคําสั่งสอนจากพระอาจารย์ครับสาธุหมดเป็อาจารย์สายทิปต่อ ขอนกัรหรือสารครามเลยกล่าวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่สารครามค่ะค่ะ ไ, ได้ที่ปฏิบัตินี้อหมโทรไปถามอแม่ชีหรือโยมที่นั่นแบบท่านบอกว่ามาได้เลยเค่ะท่านบอกว่าไม่ต้องมาต้องเมษาไม่มาเลยท่าบอกติด ต, ต, ติดสอนอยู่ท่านบอกว่าอตามอัธยาศัยเราเลยค่ะพระอาจารย์อ่ดีลองดูค่ะ มก็นนมเลยคิดว่าจะจะไปลองดูก่อนแล้วกห็หนูตามเข้าฟังของเมื่อวันพุธที่แล้วคะ่ะพระอาจารย์มีคนพูดถึงว่ามีแนะนำอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์วัดภูทองทอพระอาจารย์มามาตินมาตินอยู่อุ่นดอนทาน ท่านชาวเยอรมันท่านเคได้ปฏิบัติกับท่านที่เยอรมันได้ค่ะอ๋อเคยเจอท่านเยอรมันเคยทำหลับอยู่ที่เยอรมันปีหนึ่งค่ะอ๋อเ็ดีเลยนะเราเราคนขาดูเคยเคยไปวัดท่านด้วยค่ะมีเพื่อนจากเยอรมันมากับท่านแล้วก็เลยนัดไปเจอกันที่วัดท่านค่ะก็เลยไปเห็นแล้วก็เห็นของอ่าเขาแยกส่วนเป็นชายหญิงด้วยค่ะมีแมชทีหนูก็ได้เดินไปดูอยู่ค่ะแล้วก็เป็นอยู่บนภูเขา เหมือนว่านคนจะขึ้นเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอยากไป น, นัน่งบนเขาก็ได้อยู่ที่ด้านนแน่ๆปฏิบัติหรื้อป่าเต้องทํากิจกรรมหมดอันนี้อันนี้อันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ค้ <c oughs> องเขานี่เป็นยังไงค่ะแต่ว่าได้่โทรไปที่วัดป่าดงมาไฟก็เลยจะไปที่นี่ก่อนเพราะว่าได้โทรไปขออนุ ญ, ญาตท่านแล้วอะไรเงี้ยค่ะได้ที่ไหนก็ได้ใกล้ๆโต มีที่สำหรองไว้ก็ดีเผื่อที่ตรงนี้ไม่สะดวกไม่อะไรก็จะได้ <c oughs> ไปที่หนึ่งได้่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองไปดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับเราที่สุดที่จะได้ปฏิบัติจริงๆค่ะอ <c oughs> มีคําถามค่ะพระอาจารย์เรื่องของการนั่งสมาธิค่ะเดิมนี่คือเปิด youtube แล้วก็ฟังทำแล้วก็นั่งไปด้วยแล้วก็แบบให้แบบเข้าเข้าสมาธิไปแล้วอ่าเหมือนค่อยๆเข้าแล้วแต่เลยค่ะ ทีนี้อ่ตอนช่วงหลังไม่ไม่ไม่ฟัง y o u ูทูบแล้วค่ะนั่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องฟังรู้สึกไม่อยากฟังค่ะค่าสติดีขึ้นนั่นเองสติมากดูมันก็แบกว่าไม่ไม่ไม่ไม่อยากฟังแล้วอยากนั่งเลยค่ะทีนี้พอตอนค่ะตอนนั่งก็เลยเอ๊ะราคือเราต้องปล่อยให้มันค่อยๆไปหรือว่าแต่แตหนูใช้วิธีว่ากดไม่ให้คิดนะคะแบบกดกดความคิดไว้ไม่ให้ออกไปเลยแล้วก็ดูกดูยังไงกดยังไ กดเหมือนแบบไม่ให้ไม่ให้คิดโดยที่แบบกั้นความคิดไปเลยค่ะพระอาจารย์ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคือเหมือนเหมือนจุดด้วยด้วยการบังคับมันไม่ให้คิดนะคะมันแต่งมันเกลงหรือเปล่ามันเกลงค่ะก็เลยมาถามพระอาจารย์ว่ามันมันถูกหรือเปล่าค่ะแต่ว่ามันก็มันก็เข้าอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ลองทำหรือทาทําให้จิตสงบได้แล้วนิ่งได้ก็น่าจะโอเคหรือหรือว่าก็คือดูว่า แล้อย่างก็ดูลงไปไม่ต้อไปสนใจกับความคิดหรือพูดโชว์ไปเพราะการไปกดมันนี่มันอาจจะเป็นกิเลสความอยากเ ป, เป็นเกรงไปใช่ไหมค ะ, ะ, คะไม่เคยทำเลยไม่รู้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องกดผมไ <c oughs> ม่นเน่ยจงั้นไม่ให้คิดไปเลยงั้นก้านไว้เลยอะไร เ, เงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ดูแบบคือก้านไม่ได้คพียงแต่ถ้าบอกมีสติเราบอกว่าอยากคิดเนี้ยแล้วมันหยุดคิดก็โอเค แต่ถ้าต้องไปจ้องมันเนอะมึงอยากคิดนะอะไรนี้มันก็ไม่เสียว่ามันแปลกเป็นแบบไม่ได้คิดว่ามึงอยากคิดนะคะพระอาจารย์หมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าอยากคิดน ะ, ะก็คือฉับไปเลยค่ะเหมือนแบบแ<ต>อะไรเงี้ยทาได้ยาวป่ะแล้วมันอยู่ได้ยาวมาันอยู่ได้ยาวหมดไปค่ะมันกดไว้ถ้อาอยากไปทําดีกว่ามันไม่ไม่ทำมาช่วยดูลองไปดีกว่าแล้วพูดถ่วไปดีกว่า ถ้าเราไม่ไปให้ความสนใจสําคัญกับมัอนอย่างมัน ก, มนก็มันก็ไม่คิดเอะถ้าเราให้ความสาคัญอยกับพุทโธนี่กดาดูมันต่อไปมันก็ไม่ไปคิดเองทำแบบธรรมชาติค่ะอาจารย์คําเหมือนแบบถ้าเป็นแบบธรรมชาติเหมือนตอนที่เราจะเข้าสู่ความสงบมันเหมือนจะมีความคิดอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่ามันค่อยๆผ่อนแล้วก็ก็ยหยุดไปเองใช่ไหมครับใช่มันค่อยๆเบาแต่ถ้าเรา ถ้าเรามีอะไรเกาะไว้เช่นมีลมหรือมีพุทโธเกาะไว้ถ้าเราไม่มีเราไม่มีแล้วก็จะไล่ไปกับคาคิดแล้วก็ไปคิดกับมันต่อไปคุยกับมันต่อค่ะเพราะว่าสังเกตว่าถ้าจะเข้าสมาธิมันเหมือนมันเหมือนตอนนั้นมันมีความคิดอยู่เบาๆแล้วมันค่อยเข้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราเหมือนเหมือนคิดแต่ว่ามันมันเหมือนเห็นความคิดแต่ว่ามันกลับนิ่งอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลย ก็ไม่ควรไปดูความคิดเด้อกไรสร้างปฏิบัติอะไม่ให้ไปดูความคิดให้ดูลมหรืให้ดูอะไรทั้งอย่างหนี่เป็นเครื่องยึดเนี่ยจิตใจไม่ให้ไหลไปกับความคิดถ้าไปดูความคิดมันก็ไหลไปกับความคิดงั้นเราก็ก็เหมือนเดิมก็คือพุทโธแล้วก็ดูลมอย่างเดียวแล้วแล้วแต่ว่ามันจะอะไรก็ช่างใช่มันจะเี่อนไรก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะ ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะปฏิบัติต่ อ, ตอไปลอดูนะลองค่ะสาธุข้าควาบคุณเอกจากเชียงรายาคุณเอกเชิญกลับนวัตกรรมพระอาจาย์ครับผม อ, อวันนี้กลับโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์พระพระดีนั่งสมาธิแล้วก็มันหล่นไปครับพระอาจารย์มันหล่นไม่นานมันบุบลงไปไม่นานนะพอาจารย์สติคงจะ อ, อ่อนอยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ ผู้แบบหลับแล้ววู้แบบรู้สึกตัวเอาวู้แบบรู้สึกตัวครับอาจารย์รู้สึกตัวก็มันกป็นสัมมันก็เข้าสู่ครับความสงบเต็มแต่มันมันได้ไม่นานหนักครับอาจารย์ได้มันคณิกาด้านเชื่อขณะว่าสติมีกำลังเท่านั้นต้องฝึกสติให้มากขึ้นครับผมครับใหม่ๆทุกคนนั้นมันจะเข้าไปวุ่บหนึ่งแล้วก็มันก็จะถอนออกมาทีมันก็ตื่นเต้นดีใจหรือตกใจนะนให้รู้เฉยๆครับ ก็คือมันมันบุกไปมันก็ผมก็รู้สึกตัวครับแล้วก็มันก็เบาสบายเอก็เย็นตกเลยอะพัดเย็ไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่มันอยู่ได้ไม่นานแค่นั้นครับพัาเย็นไม่งานก็ให้กลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปใหม่นะครับก็ดูลงไหลื่องทํายังไงทํำยังไงเมื่อก่อนที่มันเข้าไปก็ทําอย่างนั้นครับครับแล้วรอบสองนะรอบหนึ่งยังไม่อีิ่มก็รอบสองครับ Premises, จานจานที่หน anyway> ึ่งจานที่หนึ่งไม่เอกว่าส uh> like ั่งจานที่สองมากิดต่อได้อเคครับผมในนอกจากร้านไปเลยครับกมเพราว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันมันวูบปล่อยมากครับอาจารย์บ่อยนะฮะในช่วงเช้าวูบวูบไปสภาพมันก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับอาจารย์มันอาจจะวูบหลับก็ได้นะมันไม่แน่เห็นไหมว่าไม่รู้สึกตัวอยู่ครับอาจารย์ครับรู้สึกตัวครับตแบบตื่นตัวรู้สึกหลับเค็มๆแบบไม่ได้ตื่นเป็นตัวอยู่ครับอาจารย์ครับ ดูรวนพุกไปก็ดูอยู่ครับเห็นเห็นอยู่ครับอาจารย์เมื<ล>่อวันครับผมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่ฟังของอาจารย์กับหมอวีก็มีหล่นไปเหมือนกันนะครับอาจารย์พุกไปก็อมเบาก็เสียงแต่ว่าเสียงยังไม่หายครับก็มไม่เ ป, เป็นไรไเรื่องของเสียงครับให้นไม่ต้อไปสนใจจิตผู้รู้ให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าจิตช่องเป็นอะไรด้ว่ายังรับเสียงอยู่ก็ ต, ตอเ่าก็รับรู้ไปเฉย ความสคัญก็ให้มันไม่คิดตรงแตกให้มันเล็งก็แล้วกันครับครับมันมันไม่ีความคิดนะครับมันมันว่างไปเลยครับพระอาจารย์แล้วก็เออพระอาจารย์ครับถ้าเกิดว่ามันบู๊ไปแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรนี้แสดงว่าสัญญามันดับไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันอาจจะไม่รู้ว่ามันดับแล้วไม่ดับก็ไม่ต้องสนใจนี่กมันไม่ดับหรอกว่ามันจะถ้ามันจะดับไปก็ต้องอยู่ในขั้นนิโรธสัญญาไม่ได้ไม่ด้ดับนิโรธ ออืควิทยาฐานากระดับสัญญากะดับแล้วแตวิัญญาณตัวเดียวที่รู้อยู่คำแต่ปัญญาณรับรู้นะครับแต่แต่ถ้าถ้าจากเอ่อถ้าเปลี่ยนจากสัญญามาเป็นปัญญาอย่างเงี้ยพระอาจารย์นี่ก็ไม่เปลี่ยนอะเวลานั่งสมาธิไม่เปลี่ยนไม่ยุ่งอ๋อไม่ยุ่งขับมคนละเรื่องกันครับสัญญาอันานร้นวีปัสสนา ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนตอนที่นั่งสมาธิตอนรับปัญญานี้มันเกี่ยวกับเรื่องการสอนใจให้เปลี่ยนจากมีสัญญาคว า, ามจําว่าทุกอย่างเป็นยึดจังสูขขงรตรขังหนัาตาให้การเป็นอย่างยึดจังทุกขังหน้า ต, ตาเปลี่ยนแนะบบนั้นเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ข, ข้อมูลข้อมูลที่ใจมันจะซักที่สัญญามันจํามันจําว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้เป็นของให้ความสุขกับเรา เราใช้เ <c oughs> วลาจะใช้ปัญญามาเปลี่ยนมันว่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรเท่งแท้แน่นอนไม่มีอะไรให้ความสงบของเรครับครับครับอันนั้นมันนั้ น, อ, อ, อ, นอีกตอนหนึ่งแล้วอีกตอนหนึ่งนะครับครับผม <นะ S 2> ตอนทำสมาธินี้ไม่ต้องคิดเมื่อวาลต่างๆให้นู้ใช้เฉยๆอย่างเดียวให้จิตมันนิ่งครับผ ม, บผมเพราะว่าผมถ้าถ้าตอนถ้านั่สมาธิถ้ามันคิดไปก็สิ่งภาจาันก็จะพูดขึ้นมาในใจครับผม ชงสมาธิอย่าคิดอยา่อยาคิดอย่างเงี้ยครับอาจารย์ให้เออให้เลิกคิดแบบเหมือนกับพักผ่อนให้จิตเป็นพักผ่อนเนี้ย ใ, <ห>ใช่ใช่ใช่ครับผมครับผมวันนี้วันนี้มีแค่นี้ครับอาจารย์กบขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับโอเคทาบุณหมอภาชนาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วถ้ากลับมาขอทําอแล้วเหอกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เมื่อไมยไปสออาทิตย์ใช่ไหมคะอาทิตย์แรกเนี้อาทิตไปที่เขาชีโอนนะคะก็ได้ทําตามที่พระอาจารย์บอกคือ คือเพิ่มเพิ่มเพื่อเช็คตัวเองว่าเใจยังนิ่งพอมไหมก็คือเพิ่มเป็นแบบว่าเดินตั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็นอนห้าชั่วโมงก็รู้สึกว่าสงบนะพระอาจารย์ไม่กลัวแล้วเจองูก็เฉยเฉยพระอาจารย์ก็ความกลั ว, วกล้าได้ก็เพื่อจะเตรียมตัวเพื่อจะไปวัดคําเต่านี้ดีมากเลยคนระัพระอาจารย์สงบแล้วก็ได้อยู่เป็นเป็นเรือนนะคะแล้วก็มีแม่ชีด้วย แล้วก็ดีมากเลยคือคือมันมันสงบมันเงียบแล้วก็มืดแล้วข้างหลังมันเป็นทางเดินทรงกลมมีมีแบบที่ตั้งตั้งไฟแม่แม่ชีอยู่ที่วัดท่านเลยค่ะมีหลายรูปเลยแล้วแม่ชีนิจริยาวัดเนี่ยไปอยู่วัดไหนวัดไหนวัดถ้าเต่าค่ะวัดถ้ำเต่าพระอาจารบุญมีใช่ค่ะมันมีมีอยบาสิกาชาวพระหลังเสด็จยังอยู่ปะคนแก่ไม่เจอไม่ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เจอไม่ไม่น่าอยู่นะคะเพราะว่า ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามีมีแม่ชีค่ะแล้วก็จะรีวิทงดงามเลยแล้วก็มีทางเดินวงกลมเป็นของตัวเองด้วยพระอาจารย์เป็นทางดินก็ไปปัดกวาดแล้วก็เดินก็ได้ได้กลาวเป็นหลุมบุบ ม, มีก็ท่านเมตตา ม, มากเลยนะคะท่าน ก, ก็คุยก็เลยเดินแล้วเดินข้างนอกเนี่ยก็ไม่ก็นิ่งนะพระอาจารย์คือตอนแรกนึกว่าเขาชีโอเนี่ยมันชินเพราะว่ามันมันเราชินแล้วก็เลยไม่กลัวเจอลิงเจอกวางเจองูก็ไม่กลัวแต่ว่าอมาที่นี่เนี่ย มันก็นิ่งอ่ะพระอาจารย์แลคือรู้สึกเลยว่าเอออันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่กลัวแล้วก็เดินกัางคืนได้แล้วก็ตื่นด้วยพระอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นก็ตื่นแล้วก็ทําอะไรได้แบบรู้สึกดีมากค่ะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ตอบคาถามแล้วก็เออเนี่ยมีพระเทล่อเจ้าอาวาสเนี่ยมาแล้วภาพก็มีพระมามาเทศก็เจอพระอาจารย์ทิพน่ะครับ นั่งก็มาจากเลยอะค่ะแล้วก็หลวงปู่บุญมีก็ให้พระอาจารย์นิพนเทศโหยมีความรู้สึกว่าได้เจอพระอาจารย์สองรูปอยู่พร้อมกันแล้วก็ได้เทศก็รู้สึกคำนี้มาต้องขอบพระคุณพระอาจารย์น ะ, ะมันตอบคําถามในใจได้แล้วก็จริงที่ปฏิบัติที่ชอบก็คือทอดทั้งสองวันเลยนะคะทั้งวัดท้าเต่า แ, แ, แล้วก็วัดป่าสัเล็น้อยแล้วกลจัดกลับมาจัดจัดเวลาไปทำค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันได้เช็คเรื่องของความกลัวความกล้าแล้วก็ความนิ่งแล้วก็เข้าใจเรื่องสุดท้ายที่ที่ที่เคยทํา คือมันตอบคำถามเราที่พระอาจารย์แล้วนะคะเรื่องของเรื่องของอัตตาอวิชชาแต่ว่ามาที่นี่นพระอาจารย์ก็ยิ่งต อ, ยตอบย้ำแล้วตอบมันก็เลยเข้าใจเอใครอยากจะที่ปฏิบัติก็เราติดตนะ่อคุณหมอทัศนาถึงวกัฒนธรรมเนี่ยคุณอาจารย์สายที่นี่เขา่าอันนี้ก็อยู่อูดอนเหมือนกันอยู่ที่อูดอนนี่แข่งทางเลือกที่เดี๋ยวสง่งแชทไปให้ พระอาจารย์จะเทสินะคะสองวันสองวันเทสครั้งหนึง่งท่านดูแลอย่างดีเลยค่ะสองวันเทสครั้งหนึ่งแล้วท่านก็จะบุคือท่านดูแลแบบพ่อแม่ครูอาจารย์คือรู้สึกอบอุ่นมากเลยพระอาจารย์รู้สึกว่ามีพระอาจารย์สามรูปมีพระอาจารย์สุ ช, ชาติพระอาจารย์บุญมีแล้วก็พระอาจารย์นิพนตร์รู้สึกเอ่อรู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์มันตอบคาถามได้หมดแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคพระอาจานี้ก่อนนะอ่าโอเคก็แนนต่อแนนนี้ก็อยู่ดอนเนี่ย ใช่ค่ะค่ะธรรมสถารค่ะเคยไปในวัดธรเจ้าเคยไปครั้งหนึ่งเคยไปค่ะ้งหนึ่ว่ะอาจารย์นาติอาจารย์มาติกเคยไปแบบอาจารย์มาตินนี้วัดอยู่ก่อนถึงวัดธรรมกองเพนใช่ไหมคะใช่นั่งเป็นน่งเป็นเออเนเนเคยนุ้เคยไปแต่วัดธรรมกองเพนค่ะแต่ว่าเคยเห็นท่านเดินทุดงผ่านเดีอยวค่ะอาจารย์มาตินค่ะค่ะ วันนี้ยังไม่มีคำถามค่ะ <Okay. S 2> ยังยังนั่งดูอยู่ค่ะโอเคมาอะจะขึ้นทีลวที <laughs> เริ่มกำลังพยายามค่ะ <Okay. S 2> ค่ะคือค่ะคุณธรรมวันเชิญคุณธรรมวันจากสัรรนเสริมนวัสการเจ้าค่ะผ้าจาย์สัปดาห์ที่ผ่านมาโยไม่เอาไหนเลยเจ้า อดีตแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเไอ้ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่อะไรเจ้าค่ะก็เลยไม่มีอะไรรายงานเจ้าค่ะขอโอกาสพยายามใหม่เจ้าค่ะพยายามเลี้งจิตให้กลับมาในปัจจุบันอดีตไม่ผ่านไปแล้วท่านจะคิดจะให้คิดมาเป็นบทเรีย็นว่าเราบวกพร่องตรงไหนควรจะแก้ไขอย่างไรแต่อย่าไปย้อนอดีตอย่าไปอะไรมันผ่านไปแล้วขอบคุณเจ้าค่ะ ท่านนี้เจ้าค่ะมีท่านนี้นะเจ้ค่ะเป็นกวางเชิญเมื่อคืนนี้เข้าภาษาอังกฤษคุยไม่รู้เรื่องนั่นก็ไาไปห้องอังกฤษได้ไงลงเข้าไปนะอ่าใช่เดี๋แล้วค่ะโอเคพูดได้แล้วได้ยินนะค่ะค่ะเมื่อคืนก็ก็พยายามที่จะสื่อสารเสร็จขอไปได้ค่ะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วค่ะก็ก็จะ ค่ะก็จะสอบถามมาค่ะคือแต่ก่อนอะหนูเคยปฏิบัติได้ดีอะค่ะแต่พอมีช่วงหนึ่งที่แบบเจอเรื่องที่แบบพอไม่สมหวังเข้าไปอะค่ะผิดหวังอะมันทําให้ตอนนั่งสมาธิตัวมีสั่แล้วก็ไม่ไม่ได้กลับมานิ่งแบบแยกกายแย ก, แยกจิตได้เหมือนเดิมอะค่ะอันนี้นี่คำถามที่หนึ่งแนละ้วคําถามที่สองค่ะในเรื่องของทางโลกอะค่ะคือบางทีหนูรู้สึกว่าเออ อขี้งุนหนหิดขึ้นแล้วก็คือบางทีทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราขาดฉันท่าค่ะหนูจะต้องปรับใจยังไงนะคะให้นกลับรู้สึกว่าในแต่ละวันมันเฟรชี่อะค่ะต้องฝึกสติให้มากขึ้นมนาควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเล่นเลยนั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือดูลมอา ด, ดูดูการงานของเราร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้หยุกับงานอย่างเดียวอย่าปล่อยไปคิดเนละ่น แล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะมีฉันทาวิริยะลอยขึ้นมาค่ะแล้วแล้วที่แบบว่าคือไม่สามารถแบบว่านั่งสมาธิได้ดีเท่าก่อนหลังจากที่เจอเรื่องผิดหวังนะคะก็ต้องตัดความผิดหวังไปตัดไว่ามันผ่านไปแล้วใ้ใช้ปัญญาสามารถมาเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอน ได้มาก็ต้องมีวันหมดไปได้หมดแล้วก็ช่างโหมันไปเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปหวังอะไรจากใครทำไมก็อย่าไปหวังอะไรจากใครนหวังพื้ น, น ป, ประเมิดีกว่าอัตตาหิอัตโนมนาถุบรรยายไหมค่ะ คือโดนพิ่งที่ในตัวเราเองทําเต็มที่แล้วอะค่ะแต่ว่าผลที่ได้มันมันมันไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราพึ่งตัวเองอยู่ไหมคะหรือว่าทําได้ทํำทาเต็มที่แต่เต็มที่ของเรามันไม่ได้เต็มที่ของของพระพุทธเจ้าเต็มที่ของเราเวลาสักกี่กี่นาทีเต็มที่ของพระเจ้าเวลา20ชั่วโมงเนี่ยเ่าทําเต็มที่นี่ต้องเพิ่มเวลาทําให้มากขึ้น ฝึกสตินรงการตื่นจนหลับได้เลยคอยคุมจิตพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าให้มันคิดอย่าให้มันคิดถึงความผิดหวังนะป่ะความผิดหวังมันผ่านไปแล้วมันเลยก็ได้ยังไปบอกวุ่นกับมั น, มนเลยทําให้จิตเราว้าวุ่นขุ่นงูเ้ใจไหมค่ะเข้าใจค่ะคือเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะมแล้วก็พอว่าอารมณ์เราปรับมาดีขึ้นค่อยยกระดับจิตใจไปในเรื่องอื่นๆ ก็อันนี้อันนี้แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆได้ได้สติกับขึ้นมากก็เพิ่มสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นให้จิตสงบมากขึ้นไปก่อนเรื่องอื่นยังไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจเอาเรื่องของควาสมสงบที่เกิดจากการฝึกสติแัะการนั่งสมาธิก่อนเนึ่งอย่างเดียวก็พอค่ะงั้นขอขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะไว้เดี๋ยวถ้ามีความก้าวหน้าหนูหนจะพยายามหนูจะเข้ามาอีกนะคะ อยู่ที่ไหนทีุ่ลีอ๋ออู่ทีุลีค่ะดุรีนะโอเ ค, อ, เคอยากอยากปที่แบบแถวนี้ไม่ได้มีวัดเครือข่ายของพระอาจารย์นะคะไม่มีอเราเราเามันคนคนัวเดียวกับเทมดไม่มีอะไร เ, นน เ, เท่านั้นผ ม, มเคยไปที่วัดของพระอาจารย์ครั้งหนึ่งอะคะ่ะกออ่อนโควิดเออตอนที่วัดโควิดยังไม่ระบาดหนะักขนาดนี้นะคะ่ะก็เลยอยากจะหาเวลาไปอยู่บ้าง น, นะคะ ได้ไม่ไม่ต่อไปเวลามันปลอดภัยแล้วก็มาใหม่นะค่ะขอบพระคุณค่ะสาสธุหลวงสุทัศนีปฐุมธานีนมะสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกกลับเขาอกาสเรียนถามท่านอาจารย์หนึ่งคำถามเจ้าค่ะอยากซักบความหมายความหลงเจ้าค่ะในทางพระพุทธศาสนา ความหลวก็เห็นเห็นแมวเป็นหมาไงเห็นหมาเป็นแมวไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนมีตัวตนใช่ร่างกายเนี่ยไปเห็นว่ามันตัวเราของเรานี่ยนี่ก็คือความแบบนะไม่ใช่ตัวเราเราไม่ไม่มีตัวตนร่างกายไม่มีตัวเรา เราคือตัวจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายเราคือตัวจิตผู้รู้ผู้คิด ท, ที่มามาเกาะติดกับร่างกายนี้เพื่อจะได้รับรูปเสียงจิตวิสที่เข้ามาทางตาหรือจะบอเห็นกายไปเสรเจตรงนี้มันมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันเกิดแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะแกะ่จะมันจะตายจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อันนั้นตายมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะต้องคอยเล้ยดูมันมา ทุกวันต้องหายใจทุกวันเลยนะคิดดูพลังการหายใจนี่หนาสาหัสอยางนี้ต้องอยุดหายใจไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าขี้เกียจหายใจหน่อยก็ไปเลยใช่ไหมน้อยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดมันทุกข์เพราะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายถ้าเรารู้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไว้ให้มันแก่ไว้ให้มันเจ็บไว้ให้มันตายใจก็จะไม่ทุกข์กับ อันนี้คือความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห้นกรุงจากเป็นดอกบัวเห็นแมวเป็นหมาพูดง่ายๆชัดเจงกว่าว่าี่แมวกับหมามันตัวขนาดใกล้ๆกันบางทีก็มองไม่ออกถ้ามันอยู่ในที่มันมืนอยๆหน่อยจะได้จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อละความหลงความหลงว่าคือไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขั้งหนัตานี่เห็นลาบโนสสรรเสริญสุดว่าเป็นนิจจังสุดขั้งหนาตา ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนะตาจะนั่งได้ไปหลงไปอยากได้ราบด้วยสรรสรสน์นนสุขันเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคำถามเดี่ยวจ้าค่ะกระจายเลยเจ้าค่ะอาจารย์คสะอาดธุคุณแนนคุณแนนกอมอยู่สันฟานเลยไหมในในโกนเลืเดอดอยู่ต้องหนาไหมมั <c oughs> นไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ ก็เรียนถามพู้อาจารย์นิดน่อยครับเออเวลาเราฝันนะครับแล้วเวลาเราตัดสินใจในการตอนที่เราฝันอะ่ะส่วนมากการตัดสินใจของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบ ม, ม, มีแต่อารมณ์แต่พอเรามาคิดจริงๆวเลยถ้าเป็นสถานการณ์จริงๆถ้าเรายอยู่แบบเนี้ยเรามีสติเราไม่ทํานั่นหมายความว่าจริงๆจิตเราอ่ะยังยังหยาบอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับเราใช้มันเป็นมันเป็นการเป็นการบองบอกว่าสภาพจิตของเราเป็นยังไงท่าแท้ของเราเป็นยังไง <ừ> ถึงแนมะ้คุณบอกว่าคุณจะไม่ทําแต่ถึงเวลาจริงๆคุณอาจจะทําก็ได้เลยโดยที่คุณอาจจะหลอกไว้ว่ากหาคุณยังไม่ทําแบบนี้แต่พอเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาเหมือนตอนนี้ถ้าเกบดใครบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ต้องการหรอกเนี่ยแต่ถ้า <ừ> เขายื่นมาให้จริงๆเนี่ยมันอาจจะอือ <ừ> มก็อาจจะเปลี่ยนใจได้นะมั้ยครับบางทีเราคิดใจทางเชิญทฤษฎีมันก็เห็นแล้วออ อยู่แข็งกว่าหนึ่งเขาโลกอย่างได้หนึ่งถ้าเราเป็นเขาเราไม่เอาหรอกเรไม่อยากได้แต่พอเหตุการณ์มันมาถึงตัวเรานี่จริงๆเนี่ยมันบางทีมันก็อยู่ที่ธาตุแท้ของเราจะบอกเอครับก็จริงๆก็ใช้มันเป็นตัววัดได้ใช่ไหมครับว่าเราบางบ้างที่เราเป็นตัวเป็นตัวมองบอกธาตุธาตุแท้ของเราหรือสถานะภาพจิตของเราบ้างเป็นแบบจะได้ไวหวัดเรื่อยๆว่าดีขึ้นบ้างไหมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ไม่ต้องควรท่านอื่นครับประมาณท่านครับ คุณสมชายจากอเมริกาเทนเซเนียกับท่านผูาจย์ครับก็ผมไปอยู่ดูทูบแปอะไรท่านความจริงท่านพูด you are so so I mean you speak well and I understand so today I just would like to know it because So I translate in my mind just pop left and right. So, so I'm sorry today. I just apologize. And also, I'm not unrespectful for speak to uh, to you this way. But I look and look and go to YouTube. I went through all that. But uh, so you uh, explain well about this. Uh, the principle on On this is uh, I just b r e e d in, bleed out, so that's work well. Sometimes I thinking too much about okay for kid, for whole world. Look like I own the world, like I just said. I'm not own nothing in this world. Mm. Also, it's my body. Uh, this one I very respectful about that. Nothing belongs to you. Nothing belongs to you. Yes, thank you. แเอามเป็นภาษาไทยได้ัุกคนเลยก็จะได้ฟังด้วยทีนี้ชงภาษาไทยไม่ยากกว่าภาอังกฤษถ้าอยากจะพูดอังกฤษต้องขึ้นอาคารโอเ ค, อเควันนี้เป็นเป็นตอนเย็นของวันพบว่าตอนเช้าวันพุธ ท, ที่นี่แล้วตอนนี้เป็นตอนเย็นของวันพฤหัสใช่ไหมฮะไม่วันวันพุธอยู่แต่เป็นสองทุ่มทุ่มของสายตั้งสิบสองชั่วโมงคุณพุดเชา้าเราพูดค่า สช้าทุกครับตอนนี้ของคนแปดโมกว่าจะเก้าโมงใช่หมตอนเช้าเก้าเกนี่ก็เกือบสามทุ่มแล้วครับมันเดียวกันมันเดียวกันอถ้าอยากจะเข้าภาษาอังกฤษต้องเข้าเมื่อวานนี้เข้าเข้าวันอังคารตอนเช้าใช้เรื่องินเดียวกันได้ใช้เรื่องเงนเดียวกันเข้ามาได้วันนี้เสียงของของ facebook ผมเลยเข้าไป youtube วันนี้ค่ะเออได้มันมีหลายช่องให้ให้เราเข้าได้ ก็เกตอนที่บางคืนก็คิดทุมัดแล้วก็หายใจออกหายใจเข้านี่เป็นช่วยผมได้มากที่สุดเลยแล้วเรื่องเรื่องที่ท่านบอกมาว่าให้ปล่อยวางกับลูกเต้าไม่เขาโตแล้วอะไรพวกนี้ผมก็พยายามครับอันนี้ก็ได้ครับแล้วแล้วตอนที่ห้าข้อนี่ครับ ตอนที่ห้าข้อเท่ๆสิน้าเนี่ยครับผมก็ทำทาได้แต่จะนิดหน่อยตอนที่ตอนที่เขาเรียกว่ามุกษาวาธานี้บางครั้งเราก็มไม่อยากจะพูดความจริงไม่อยากจะพูดความจริงก็เกิดเขามาถามว่าคุณจะทำได้ไม่ไม่ได้หรือพยายามตอผมก็พยายามพูดคล้ายๆกับ ก็หกไปหน่อยว่าเออคุณต้องทำได้แบบนี้แบบนี้แต่ความจริงเขาไม่สามารถพอหรอกแต่ผมก็เลยพยายามไม่ากบอกไป่ตรงกันนี้อันนี้ผมก็กลัวอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอตอนที่เรื่องพูดถึงเรื่องความตายนะฮะเราว่ามีสองอย่างที่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาป ก็ท่านบอกว่าผมก็ฟังหลายอาจารย์แล้วก็ฟังว่ า, าหาสเสบียงอาหารไปอย่างที่ท่านเคยบอกว่ามีเงินมีเครดิตลาร์ดไหมที่จะ<ม>ออกจากต่างประเทศอย่างนี้นะนั่นแหละนั่นแหละคือบุญทาจะต้งเมตุภิติตัวไปเวลาเราตายครับคือตอนนี้จะให้ผมทำยังไงบ้างครับใน ในในข้อห้านี้ก็หนึ่งทำที่สองข้อห้าห้าข้อนี้ก็รักษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ ท, ทำได้แล้วครับออครับแล้วก็ทบุญมีเงินมีทองก็ส่งไปทำบุญให้กับใครก็ได้ที่เขาทำบุญประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้เวสครสก็ได้นะหรืตอตานที่ยูแคลนเขาเดือดร้อนก็ส่งไปก็ได้ ช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากเหลือน้อยครับถ้าเรามีเงินเหลือนะถ้าเหลือใช้เหลือกินถ้าไม่มีเหลือก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอันนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้บังคับให้อยู่กับดูทฐานะของเราว่าเราเราแค่ไหนพอเนี่ยเราะถ้าเราทําได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำธรรมก็ขอบคุณมากครับผมก็ส่งครับผมก็ช่วยท่านที่วัดแล้วก็ใส่พวกแซกส่วนมากจะ จะไปกับเช็คกับส่งไปให้ที่วัดที่อยู่ที่ไหนกนะครับอ่าวอชิงตันดีซีวัดเวอร์จิเนียแล้วก็ับของไปวอชิงตันสเตทอันนี้ผมก็ช่วยไม่มากครับอเมรกดีมากทไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นสเสียร์เป็นเสียรครับท่านวอกครับก็ผมจะพยายามรักษาศิลป์ทั้งห้าข้อนี้ อล้วก็ฝึก น, น, น, นั่งสมาธิฝึก น, นั่งสมาธิเวลามีหิวว่างๆก็นั่งหลับตาดงลมงสักห้านาทีสิบนาทีาก็ยังดีอ๋อครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผมจะพยายามจะให้มันเข้าด้านภาษาอังกฤษนะฮะ ม, มันอยากจะมันมันชอบไปอ๋อมันชอบท่านอาอาจารย์ที่เวียดนามนะฮะผอแกไปซื้อหนังสือมาแต่ผมบอกว่ามีท่านอาจารย์คนหนึ่งที่พูดที่เก่งที่สุด บอกว่าอ๋อวันจันทร์ว่าวันวันอังคารตอนเช้าตอนเช้าที่อเมริกาจะให้จะแนะนํามาให้มันคราวด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับสาธุสาธุครับคุณทัศนพลตาจากกรทมาวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงมีอะไรไหม ไม่มีมมครับวันนี้มาฟังธรรมบ้านครับถ้าย่งนับไปก่อนในเล้นะเดี๋ยวจะได้ได้ค่ะค่ะ๋ย<ะ>่มันจะือดเกนไปต้องต้องคอยนคอยบริหารเวลาหน่อยค่ะขอบคุณอาจารย์นอนจะบริเวณน้านัตสการค่ะไม่มีคําถามค่ะเข้ามาฟังค่ะไม่มีความกลัวไม่มีค่ ะ, ไ ม, มคะไม่มีเลยโอเค แต่ว่าใช้ทดสอบใหม่ค่ะต้องทำซ้ำๆดูให้ดูใช่คือว่ามันเราหลับตัวเราเองือเปล่านะใช่ค่ะมันต้องทำซ้ำๆหลายๆรอบค้อยคอนเฟิร์มได้เต็มร้อยโอเคมากค่ะคุณมารีตาคุณมาลีอยู่กอธมาใช่ไหมกาบหลวงพ่อค่ะอยู่วัฒกาศค่ะหลวงพ่อตอนนี้หนูไม่มีคำถามค่ะหลวงพ่อ เข้าใจหมดแล้วนะเข้าใจแล้วแต่ยังไปไม่ถึงไม่เป็นไรอย่างนั้นขอให้เข้าใจก่อนให้รู้ว่าเราต้องไปไปไปที่ไหนไปอย่างไรแล้วมีเวลาเก็บเล็กเก็บน้อยพยายามเอาให้หมดอะค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วก็ค่ะสตินี่เอาได้ทุกเวลาพยายาสติตลอดเวละค่ะ พอก้าวถาาก้วขาเดินไปไหนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเงี้ยค่ะตลอดแล้วถ้าวันไหนทําแบบเนี้ยได้เยอะะค่ะหลวงพ่อมันจะนั่งได้ได้ดีค่ะได้เร็วสงบได้เร็วได้ไง่ายใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าบางวันก็มีงานเยอะก็ไม่ได้ไม่ได้พุโทโธแต่ว่าก็ทํางานแล้วมีประชุม อ, อะไรเงี้ยมันก็จะน้อยไปมันจะยากเพราะมันใช้ความคิดมากพอจะมา<อ>หยุดมันมันก็เลย มันก็ต้องใช้เวลามากกว่าปกติอย่างตอนเช้าพอไปถึงที่ทํางานสักหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบเนี่ยหนูก็เริ่มเริ่มเลยค่ะจนจนใกล้เวลาจะไปทํางานแล้วก็ก็จะไปไปต่อทั้งเรื่องงานหน้าที่ปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะใหะท<ป>ําไปในปัจจุบันก็แล้วกันให้คิดอย่าเรื่องงานอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่ะหลวงพอ่อแล้วก็อพอช่วงกลับมาจากเลิกงานสองสามทุ่ม ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็หนูก็จะช่วงดึกไปจนถึงใกล้ๆเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำได้ประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อเราไม่เต็มที่เลยเวลามีค่ามาเวลาใช่ค่ะอยปล่อยให้มันผ่านไปมันน้าไฟอย่าไปเปิดทิ้งไว้ค่ะหลวงพ่อหนูหนูพยายามนึกถึงที่บอกว่าวันวันหนึ่งอะไรนะเวลามันล่วงไปผ่าไปผ่าาลังทำอะไรอยู่ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ ใจมันก็นึกถึงว่าเรากำลังเดินเข้าไปใกล้ความตายแล้วก็เวลาเราจะหมดอยู่อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็จะมีคิดคิดแบบ น, นี้ค่ะหลวงพ่อเราภาวนาหรือเปล่าเราจเจริญสติหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อ น, น, นั่งดูหนังฟังเพลงกิน น, ก น, นู่นกินนี่คือก็พยายามจะมีสติทุกอย่างค่ะหลวงพ่ อ, อพยายามเท่าที่เราจะทําได้ค่ะจะพยายามเก็บ ให้ได้เยอะที่สุดนะคะ่ะแล้วงพ่อคือคือตอนแรกอะที่ฟังครูบาอาจารย์บอกว่าทำจริงเห็นจริงเงนี้ยหลวงพ่อหนูก็ก็เห็นจริงตามที่ท่านบอกอะนะคะที่หลวงพ่อสอนอะไรเงนะะี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันยังมันเหมือนมันยังไม่ต่อเนื่องอะคะ่ะหลวงพ่อมันไม่ได้ไปแบบไปไปทางนี้ซะอย่างเดียวอย่างนี้นนะคะ่ะหลวงพ่อมันก็จะไม่ไม่ต่อเนื่องะคะเป็นรถไฟสับรางไปสับรางมา เดียเ<ช>อยู่รานนี้เดี๋ยวก็ไปรนนั้นใช่ค่ะ <c oughs> บางทีบางทีพอถึงเวลาที่เราเราอยากจะปฏิบัติอย่าเงี่ยแต่ว่ามันยังไปไม่ได้มันก็จะเริ่มเหมือนเหมือนเรามีกังวลว่าเออเราเราอยากจะเลิกตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราอยากจะไปหยุดเราอยากจะไปอยู่ในทางที่เราจะทําต่ออย่างเงี้ยมันมันก็ยังมีกังวลอยู่ค่ะคือเหมือนห่วงที่จะปฏิบัติด้วยแต่ว่างานมันก็ยังไม่จบอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ต้องใช้ปัญญาบอกว่า ถ้ายังไปไม่ได้ก็อยากไปอยากมันจะได้ไม่ต้องกังวลอยู่กับงานะที่เราต้องทำสิ่งกับที่เราต้องทำไปก่อนค่ะหลวงพ่อแต่ก็ไม่ให้ลืมว่าเราเราต้องไปทานี้ให้ได้ทั้วันเลยไม่ใช่ก็เลยค่ะ น, นี่เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเมษาเนี้ยหนูก็ตั้งท่าว่าหนูจะลางานแล้วก็จะไปไปที่วัดนะคิดว่าเขาน่าจะเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เ ด, เดี๋ยว ค่ะหลวงพอ่อวันนี้หนูมีเท่านี้ค่ะหลวงพอ่อสาธุาาธกับคาว่าคุณหลวงพ่อนะค ะ, อะโอเค ค, คุณดิษยาจากนาราธิวาสเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ ะ, ะเป็นยังไงมีคําถามไหมวันนี้หอ ว, วันนี้ไม่มีคําถามอะไรค่ ะ, ะไม่เคยที่ฟังรู้ยังไหมทุกเรื่องค่ะก็ได้ไ ด, ได้มีแรงบนันดาลใจจาก เิมผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะที่เขาบอกว่าเขานั่งสามชั่วโมงแล้วอุบเบกขาก็เลยได้ตติว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเรานั่งหนึ่งชั่วโมงคงไม่พอก็เพิ่มเพิ่มเป็นสองชั่วโมงเพิ่มเพิ่มเวลามากขึ้นค่ะเด็มากยิ่งดังได้นานเท่าไหร่นั้นอุบเบกขามันก็ยิ่งเพิ่มได<ง>้ไปเนี่ยเด็กมีอะไรเนะี่ไม่มีคําถามใน่ไหมนี้ ถามอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ ะ, ะ, ะ <laughs> คือเ อ, อจะถามพระอาจารย์ว่า เ, เราจะผิดไหมคะถ้าสมมุติเราเลือกที่จะฟังธรรมจากพระที่เป็นเพศนั่นหนึ่งเท่านั้นหรือว่าธรรมะจากพระอรหันต์เท่านั้นอย่างนี้ค่ะไม่ผิดหรอเหมือนกันเราจะเรียนอะไรเราต้อมาหาจะเรียนโรงเรียนที่เก่งที่สุดที่ดีเลยนะทั้งนั้นเขาถึงแยงสอบเท่ากันอ่ะสอบเป็นการทำไม มันก็อยากจะได้ความรู้จักหดังที่ดีที่สุดใช่ไหมที่ถูกที่สุดดังที่ถูกดีที่สุดถูกที่สุดก็ผ้าละภาษาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ก็เอาจากพระพุทธเจ้าพราตายไปดอกนี้ก็โอเคนะเป็นแต่ว่ามันมันอาจจะยากเพราะมันมันไม่มันเราต้องเหมือนกันเราต้องไปขุดคุ้นขายข้ขอบุญเองแต่ถ้าฟังจากกูบาจาในท่านเหมือนป้อนเราเอ่ะถ้าเราแต่ แต่เนื้อๆไปเลยพระาตรปิฎกเนี้พระพุเจ้าสอนหลายเรื่องในการระดับเพราะมีความเรียนเยอะหลายระดับเพื่อจะเราจะได้ความรู้ที่เราต้องการมาจะต้องขุดค้นหาอยู่พอสมควรแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจ <c oughs> ก็เอาสายพระไตรปิฎกเนี่แหละเป็นคําสอนของพระเจ้าไม่ผิดหรอกการเรีย น, นก็ต้องเรียนจากคนที่รู้ใช่ไหมไเรียนจากคนที่หลงมันก็พาเราหลงนะั่นแหล ตั้ค่ะโอเคนะค่ะโอเคค่ะโอเคขอบ ค, ค่ะมันจุดที่สามต่อชื่อแทมนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กอธรรมอะ่ะนราตการครับพระอาจารย์ใช่ครับทุกกองธรรมครับพระอาจารย์ครับ อ, อ่ช่วงนี้ค่อนข้างจะแย่เลยครับพระอาจารย์มันไม่ค่อยสงบลึกๆเหมือนเก่าครับก็ไม่มีสติเลย ใจปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆก็สงบยากครับในระหว่างวันนี้แบบมีเรื่องงานเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องให้ต้องทําหลายอย่างเท้าเวันเท้าวันหยู่เป็นเด็กวิ่งๆนะประชาระแบบนะ้ตาระแบบมันจะหมดมากมันรู้สึกแบบมันมันไม่สงบมันสงบแต่มันไม่ลึกเหมือนเดิมครับเหมือนตอนตอนนี้กลับมาจากการไปปฏิบัติไหมใช่ พตอะ น, นั้นแบบเข้าเร็วมากแลว้วก็สงบเร็วง่ายมากแตนน่ท่นชาติแบบพลังเยอะพลังสติเยอะครับงนี้ถึงเวลาต้องไปชาติแบบใหม่ต้องมายื่นไปขออนุญาตพระอาจารย์ขึ้นไปปิดวิเวอ อ, อีกรอบอหรครับเอไม่ต้องขอแล้วหรอไม่ติดต่อพระได้เลยานถ้าท่านทีวามทางการอนุญาตให้ถึงเวลาแล้วไปไประชาติแบบนั้น มันอยู่ที่ทํางานมันมันจะระเสติไม่ค่อยได้ต้องคิดเรื่องงานครับเนืองว่ามันต้องประชุมตลอดหลายอย่างมากมันก็เลยแบบไม่มีเวลาสลับกลับมาที่จะนิงน่งๆแบบโลง่ลงๆพุดโถพุทธโถ ค, ครับเราต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรนะเมว่าแบบหมดก็ต้องรีบไปชาติก่อนะครับใช่ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์เท่านีค้ครับครั บ, ค, รบคุณเก่ง คุณเอกปริกรนะครับคุณเอกปริศกรก็ทํารมะเหมือนกันใช่ไหมรครับรนมัสการครับอาจารย์ก็วันนี้ได้ยินไหมครับพอาจารย์ได้ยินชัดเจนวันนี้มีคําถามครับอาจารย์อ่าเรื่องอริยบทสี่ครับถ้าสมมุติว่าเราทําได้ถ้านอนอย่างเดียวเนี้ยพอดีเจอกับตัวเองมาครับพรอาจารย์พอดีขาได้รับอุบัติเหตุมาครับ แล้วก็ได้ท่าไหนก็ทําไปเป็นแต่ว่ า, านา่านอนมันสบายแต่่านอนมันไม่มันหลับทุกทีอ่ะก็ต้องยามรับสัตวภาพไปก่อนจริงถึงสอนว่ายอย่าประมาทอย่าละการดีดีดีกว่ามาใช้ประโยชน์เสียเนย้อนกลับเวลามันไม่สบายแล้วมันจะปฏิบัติได้ยากครับแล้วแล้วถ้าเราเจ็บป่วยเงี้ยเราเราก็อยู่กับมันไปเราไม่ได้ทุกใจก็ ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วต้องแยกแล้วต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้สังให้ร่างกายทําะไรเราเป็นนายร่างกายเป็นบาอืรก็แบดแบดก็เสื่อมเหมือนกันครับตอนนี้หลังจากขับมาก็ก็เหมือนกันก็ต้องไปชาติใหม่ชาติได้ครับทีนี้ระหว่างวันสมมติเราเรานั่งสมาธิไม่ได้เลยหลวง แล้วอย่างนี้เราไปฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแทนได้ได้ถ้าฟังเทพได้เลยพอจะช่วยได้แจะง่ายๆสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดวดสั้นๆในทีวีโซนสักสักหลายหลายจบก็ได้มาช่วยให้มีสติกลับคืนมาบ้างครับรู้เลยครับหลวงพ่ออยู่คนเดียวนี่มันสบายที่สุดจริง <c oughs> <c oughs> ครับก็ไม่มีคําถามนะครับค okay. ที่คุณกลายพื้นจากกายพื้นจากานามคอนแหง ไม่กลับไปริการแล้วนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเมาสเมาก็เดินทางไปครั้งหนึ่งครับอาจารย์ <ไป S 2> ที่วอชิงตันนั่นเอมนะเอ่อไปไปที่พ็อตแน็ตครับอาจารย์ลรแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งมาราทอนที่ที่บอสตันเลยครับบอสตันเลยไปเงเอาอินเตอร์เนะาบสมาลาราทอนระดับอินเตอร์นะ <c oughs> เป็นอันนั้นเป็นเป้าหมายที่สามปีที่แล้วอยากจะทําแล้วก็ทําสําเร็จครับอาจารย์เป็นวิ่งแค่สักไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกที่จะไปวิ่งได้อย่างเนี้ยครับต้ต้องขดครับโมโมานิดนึงแต่เขาเขาให้ใครที่ต้องการที่สมัครได้ทุกคนใช่ไหมต้องมีเกณฑ์ให้ผ่านใช่ปต้องวิ่งได้เวลาที่เขากําหนดครับอาจารย์ครับถึงจะไปได้ครับ ถ้าเราจะเอาที่ไหนไปยืนยันเแล้วนําในหลักฐานอะไรวะต้องไปวิ่งในสนามที่มาตรฐานครับเดี๋ยวผมก็ใช้เวลาที่บอร์ลินมลต์คอนดีไปสมัครครับครับอย่างอย่างสนามบ้านเราก็อย่างบางแสงก็ไปยื่นได้ครับยื่นได้นะครับเกออชผมผมใช้เวลาสามชั่วโมงสิบสี่นาทีครับอาจารย์นานสิบสี่นคนที่ชนะได้เขาถ่ายสองชั่วโมงกว่า ครับคนที่คนที่เป็นเอ่อพวกพวกระดับโลกก็สองชั่วโมงนิดๆครับอาจารย์อ่าห่น้อชั่วโมงนะนะโอครับเอ่อมาราธอนเขาให้มากที่สุดเ็ดชั่วโมงครับอาจารย์ใช่่ครับก่อนก่อนที่ผมจะคิดเนี่ยผมวิ่งได้สี่ชั่วโมงสิบห้าครับก็เช็ค ม, มาตบอีกก็ลดลงมาหนึ่งชั่วโมงครับครับเข้ามากันข้ามต่อ <laughs> อาจารย์ครับเอ่อการการจะ การจะฝึกสติยังไงให้ให้เขาถึง อ, อัปปนาสมาธิครับมันต้องต้องต่อเนื่องต้องสติตาอเนื่อเป็นสัมปชัญญะน่าจต้ม่เนอยเลยอ๋อต้อง เ, อเอองจเริญสติเกิดทั้งวันเลยอย่างเงี้ยจิตยุคในปัจจุบันไม่คิดนั่นนู้นนี่ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตมันก็ อ, อยู่คนเดียวต้องไปปฏิบัติติ็นพิเศษมันจะได้อัปปนาสมาธิ ออครับครับก็ต้องทำํำบ่อยๆทำํำทั้งนานอะไรเงี้ยทํามพระเขาต้องไปทุ่งดอกไม้เพราะอย่างเงี้ยเพราะมันทั้ต้องการสติที่อย่างที่ต่อเนื่องมาอยู่กับคนแล้มันต้องคิดทต้มาอะไรคุยกันมันกะไลยไม่ต่อเนืองอืมครับครับแล้วก็มีมีคนเคยบอกว่าอย่างอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ใช้ใช้โลกใบนี้เป็น เป็นเป็นโลกอะไรนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ก็มันต้องช่วงเวลาของพระพุทธเจ้าแต่ละพ่อมันเป็นกับกับนี่ถ้าบอกว่ามันเอาล้านร้อเอาล้านล้านมาคูนล้านล้านอย่างเงี้ยมันจะได้เหมือนกับแล้วโลกที่เราอยู่วันนี้มันจะมีอายุถึงขนาดนั้นหรือเป่าไม่ถึงหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องจบการแต่จิตมันไม่ได้จบไปกับโลกมันไม่จิตไปกับน่างกายจิตมันสามารถไปจิตที่ที่ไหนก็ได้ที่มีน่างกายของมนุษย์ นั้นนันก็อาจจะเป็นเป็นเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่อาจจะยุคที่ก้าวหน้ากับเราก็ได้หรยุคที่ล้าหลังกับเราก็ได้<ม>ใช่ไหมแล้ว<อ> <น fort. S 2> แต่ว่ามันเริ่มเริเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มต้ น, นในอะไรอย่างถ้าไปเจอยุคที่มันเริ่มต้นก็อาจจะเป็ น, นพวกไดโนเสาร์พวกถ้าไปอยู่ที่ยุคมันอยู่มันพัฒนามาเป็นหลายร้อยปีหลายพันปีนี่นก็อาจจะเป็นยุคที่อาจจะก้าวหน้ากับเราก็ได้ แต่มันก็เป็นโลกอยู่มันก็เป็นเรื่องของทางโลกนั่นแหะมันไม่มันไม่ได้ไปพัฒนาไปกับทางธรรมอาจจะอาจารย์ mm hmm. าามนุษย์อาจจะเหาะมีเครื่องเครื่องที่สามารถผูกกับแบ็คแพกได้แล้วก็ไปไหนมาไหนก็แทนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้เครื่องนี้พาไปบินไปเลยก็ได้แต่มันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกิเลยมันก็ยังเต็มอยู่ในหัวใจของมนุษย์แล้ว่าจะไปอยู่บนบนดาวดวงไหนก็ตาม ต้องมาลากิเรกันก็นามาคําสารพระพุทธเจ้าทุกทุกพระอยเหมือนกันในหน้าการกระทํามบาต ท, ทั้งวปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายถึงความชำะใจให้สะอาดริสุท น, นี่คือคําสารกับพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองพระพุทธเจ้ายืนยันเองพระอาารครับเออแล้วแล้วอย่างอิสราลที่เขามีภรรยายหลายๆคนเนี่ยถือว่าไม่ผิดแบบเมวีเนี่ย ถือว่าถ้าทางถ้าถ้าทางกฎแห่งกรรมนี้เขาผิดศีลผิดอะไรนีมครับรอาจารย์อ่าก็ทําให้การเพืส่งเสริมกรรมให้ให้มีให้ใหญ่โตมากขึ้นคนที่มีเมยียเดียวกับคนที่มีสีเ่เมียเนี่ยมันมันการของใครอยอะมากกว่ากันการมากคว่าฐ้องใครเยอะมากกว่ากันอืนนี้มีคนเดียวบางทีมันก็ต้องคอยควบ คอยภูมิใจไว้เนะบางทีมันเบื่ออย่งนี้มันจะไปมีคนที่สองคนที่สามก็มีไม่ได้แต่ถ้าเขาเป็นอีกศาสนาหนึ่งเขาเบื่อคนนี้เขาก็มีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ให้เปลี่ยนอยู่เลยเขาก็เลยเสียการมากกวคนที่มีคนเดียวแล้วแล้วอย่างนี้ เ, เขาเขาถือว่าต้องตกมาลบอะไรหรือเปล่าไม่หรอกถ้าอันนี้เป็นเรื่องของทําให้เขายัางต้องมาเกิด นอกจากว่าถ้าเขาไปไปไปไปผิดไปผิดตัวเพณงนี้ไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเนี่ยอันนั้นก็จะทำให้ขอกกายเป็นเดรัจฉานไปเหมือนหมาใหมามันไม่สนใจว่าเป็นเป็นลูกใครเมียใครผัวใครเวลามันจะเสบการ mm hmm. สัตว์มันไม่สนใจเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาที่อาจใครอยู่ใกล้มันก็เอาละ แต่ถ้าเป็นมนุษยก็รู้จักจห้ามว่าอันนี้ทําไม่ได้แนละ้วลูกเขาสามีเขาไม่ใช่เมียเราอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สามีเรากา็จะมีการยับยั้งการยํายั้งาการกระทำที่เป็นเดรัจฉานด้านก็จะทําให้เราไม่น้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานครับผมหมดคาถามแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณ สามีิด่ะสานตสามีเจออยู่ที่ไหนกลับมาราชารอาจารย์ครับเจอตลนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตลาดนำเพลครับทีตลาดนำเพอครับตลาดนำเอลตาน้เพลเนาะโอเคนี่ครับก็รายงานพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามอยาคำถามครับก็วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ลงมาจากเขาครับพญานครับ ตอนนี้มาอยู่ที่นี่สองเดือนก็ขึ้นไป6กครั้งแล้วนะครับรจา่ย์เออดีครับ6กครั้งแล้วก็ไละครั้งเนี่ยก็ที่ได้ไปครั้งที่ผ่านมาก็คือสองสองคืนต่อเนื่องกันมาแล้วครับแล้วก็ก็คือเวลาเข้าไปในเขตของเขาเนี่ยก็คือเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เก้าเดือนเลยครับพา่ยาครับเออก็ถือว่าเก็บความนิ่งตั้งแต่เริ่มเข้าครับผม แล้วก็ความกลัวตั้งแต่ที่เรียนอาจารย์ครั้งก่อนว่าที่เคยไปอยู่คืนแรกก็รู้สึกว่ามันหายไปเยอะเยอะมากครับ mm hmm. ตอนนี้ไปอยู่อ่าแทีที่สิบเอ็ดนี่ก็คือว่าสูงสุดของอีกฝั่งหนึ่งก็ความกลัวขนลุกขนพองนี่เห ม, ม่ไม่ไม่มีปรากฏครับอาจารย์ก็ทั้งมนาวันเดินตายคืนถึงว่าครับตรงนั้นสว่างอยู่ครับตรงนั้นว่าสูงแล้วก็ต้นไม้ไม่เยอะสูงสุดนี่ครับ การเที่ยวเที่ยวป่าตอนคืนดูอ่าเดินเดินไปตรงลงด้านล่างนี่ยังไม่ลงนะครับอาจากตอนคืนลงหรือพราะมืดสนิทกระจายไฟฉายได้ไฟฉายสับทางเลยคอือยังกลัวว่าสัตว์เขาเดินอยู่แต่ว่ากลัวว่าเขาตกใจเพราะว่าโซนไม่ต้ไปกลัวเขาหระกลัวเรามากกว่าเราอ้างเลยเขากลัวเขาตกใจเขาก็วิ่งหนีใช่เพราะวม เพาะว่าเขาตกใจแล้วเขาจะเขาจะมามาจะมาชนเราเลยจริงๆแล้วก็คืก็คือว่าถ้าอยู่ระแวกนั้นระแวกติดแค่ก็ไม่ไม่ถืออะไรมากแต่ถ้าลงไปตรงอื่นนี่ก็ยังถือว่าอิดมันยังผมมองว่ายั ง, ย, งยังกลัวอยู่ครับก็คืออยู่ระแวกนั้นไม่ความกลัวน้อยใช่ก็ต้องพัฒนาไงเมื่อมันมตรงที่ไม่กลัวแล้วก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวเพราะที่ไหนมันน่ากลัวมันจะทําให้เราต้องใช้สติมากขึ้น อ่าทีนี้อาจารย์ครับอ่าก็คือว่ามันผมไปเนี่ยเสาเสาตอนเที่ยงแล้วก็หนึ่งคืนสองคืนก็คือประมาณนั้นแล้วก็มันมีอยู่ช่วงนึครับอาจารย์ครับที่ผมนั่งประมาณน่าจะหลังเที่ยงคืนแล้วแหละทีนี้ผมลมมันหายครับยันแล้วก็ก็รู้สึกว่าอ่าเขาเรียกว่าแกล้งไหหายใจมันดังๆแต่ว่าลมก็ไม่ได้ยินผมต้องมือมาที่จอที่ที่ที่แขนเนี่ยว่าดูลมมันมีอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า ก็รู้ตัวทีนี้เพราะมันนั่ อ, นอยขยับตัวมันนังให้ปล่อยมันเฉยๆมันจับลมไม่ได้ก็มัเป็นไรให้รู้เฉยๆไปคือคือตอนนั้นช่วงนั้นน่ะเหมือนเสียงอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับเหมือนอใบไม้ร่วงนู่นนี่นก็คือตอนนี้ก็มามารู้แค่ว่าจิตมันคิดอะไรยังไงแบบไหนก็ค่อยๆนิ่งแล้วค่อยๆนิ่งแต่มีช่วงที่ผมรู้รู้สึกว่าลมหายผมก็เอาแขน ม, มาลองอยายาจะไปขยับแขนจะขยับแขน ม, มันดมกลับกลับไปเริ่มต้นไหม อือครับไม่รู้เฉยๆถึงว่าไม่มีลมก็ไม่เป็นไรไม่ตายถ้ามีตัวรู้อยูไม่ตายนั่เป็อ่าครับผมก็ก็นึกถึงอาจารย์เลยว่าถ้าเกิดจิตที่ผมเคยถามอาจารย์ว่าถ้าจาิตไม่เอาล่างนี่จะเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าถ้าเสือมาก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วตอนจิตยังไม่มีร่างมันก็อยู่ได้ตอนจิตนั้นก็เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นผีเวลาไม่มีร่างกายกับกับอืม อ่ทีนี้อาจารย์ครับเรื่องเวทนาเรื่องความเจ็บปวดของร่างกายครับเหือนเราอตอนนี้คือพูดง่ายก็ต้องต้องเจอเพราะว่าเราเราอยู่กับตรงนั้นค่อนข้างนานไม่ว่าจะปวดหลังเอออะไรเอยทีนี้แต่ว่าโอเคมันลุ่งช้ามันก็หายปกติอยังนึกถึงว่าเวทนาต่อยเกิดหนักหนไห น, หนแต่ว่าผมยังไม่ได้หนักครับถ้าผมทนไม่ไหวเนี่ยบางทีผมก็พิงหลังอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเวทนานหนักๆเนี่ยเราต้องอดกลัน้นอดทนจนพ้นหรือเปล่าอาจารย์ ก็ต้องผัดอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายสอนใจให้เราอยู่เฉยๆกับมันไปอย่าไปยุ่งกับมันด้วยการใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้อืมอย่านั่ง <rett temas S 1> เฉยอย่านั่งเฉยเวลาปวดเวลาร่างกายเจ็บปวดเราใจเราทรมารยก็ใช้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสื้อผ้ากายการทรมารของใจก็จะหายไปใจก็จะนิ่งเฉย อยู่กับอาการเจ็บปวดของร่าง ก, กายได้ครับอาจารย์ครับก็สองเดือนที่ผ่านมาก็คือต่อเนื่องมาค่อนข้างอาต่อเนื่องได้ดีะครับเพราะว<ด>่าแต่เพราะว่า<ด>เคยเคยบอกอาจารย์ว่าน่าจะอยู่อีกเดือนนึงครับอาจารย์น่าจะต้องกลับสุเกตมไม่เป็นไรก็ัปที่ไหนก็ปฏิบัติต่อได้นะครับครับก็ก็รู้สึกว่าที่นี่วิเวกมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มาเจออาจารย์แล้วก็มีโอกาสขอหลวงพี่ได้ขึ้นไป ได้มีโอกาสแบบใช้เวลาที่ที่คุ้มนะครับเพราะว่าสองเดือนนี้ก็ถือว่าผมได้ปฏิบัติค่อนข้างเยอะครับมันตามงานที่นี่เหรอผมมามาทํางานที่โอเชียนครับดินอเวสก็ไปวิ่งแล้วว่าท่าหรือแอเชียนออเชียนยอทครับออเชียนยอทตึกตึกสามสิบหัชั้นนะครับครับอ่าครับก็เสาก่อนก็เจอเจอพี่หมอด้วยแล้วก็ได้คุยกันพี่หมอก็ไปไปนั่งพร้อมกันวอนนั้นอืม ที่หมอครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่มีโอกาสได้อ่าเข้ามาใช้สถานที่ครับผมก็ยังเข้ามาในซูมได้นะเถึงว่าจะอยู่ที่ไหนก็เข้ามาได้มีอะไรก็เข้ามาถามได้นะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับโอเคนะที่คุณเกรดเกรดพันดิเกรดบันดินนดอยที่ไหนอ่าอยู่กรุงเทพครับแถวจอมทองครับการน้มันทการครับ มีคำถามไหมก็ก็ปฏิบัติต่อจากเที่อาจารย์สอนคาวที่แล้วครับก็สงบมากขึ้นครับแล้วก็อ่านข่าวคือช่วงนี้มันก็ยังมีข่าวแต่เราก็รู้สึกใครมาพูดแล้วเราก็รู้สึกเราก็ฟังแล้วก็ใจมันไม่มันก็ไม่ไปกับกับเรื่องขข่าวนั้นนะครับอย่าไปยินกับมันอย่าไปเสกมันก็ยังเฉยเฉยใช่ครับก็เดิงบอกเขาว่าเออมันก็เป็นกรรมของเขาอะครับแล้วก็ เจ้าที่ก็ทํางานไปเราก็มีงานเราก็มีเวลาที่ต้องปฏิบัติของเราก็าบอ ก, ออกเตือนเติอนเข้าไปมันไม่เกี่ยวกับเราสันหน่อยเราไม่อยู่ก็ยังเหมนดูมี<ด>คนฟุตบอ<ร>ลแล้วก็เชียร์ทีมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทีมคนนั้นทีมนี้ตัวเล่นนั้นตัวเล่นนี้ไปเมื่อก่อนก็ดูบอลครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันก็ไม่จะสนุกเหมือนเก่าครับรือว่ามันก็เฉย มันไม่เป็นประโยชนอะไรกับติตใจเราครั บ, รบก็ยังมองย้อนตัวเองว่าเออเมื่อก่อนเราก็ตลกดียวแบบเออเราก็ไปฮลท์เฮลทสนุกมีเชียร์บัฟทีมอื่นเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกเออมันเป็นดูมันเป็นเรื่องของมันมันร<ช>่างจาระไม่ ป, ประโยชน์ใอ่ใช่ประโยชน์ของใจคือความสงบดีกว่าเอามาทําใจสงบดีกว่าครับก็ เขาสึกว่าเออปฏิบัติยิ่งทำก็ยิ่งได้ครับก็อย่างตอนเย็นก็มีอุบัติเหตุที่บ้านนิดนึง ล, ลูกชายเท้าเข้าไปติดจัยานแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกเป็ น, ปนทุกข์ครับรู้สึกว่าเออเราก็มองว่าเออเราก็าหาทางแก้ไขแล้วก็ไปถมพยาบาลเขาไปรู้สึกเออมันสบายใจมากเลยครับอจยปล่อยวางได้บ้างไมันโครรุ่ขขงมากรุ่งรุ่งนี้เป็นหัแก้วหัวใหม่ของพ่อแม่นะ ทีนี้คําถามครับอาจารย์ถ้าสมมติเราอธิษฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอธิษฐานว่าชาติหน้าเราเราขอให้เราเราลึกชาติขอไม่ได้หรอกไม่ได้เลยใช่ต้องทําต้องทําถ้าอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นเทวดาก็ต้องทาบุญรักษาศีลถ้าอยากจะไปพรมก็ต้องนั่งสมาธิถ้าอยากจะเป็นท่ารละยะบุคคลก็ต้องเจริญวิปัสสนาค่ะมันเป็น มันมันเป็นสิ่งต้องต้องทําขอไม่ได้สิ่งต่างนี้เกิด <Okay. S 2> จากการกระทาของเราแล้วอย่างคนที่เอ่อทำบุญและอธิษฐานเนี่ยมันจะได้สําเร็จไหมครับก็อยู่ที่ว่าทํำมากทาน้อยถ้า <Okay. S 2> ทําครบร้อยมันก็สําเร็จทั้งนั้นเลยถ้าท <Okay. S 2> ําไม่ครบร้อยมันก็ไม่สําเร็จครับเหมือนด่างน้ำเขาเต็มตุ่มน่ะถ้าคนคนตัดขันเดียวแล้วคนขออธิษฐานด่าน้ำมันเต็มมันจะเต็มไหมของมันเองไ้ย ครับใช่ไหมไมันต้องตักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็ ม, มครับที่คำถามของอาจารย์ดีว่าเห็นเอ่อธรรมะบนเขากับเห็นเอ่อโยมโยมไปฟังธรรมแล้วไม่ได้ใส่แม้นี่คือเป็นข้อกําหนดของที่วัดหรือเปล่าครับ อ, อ๋อนี่เป็นเทปเป็ น, ปนของมันเทปของเก่าก่อนก่อนที่จะมี<อ>โควิดตั้แต่ในโควิดเนี่ยไม่ไมันด้ราสดว่างเช้าเลย พ่ okay. อ, อครับผมก็รู้ว่ า, าสดเป็นยังเป็นห่วงอาจารย์อยู่ครับเอ่าไม่เป็นไรแล้ววันนี้ตอนนี้เาสดนจงๆนะสดอยู่ว่าอยู่ในโซนนี่อยู่คนละที่กันไม่ต้องสายนาจะได้ อ, อแต่ที่เห็นที่เห็นบนข่าวนั้นมันเป็นของที่เขาบันทึกไว้แล้วเอามาทน ส, สดใหบ่ที่ต้องทําสดใหม่เพราะมันจะได้เตือนเดินคนว่ากําลังมีสดถ้าไม่ไม่ถ้าโพสธรรมดาที่เฉย น, นี่มันจะไม่มีเตือน แล้วเราก็ใช้ใช้ใช้ใช้อุบายการส่งนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาฟังธรรมแ้วนะอะอย่างงี้นะแต่ก็เขี ย, ยนไวน้บนบนบนบ น, นที่พโอยต์บอกว่าเป็นมัลเท็กเป็นการเป็นการบันเทึกเสียงของวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ทดลองสังเกตสจะมีเขียนได้ข้างบนปกติก็เหมันจะเปิดแล้วก็ฟังไปด้วยทํา ง, งานไปด้วยครับอาจารย์เออแต่มันก็เหมือนกันอะ มามันเหมือ น, นก็มีแค่เนี้ยวนไปเวียนมาพูดเ ร, เรื่องเดียววันนี้ตลอดเวลาแล้วมันก็เหมือนสดเนี้ยครับไม่มีคำถามแล้วอาจารย์จะปฏิบัติต่อไปครับขออน้ญาตอ่านกับอาจารย์แข็งแรงครับะสะาธตคุณปางวันไรจากสีร a ชา a มัสรเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคแม่ชี หน้าปะพายหน้าปะพันยมาไปอ่าเปิดใหม่อยู่งซ้ายข้างหน้าโอเคทีไม่มีคาถามเจ้าค่ะเข้ามากับหลวงปู่้วเจ้าค่ะโอเคหว่สบายดีนะเจ้าคะอ่าสบายดีนียตอนนี้เไปรูต่อเนไปรูปอยู่ที่ไหน ครับนมัสการท่านอาจารย์ครับผมผมอยู่กรุงเทพครับพุทธมณฑลสายสองครับผมเข้ามามเป็นครั้งที่สองครับผมก็กระท๊บช่วงนี้ก็ ย, ยังปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นสม่ำเสมอทุกวันครับก <laughs> ็บ <laughs> สวนอิติปิโสตามที่อาจารย์เคยเค ย, เคยแนะนำในในไ ม, ไม่ไได้แนะนำผมได้ตรงรนะฮะแต่ว่าแนะนำ ในในที่ฟั่งที่ฝั่งเทศเนี่ยนะก็สวดทุกวันนะครับสี่สิบห้าจบเมื่อกี้ก็สวดจบคดีมีเรียบร้อยตอนนี้ผมผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำการเจริญวิปัสสนาอาจารย์เนรอาจารย์เมตตาตอบในเรื่องของการที่เราจะทำา ต, ตัวในส่วนของ วิปัสนาเนี่ยเราจะเป็นต้องไปเรียนพิริยต์มาเพื่อที่จะให้ประกอบในการที่เราจะทําวิปัสนาใช่ไหมนะครับราจก็เรียนนิดเดียวนะให้รู้ว่าวิปัสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของธรรมชาติทั้งปกวกที่จิตใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายนี้ทัพสมบัติเข้าของเงินทองนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นผิดเราไปเห็นว่ามันเป็นจิตจังสุขขังหลัดตา เราต้องมาพลี่ายมาเห็นครับจริว่าเป็นอปในจังทุกขังอนัตตาแล้วนี่ด้วยการสอนใจว่ามันไม่เที่ยง ม, มีเกิดมีดับรามดุจสัจนะสูงสุดนี่เกิดนับขั้ดับมีการเปลี่ยนไปเปลีนมาสนับไปมาเห็นเหมือนเหมือนกับหุ้นเห็นไหมชัวร์ไห ม, ไ ห, มหุ้นตกพุ้นขึ้นพุ้นขึ้นทีก็รวยขึ้นมาใช่ไหมครับพอหุ้นตกก็จนลงไปแต่นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ เป็นภาวะมันธรรมชาติเหมือนยเหมือนฝนตกแดดออกเราไปบักคับมันไม่ได้พระอาจารย์ครับถ้า <ผม S 2> เรามไม่อยากทุกเราก็อยากไปอยากไปยึดอยากไปหวังอะไรจับมัน ค, คือคือบางทีเราเราเราพิจารณาอันนี้อันนี้จังทุกขังอนาตตาบางทีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบางทีเราไปติดในสัญญาว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ ทำไงถึงเราจะไปพิจารณาแล้วเกิดเป็นเห็นแบบอตามความเป็นจริงครับอาจารย์ก็ถ้าเราเหตุการจริงมาเปรียบเทียบแต่เมื่จะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ของเราก็เหนบนสไตล์เนี้ยล้วก็มาเปรียบเทียบได้ต่อไปร่างกายเราแล้วว่เป็นอย่างนันไม่ใช่คใช่ไหมเวลาเจ็บก็ไปเยี่ยมคนคนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วนึกถือว่าต่อไปก็เป็นคิวเรานะครับ มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะเจ้าบอกให้น้องเข้ามาอบัญญะอบัญญะอีโก้ให้น้องเชื่อใจที่เราเห็นให้น้องเข้ามาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ครับก็คือพยายามหาตัวอย่างที่เป็นคจริงอะไรอย่าง น, <ๆ>นี้ที่มเจอนางพิจารณาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเราตัวเราต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้เรา เห็นความจริงของตัวเรามากขึ้นในสถัยที่เราตอนข้งหน้าที่เราเห็นศพเนี่ยก็ตอนนั้นก็อายุแค่สิบสองสิบสามปีก็เพื่อนตกน้ำํำเราเอาตาวิเคริะห์เหมือนกันเขาจัด พ, ธพิธีคพิธิแล้วก็แต่งหน้าพระแต่งตัวให้สวยงามใส่ไว้ในโลงเวลาไปแสดงความไว้อะไรเขาก็เปิดแล้วลงให้ดูให้ไปแสดงข่าวว่า เพราะอะไรเห็นแล้วก็บอกเฮ้ i, ต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วต่อไปคนที่เราหนักคนที่เรารู้จักเกี่ยวข้องแม้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะรู้จากไปอ่มันต้องคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะยอมรับความจริงได้ในเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะเฉยได้ไม่เศร้าโศกเสีสยใจไม่ถามว่าทําไมทําไมทําไมต้องตายอย่างนี้ถ้า <c oughs> มันต้องตายเนะี่ยแล้วมันมีทําไมเนยไม่มีทำไ ม, นะไ ม, ม, เ, มเกิดมาแล้วมันก็ต้องตาย ผู้เจ้าสอนให้พิจารณาเมื่อเกิดแ ล, แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดานงนงงวนความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้คิดอย่างนี้ไปทีบ่บ่อยๆต่อไปมันก็เป็นจริงทำไมัครบที่มันที่มันไม่จริงเพราะเราลืมเนยพระเราไม่คิดแล้วเราลืมแล้วที่มันเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าจารย์ครับมีมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเอเอ ข้อธรรมที่เรื่องเอปฏิจจสมุปบาทไม่ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้มีอธิบายอะไรไว้ในในในคลิปตรงไหน <c oughs> เพิ่มไหมะไอันนี้มันเป็นธรรมขั้นสูงนะที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้แต่รู้ก็รู้ก็ทําอะไรไม่ได้คือมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผังการทํางานของกิเลส น, นั่นเองคืออวิชชาอวิชชาคือเป็นเป็นหน้าเ้าของกิเลสเนี่ย อภิชาคือความหลงความไม่รู้ความจริงว่าความสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นหลงที่ว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกยิเลสก็เลยคิดไปหาหาหารูปเสียง ก, ยกิเรสโดยส่งให้วิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้ก็จะได้รับรูปเสียงกิเลสเข้ามาเสกเกิดพอพอรูปเสียงกินรสมาสัมผัส ก, กับตาหูจมูกลิ้นกายก็เกิดความรู้สึก ข, ขึ้นเกิดวา่าอารมณ์เสกสุ ข, สข ไม่สุดนะแต่ว่าเป็นรูปที่เราชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่สุดถ้าชอบก็สุดแล้วก็เลือกเลือกเอาแต่ของที่เราชอบเราเกิดตั้หาความอยากอยากได้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็ยึไม่อยากได้นะมันง่ายทาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดอุปทานความอยากจะให้มันได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วได้ก็ยึดจับมันให้มันอยู่กับเราไปตลอด แล้วพอร่างกายนี้ตาไก็ไปหาร่างกายมาทำหน้าที่ต่ อ, อถ้ามันอยากจะไปเกิดก็ต้องหยุดความอย่างที่จะหาคามสุบจากลูกเสียงกินเล่ต่างๆนี่ น, นี่เิดปฏิจจสามุปบาทเป็นเหมือนผแผนผังของการทำงานของกิเลสในการยึดจิตวิญาให้มาติดอยู่กับการเงินว่าตายเกิดในตายคบนี่อ า, ายครบ ขออีกอีกเรื่องหนึ่งครับผมผมมีความคิดในเรื่องของการการเกิดพบเกิดชาติเนี่ยมันนอกจากว่าการการเกิดการจากการที่ว่าร่างกายอันนี้เราเราเสื่อมสภาพแล้วล่าตายไปจิตก็ไปส่วนที่ไปไปไปในสู่ที่การการหม่ครับอาจจะไปอยู่ที่กายใหม่เลยนะครับแล้วมันเป็นการเกิดลักษณะว่าการเกิด เกิดดับในในในขณะที่เราที่ยังยังไม่ตายอันนี้มันมันเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่าคือคือหมายถึงว่าการอยากพอพอเกิดอยากปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเนี่นี่เป็นตัวเราอันนี้เป็นของเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการลาาาักษณะเกิดเกิดพบกับชาติลักษณะเดียวกันนะครับไม่หรออันนี้เป็นการเกิดเพียงแต่เป็นการความสังขารความคิดปรุงแต่งนั่นเกิดดับคิดแล้วก็หยุดอยู่แล้วก็คิดไปนั่นเอง บทคำถามแับกลับนมัส ก, การขอบพระคุณมาก <Okay. S 1> านคนรับอาจารย์่ท่านคุณรจากระยองอค่ะกับน้ำมศการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ ะ, <Okay. S 1> คะโอเคค่ะเที่ ค, คุณตายเช่อคุณตายอนิสาากนาเกลัทยาครัอาจารย์น้องกลับค่ะก็ออวันนี้เข้าฝั่งช้านิดนึงค่ะแต่ก็ มาฟังว่าอาจารย์แต่ก็ยังไม่มีคําถามอะไรคะ่ะอ่าก็พากันไปเรื่อยๆนะค่ะโอเคคุณทยาทใช่คุณทยาต่ออยู่ที่ไหนวัดการครับอือยู่ที่ไหนคุณทยาทอ่าตอนนี้อยู่ที่มหาสารคามครับแต่จริองอยู่กรุงเทพม า, มาทํางานต่าังหวัดครับโอเคมีคําถามเลยรไหมครับคําถามของผมนะฮะก็คือ อในระหว่างข้าวเหนานั่งสมาธิเนี่ยนะครับแล้วผมก็เปิดซีดีเทปธรรมะไปด้วยเนี่ยสมควรทำไหมครับถ้าเรานั่งให้ไม่ได้ต้องอาศัยพอดีฟังไปก่อนก็ได้บางทีถ้านั่งดูลมไม่ได้ก็ เ, decir, มมเปิดเทปธรรมะฟังไปก่อนเพื่อก่องใจให้มันสงบลมในระดับหนึ่งก่อนเขา บ, บอกว่าพอดูลมได้แล้วก็ปิดเทปแล้วก็ดูลมต่อไปสาหรับ <ข wrong S 2> ผมผมดูลมได้ครับท่านอาจารย์ อยาัก็ไม่ต้องฝังไม่ต้องไปเลยครับก็คำถามมีคำถามหนึ่งนะครับผมเป็นคนชอบเดินออกกำลังกายเดินประมาณวันละหมื่นเก้าติดต่อกันคำถามของผมก็คือเวลาผมเดินเนี่ยผมควรจะเอาความรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าผมหรือว่าควรจะพุโทโธพุโทโธไปครับได้ทั้งสองอย่างจะดูเท้าก็ได้จะเท้าพุโทโธไปก็ได้ ถ้านั้นสองอย่างพรอมกันได้ไหมครับได้ด้วยุณถ้าคุณนับคุณก็ใช้นับแทนพุทโธก็ได้ครับผมครับผมเป้าหมายคือเป้าหมายคือแมใจเราไปคิดเรื่องต่างๆใช่ครับผมครับผมสองคำถามเนี่ยครับในทางปฏิบัติที่ยังติดขัดอยู่สงสัยกันสองคำถามขอบคุณครับคุณทีมไทยแลนด์เชินอยู่ที่ไหน อยู่มุมซ้ายหล่างของกล้องของขจอนะอยู่ชมบรีค่ะนะมีอะไรไหมเอ่อไม่มีค่ะขอบคุณค่ะหนูเพิ่งครั้งแรกที่มาฟังก็อยากจะรู้ว่าเอ่อพระอาจารย์สอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่เคยฟังโอเคไม่เข้าใจไหมทำรู้เรื่องไหมเอ่อ ติดมาต่อค่ะเพราะก็คือไม่ได้มีพื้นฐานเลยใช่ค่ะฟังไม่ได้เรื่องงั้นแต่ว่าจะเข้าใจมากขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะรู้สึกท่านที่เปิดกล้องว่าเป็นเพจนท่านี้นะตรงนั้นก็ไม่ได้เปิดกล้องก็ไม่เปิดกล้องแสดงว่าไม่ต้องการที่จะถามจะพูดนะเห็นกันว่าหามาแล้วเปิดกล้องคุณสุอะไรคุณตัก ต, ตาเนื เงนเสีม <pulse. S 2> ันได้ปไหมชื่ออะไรนะตัดทาตาตทาตาเก้าถึงแปดกดกดอันนี้ได้เลยฮะกล่าวนมัสการครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่โตเกียวค่ะอยู่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะเคยเข้ามาแล้วนี่นะเคยเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าค่ะตอนนั้นเข้ามาแล้วไม่ทราบว่าต้องทำยังไงค่ะพระอาจารย์ก็เลย ทีนี้ก็เลยเข้าไปอ่านในในไลฟ์ของของเฟซบุ๊กก็เลยเพิ่งทราบว่าไม่ไม่สามารถยกมือได้นะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากค่ะครั้งที่แล้ว ค, คือโยมแบบ ค, คังขาจามนก็นั่งสมาธีค่ะมีคำถามเลยนะวันนี้มีมีคำถามมากมายค่ะแต่ว่าอเอาเลยมาเลยแต่แต่ <laughs> ก็คือโยมเพิ่งเพิ่งมา เปฏิบัติก็คือมานั่งสมาธิก็คือตื่นมาทุกเช้าอะค่ะก็คือมีเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแต่ว่าแต่แต่จิตของโยมก็คือเหมือนจะไปทางสายวัดป่ามากกว่าะค่ะเหมือนกับเหมือนกับพอพอพ อ, พอศึกษาธรรมะโดยการฟังนะจ๊ะค่ะโยมรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกแต่ก็มันมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกแบบว่าไปฟังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ทีนี้ก็เลยมามามารู้มารู้ได้ว่าเหมือนฟังมาแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเจ้าค่ะก็เลยมารู้ว่าสุดท้ายก็คือจะต้องตอนนี้ก็คือต้องทำหน้าที่ทางโลกไปก่อนแล้วก็กยมยมตามพระอาจารย์มาหลายปีแล้วก็ฟังธรรมาของพระอาจารย์คือวันนี้รู้สึกปิติมากค่ะที่ได้ ได้พระอาจารย์ทักมาเล้วค่ะก็เลยนึกคำถามไม่ออกค่ะงั้นเดี๋ยวไปก่อนนั่นเดี๋ยวนั่นึกได้เมื่อไหร่แล้วไปถามนะได้เจ้ค่ะโอเคนะสาธทูค่ ะ, คะคจะเข้ามาฟังเรื่อยๆค่ะสาธทูค่ะมานะเชญมานะมานะอยู่ที่ไหนอุทมนทนสายหนึ่งครับมีคำถามไหมผมอยากขอคำแนะนำว่า เดาวผมจะบทพระอะครับผมฟอนไปปฏิบัติธรรมศึกษาที่ไหนวัดไหนดีครับก็วัดไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราจะชอบเรารู้จักวัดไหนแล้วเราเขาสอนเราให้ปฏิในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ไปวัด น, นั้นก็ได้หรือท oh. ําไม่รู้วัดไหนก็ลองค้นหาดูในในอินเทอร์เน็ตก็ได้วัดปฏิบัติธรรมในที่ไหนบ้างาที่ใกล้บ้านเราหรืองไงก็ใส่เข้าไป อ๋อครับได้แต่คือวัดมันมีเยอะแยะมันบางทีก็ต้องต้องในการรีเสิร์ชต้องในการค้นควา้างเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าดังน้นก็ต้องต้องลองค้นหาดูว่าวัดปฏิบัติมีที่ไหนบ้างที่ใกล้บ้านเรามีใกล้เคียงมีอะไรบ้างวัดไหนบ้างแล้วก็ลองไปดูว่าเขาทำอะไรอย่างไร ถ, ถูกกับจริตเราไหมถูกใจเราไมอะไรของเราเนี้ยอ๋อครับไนดะ้ขอบคุณครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมได้ครับกรุงเทพก็เราคนร้นดูว่าวัดใกล้กรุงเทพมีวัดปฏิบัติบ้างไหมได้ครับอาจารย์โอเคคนคุณแพทย์หกนะอาจารย์แพทย์หก ผมอยู่ด้านซ้ายด้านั่างมุมท้ายอ่นนิอนิโอเคครับกับน้ำส ก, การครับพานุวัตรครับอยู่กรุงเทพครับมีคำถามเลยไหมครับก็ไม่จริงจริงก็ไม่ได้มีอะไรแต่มีในใจนิดนึงครับผมก็ทราบว่าการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งที่ไหนก็ได้นะครับ แต่ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย เ, เวลาผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไปทำงานต่างจังหวัดไปนั่งที่โบสเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีสติมากกว่านะครับแต่พอหลังๆเนี่ยไปโบสถตอนเช้าก่อนไปทำงานเนี่ยมันก็จะเสียเวลาก็อาจจะนั่งที่บ้านอย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่ามันอุปทานไปหรือเปล่าไม่หรอกมันที่ไหนก็ได้ แต่หลายที่มันก็มีมีมีผลต่างกันที่มันก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นบางที่ก็มีสติน้อยลงบางที่ก็มีเรื่องกวนใจเอะมีเสียงมีอะไรทลุกคลาดอะไรงั้นโดยหลักก็คือให้ไปหาที่ที่มันเงียบสงบถ้าไม่ได้ก็เอาที่ที่ที่ที่มันจะมีให้เรานั่งคือนั่งดีกว่าไม่นั่งก็แล้วกัน มีเท่านียนะครับอาจารย์ครับโอเคคนจารินทายค่ะวันนี้เจอนะกันอีกครั้งเลยนะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแมรี่ลนด์ค่ะวันนี้เอ่อโยมไม่ได้มีคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ว่าโยมแค่มีข้อข้องใจนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์เรื่องการใส่สร้อยพระอะคา่ะเอ่อเหมือนแต่ก่อนโยมก็ใส่สร้อยพระอะคา่ะแต่<ม>แต่หลังจากปฏิบัติมาแล้วโยมก็เชื่อว่า การที่ปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะทําให้จิตเราเนี่ยมันสามารถที่จะปกป้องสิ่งที่ไม่ดีภายนอกได้แต่คราวนี้โยมมีคําถามนิดนึงอะค่ะว่าเอมไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อในพุทธคุณในการใส่สร้อยพราแต่แต่เนื่องจากโย ม, มอยู่ต่างประเทศแล้ว <c ười> คําถามก็คือว่าถ้าเจอผีผีต่างประเทศ <c ười> มันจะมันจะกลัวพระพุทธประธรรมมาสองข้างบ้างไหม ไม่มีเราผีมันอยู่ในใจแล้วเราเจนเนอเรมันออกมาขึ้นมาท่านเเหมือนเหมือนโยมเคยไปเคยไปเช่าบ้านพี่คนไทยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นที่ที่ไม่ดีอะค่ะก็จะไปฝันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยทุกวันเลยเป็นเวลาเจ็ดวันคนนี้โยมจิตเราปรุงแตไปไม่มีใช่ไหมครับไม่มีหรอกจิตมันแต่งเอแล้วสิ่งที่เราให้เขาก็ป้องกันอะไรไม่ได้ อย่างนี้คนเอ่อคนที่เขาไม่ได้นับถืออย่างคนต่างชาติที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาเราอย่างงี้ค่ะเราความจริงมันเราอคนต้องชาติต้องศาสนากลัวผีอะไรน่และแล้วแล้วเราจะเอาอะไรเป็นการป้องกันเขาอ่ะพุทโธง่ายใช่มุทโตเลยใช้สติใช้สติบ๊ายเขาใช้สติให้เขาท่องอะไรไว้เขาเขาเชื่ออะไรเขาท่องนัถ้าเขาเชื่อว่าเยซูเขาทํางเยซูเยซูไปก็ได้ เมื่อเขาเข้าใจหนูแล้วค่ะเขไม่เข้าใจหนูแล้วเไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสอนก็จบไปได้ค่ะมันก็มีแค่นค่ะพระอาจารย์คือโยมก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้โยมไม่ได้ใส่พระแล้วเพราะว่าโยมเชื่อว่าการปฏิบัติจะปกป้องเรามากกว่าแต่ใช่ด้วยมีหลักผีนี่ผีที่หลอกนี่เราสร้างมันขึ้นมาหลอกตัวเราเองค่ผีจริงไม่หลอกผีผีจริงก็คือดวงวิญญาณของคนตายแล้วเราว่าไปเกิดไป ฝุดไปตามพบตามชาติของเขาแล้วเขไม่มาเสียเวลามาหลอกเรางั้นยงก็คิดไปเองครับคิดเองงั้นนะอาจารย์เบวนมาที่ก็สี่สิกว่าปีกไม่เคยเจอผีจริงๆเจอแต่ผีที่เนาคขึ้นมาพนคิดขึ้นมาปั๊บมาเลยมาในใจนะอแล้วอะเราก็เป็นผีฝลั่งยงก็เลยไม่รู้จัก <c oughs> <c oughs> ไม่มีหลัดวงวิญญาณไม่มี มันไม่มีเชื่อชาติเราเป็นฝรังงเราเป็นไทยเป็นจีนอ่อค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะของของย่อมก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ขอบ <Okay. S 2> พระคุณค่ะี่ไปที่คนสภัตราอ้าคุณป่้ยก่อนคุณปุ้ยสบายเกิดจะข้ามไปแล้วคนสำคัญคนสําคัญจับนมันสการค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงครับสบายค่บตอนนี้แดดออกค่ะค่ะ แล้วกออ็อากาศดี 7-8 องศาค่ะดีพร่นี้คุณคุยหยุดมีฮอลิเดย์ถึงวัน ท, ที่20เลยและคุ้ยกะว่าจะตั้งใจถือส<ม>ินแปดแต่ยังไม่รู้กี่วัน3วันหรือว่ายัางไงเดี๋ยวดูแต่ว่า3วันต้องชัวร์วอยู่แล้วค่ะค น, คนในรักสมบนี้เขามีการเคลื่อนไหวเกี่ยกวกับยูเพรนบ้างห่า เออใช่ค่ะเขามีปะท้วงเขามีอะไรกันค่ะแต่เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาจริงจรเขาก็ขอความช่วยเหลือมาแล้วเขาแต่ว่าตอนนี้เริ่มจา ก, กวนเสาเป็นต้นไปคือว่าไอ้โควิดมันหยุดแล้วไม่มีการสวมหน้ากากไม่มีการวัคซีนไม่มีการเทสมีอะไรและ้ะอ่าเปว้างแล้วนะวเปิดหมดแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่รู้สึกจะมีูวีเดนแล้วก็จะมีรักเสมอแต่เจอมันยังเงข่งคันอยู่แล้วก็เออ ฝรั่งเศสก็จะตามมาแต่เขาไม่บอกจํานวนคนติดเชื้อทุกวันนะมีเท่าไหร่เขาบอกนะเขาบอกคนติดคนติดก็ติดเยอะจะตายมันตายไม่เยอะมันตายเยออย่างเมื่อวานก็ศูนคนอย่างเงี้ยค่ะอืมที่ก็เลยไม่กลัวแนะติดกก็ติดไปติ็กก็กินยาอยู่บ้านไปใช่มันก็เหมือนไอ้ที่วัดอะไรค่ะเราต้องกัดตัวไหมถ้าเกิดเราติดเราต้องกัดตัวห้าวันอะไรกัดไม่ได้ ก็เขาก็ให้อยู่บ้านผมให้อยู่บ้านประมาณสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะแล้วก็กินยายาอะไ ร, ะไรยากยาพระราชเซตามอลก็ม่มียาอะไรยาเสพ ต, ต้อยาพระราเซตามอลก็เหม้อนรอก่อนจังนะรักษ<บ>าใช่ค่ะใช่ใช่ไม่แบบเราก็ไม่ไปวอลลิสอะไรกับมั น, นเราอ่ะเดี๋ยวจะปฏิบัติทำแล้วขอกำลังร้อมรังหน้อยกัน อ่าขอแควงกรารปลอดภัยอยุอยืน ย, ย, ยาวนานสัขภาพแข็งแรงสวยไม่สางวัน ไ, ไม่รึ้เลยแต่ถือขอโชคขอลาบด้วยพระ อ, ะอะาจารย์ค่ะแต่จมไวจุยทุกมวยแต่ถือยมยมลืมรายงานตัวค่ะคะวะ่ายมอ่ะปฏิบัตมิมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยมทำดีขึ้นยมตื่นได้นะ้2ีสอง ก่อนปีสองเลยยมก็มานั่งนั่งได้ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงยมทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบออโตเมติกแล้วรู้สึกดีค่ะดีมากรู้สึกเรารู้สึกเราไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครอย่างเงี้ยใครมาเล่นเราโกรธใครเราไม่รู้สึกแล้วดีมากดีมากแต่ถ้าถามว่าเห็นอะไรไหมไม่ต้องเห็นอะไรเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เห็นกิเลสก็พอให้เห็นโลกโกรธน้องก็ได้ค่ะใช้ค่ะนะฮะยมก็กล่าว่ามีคําถามจะถามแต่พอดีว่า เห็นพี่ๆเขาถามน้องๆเขาถามก็เลยเออคุณถามเดียวกันนี้เพราะบางทีมันก็จะมันก็สงบแต่บางทีมันก็จะไม่สงบค่ะโอเคงานทันตกรรมนะขอขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเชิญกันวันอาทิตย์นะคะขอบพระคุณนะคะเจอกันที่ไหนวันาที่น์กตะวีก็นกตะวีไงคะขอบพระคุณค่ะ คุณสภาตราจาก Dallas, Texas. ดาร์ลัสเท็กซสตามนักมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้คุณพ่อมีคําถามฝากมาเจ้าค่ะอ่าใช่อ่า จะอ่านตามที่เขาเขียนมานะเจ้าค่ะถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวลูกขยายความมาแลค่ะเขาเขียนมาว่าการตายก่อนที่จิตจะทิ้งร่างหรือจิตทิ้งร่างนี้ก่อนที่กายตายแล้วค่ะจิตต้องรอให้ร่างกายตายไปก่อนทิงยาจะทิ้งร่างได้ถ้าร่างกายยังไม่ตายจิตก็ยังติดกับร่างกายเลยก็หมายความว่าจิตเออ่ เขาเขาถามลูกเหม่เขาถามว่าเหมือนว่าเป็นเป็นไปนได้ไหมที่จิตจะตายก่อนที่กายจะตายอ่ะเจ้าคะ่ะจิตไม่มีวันตายจิตเพียงแต่ disconnect นันจากร่างกายเวลานั่งกายไม่ทาํางานนะแล้วพระอาจารย์ชขยายความว่าถ้าสมมุติว่าขณะตายนี่จิตจะมีสภาวะเป็นยังไงเจ้าค่ะมีคนนอนหลับเหมือนคนนอนจิตก็ยังทํางานต่อฝันต่อไง ฝันดีฝัไม่ดีอะไรไปฝันดีก็เรียกว่าไปสวรรค์อยู่ได้ยังไงสวรรค์ฝันไม่ดีก็คืออยู่ใน ร, รนในบายนึกกล่าวจะไปลืมตาเมื่อได้น่างกายใหม่ใช่ไหมก็ตื่นขึ้นมาใหม่นี่คือคือจิตที่กําลังได้จะที่กายที่ตายทีตยตย่ตายไปแล้วเหมือนคนนอนหลับแล้วเวลาได้นั่งกาย่ะก็เหมือนเตือนออกคลอดคลอดอามาจากข้างหน้าก็ตื่นขึ้นมาใหม่อืม เ, เ, เ, เดิด้วยร่างกายใหมร่างกายเก่ามันท่อไปเผาทิ้งหมดแอ้วเจ้าค่ะทีนี้คําถามของลูกพอดีเล่นเ อ, อลูกมีโอกาสได้คุยกับตัวคุยแล้วพี่สาวแล้วทีนี้ก็เลยมีนึกขึ้นมาได้ว่าเออเป็นไปได้ไหมที่เวลาเราเกิดสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วเพอเอเราปลอดภัยจากสถานการณ์นั้นเป็นเพราะเป็นเพราะแบบมีเทวดามีอะไรแบบคุ้มครองทําให้เราปลอดภัย เหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้ไหมเจ้าคะือถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปกังวลแห่รู้อย่าแชร์ว่ายังไม่ถึงเวลาตายก็แล้วกันแล้วค่ะพอถึงเวลาตายต่อให้มีธรรมดาดคุ้คมครอง่าคุ้มครองไม่ได้ใช่อือแล้วค่ะอเหมือนกกนอนย่าไปกังวลว่ามีใครมาคมุม้มครองเราหรือเปล่านา้อยู่ต้งว่านายยังไม่ตายก็ถือว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วกัน แล้วค่ะเหมือนลูกคิดเสมอตามเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนว่าคนเราเกิดมาจะมีลูกระเบิดติดตัวอยู่ในตัวคืออยู่แต่ว่าจะระเบิดวันไหนแค่นั้นเองนะคะอ่าค่ะ อ, า อ, อะะ่าค่ะงั้นลูกก็คิดตามนี้ไปเรื่อยๆจะได้พอคิดแบบนี้แล้วใจมันมีความสุขเจ้าค่ะว่า<ม>เออเดี๋ยวมันระเบิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันระเบิดมันก็นกคงต้องเป็นแบบนั้นถ้าเปสร้า ง, งมาว่าไม้กับเทวดาแล้วกิดเทวดาไม่มาทํางานจะยุ่งกัน เทวดาไม่มาทํางานเทวดาพักร้อนไม่มาช่วยพักอนเทดา vacation ไม่มีเหล่าไม่มีเทวดามาป้องกันรักษาสนามพระพุทธเจ้ายังต้องตายเลยร่างกายพระเจ้าเทวดามีต้องเยอะแยะหมาฟังเทศฟังธรรมยังทําเลยไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าถึงเวลาใช่ไมเ้าถึงเวลาเรื่องของร่างกายมันเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของระเบิดเวลาว่ามัน ชั้นวันช้นวันมันถึงถึงสุดได้วอยากพ่เสร็ต้องลำบากโตขึ้นมาชั้นวันด้วยชนวันด้ชันวันแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่ไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วบุญกุศลแล้วเจ้าคะบุญกุศลที่มันใจิตทําให้เราฝันดีฝันร้ายอถ้าเป็นบุญกุศลเราก็ตายไปปั๊มเราก็จะฝันดีถ้าถ้าบาปก็จะทําให้เราฝันร้ายแล้วบุญกุศลจะมีส่วนช่วยที่ทําให้เราจะอยู่ เออ่นานขึ้นหรืออะไรนี้ด้วยไหมเจ้าคะหรือว่าก็ก็อาจจะมีส่วนอย่างท่พเจ้าบอกว่าถ้าท่านทำการจะใช้มูลบุตรศรที่ท่านมีอยู่นี่ก็สามารถยืนนั่งกลางท่านให้อยู่ต่อไปได้ระยะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวคุณพ่อได้ฟังแน่นอนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะคุณลอวีเชนลอวี อาจารย์ครกลับมาในเทศกาลครับรมนอะไร้าครับเนี้อ๋อจริงจริงจริงเม่าที่แอบฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์แต่ว่าบางทีเห็นพี่พี่เขาพูดถึงผมก็เลยไลน์กับพี่บอยบอกฟังอยู่นะพี่บอยเขาก็บอกว่าเดี๋เข้ามาสิหนึ่งบกศูนได้พูดเลยด <laughs> ึกว่าจะดึกวันที่คนเข้าน้อยนะครับอาจารย์ครับก็ห้าตอนนี้ห้าสิบห้าครับผมสดแค่ก็เป็นรุ่นก็สองร้อยกว่าโอ้ค่าผม ครับผมก็พยายามภาวนาปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์แต่ก็ยังยังยังยังต้องทํางานอยู่มันก็ใจมันก็ไม่ได้มีความสงบมากเหมือตอนอยู่บนเขาเลยครับอาจารย์ครับพระชา้าในเมื่ก่อนก็ามาถามว่าคุณน้อยอยากจะพิมพ์หนังสือตอบปัญหาข้อใจเด้อตอบปัญหาข้าใจครับผมก็ทาอะไรครับผมโอ้ดีเลยครับจุดธรรมผมได้มาสาสิบสองเล่มครับอาจารย์ได้ม า, า ช, ชุดเลยนะ ปาปลูกจง ม, มาให้เองนะครับครับผมทีนี้เขามาถามพระอาจารย์นะครับไม่มีคำถามเลยนอยากพิมพ์ครับพระอาจารย์ครับมีมีคนก็จะพิมพ์เหรอครับอาจารย์ครับเปล่าเปล่าเปล่าเนีตุ๊กเข้ามาไเล่ า, า ม, มาพออยากจะพิมพ์ต้องขอไม่ต้องขออนุยาตใครอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้เลยถ้าไม่เอาไปขายหเห็นเดียวถ้าพิมพ์จจกก็ทําได้เลยไม่ต้องขอเนุญาครับผม ป้าปุกส่งมาให้ครบชุดเลยครับอาจารย์ครับปอดีบอกว่าอยากฟังพระอาจารย์กันแรกที่ที่ป้าปุกหลงตาทาไปหาพระอาจา <laughs> รย์ป้าปุกบอกกันนั้นไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้เลยไม่มีใครแกะครับแต่ว่ามีกันต่อมาเดือนเดืนวิถุนาปีสี่แปดนะครับอาจารย์อาจารยชุดชุดจรธรรมที่เป็นของพวกคณะคนตลวกเขาไปแล้วก็บันทึกไปแล้วก็ถอดออกมาคนเป็นหนังเส้นเป็นเด่นๆครัรๆๆๆบผม พราปกเล่าเล่นพระอาจารยได้ฟังเยอะเลยครับสบายนุ่มตอนนี้ก็ยังนุ่มตอนนี้ังครับผมปุ๊กเขาเล่าประวีพระจารย์ต้องเปิดประตูไว้หงูด้วยนอครับที่วัดป่าบ้านตาบ้าที่งตจงอางงูจะวางเข้ามาเิ็นสะมันลงเข้ามาแล้วมันออกไปไม่ได้พอดีเราอยู่ใกล้ๆประตู คุณแพงลุงตาถ้าเกิดอะไรบอกให้เปิดตั้งึ้นต้องเปิดทุกวันนะครับอ่จารย์ก็ช่วงที่มันก็เปิดอยู่สามสี่วันแล้วมันก็เห็นเห็นมันออกไปวันสุดท้ายมันเห็นหางวันออกไปครับผมก็มันก็เหมือนเราน่ะมันก็ไม่ได้มากินเราเราเราเราไม่ได้เป็นอาหารของมันคอาหารกินวันไปครับ ได้ฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเยอะครับราอาจารย์ครับงั้นเอาไปที่ท่านต่อไปนะหมอครับกลับกับพวกครับอาจารย์ครับนะเธอคณสุภัพ น, นาเชิญ บ, บอกเลยการนับเทศกาลอาจารย์แล้วค่ะพอดีอ ว, ว่ารอน้องชายก็เลยเข้าหม า, ชายช้าเล้วค่ะอาจารย์เพราะคุณกลับมาที่ไหนมาทางเลยที่มาพักที่บ้านน้องชายที่กรุงเทพเนาะค่ะมาทาง ก็จะมากราบพระอาจารย์ด้วยแล้วก็จะเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็พยายามเร่งความเพียรในเรื่องของสติและก็สมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีมีสติเพิ่มขึ้นในระหว่างนั่งสมาธิไม่เอ่ออย่างที่พระอาจารย์มีตอบหลายๆท่านไปว่าหลับหรือเปล่าแต่แต่โยมก็มองว่าไม่ไม่น่าจะหลับเพราะได้ยินเสียงเทศพระอาจารย์ตลอด เออนั่งนั่งต่อเนื่องได้ถึงคชั่วโมงซึ่งปกติจะนั่งอยู่ได้ประมาณสิบนาทีก็จะในว่าดีขึ้นปติโยงโยงก็ยก็มองว่าน่าจะดีขึ้นก็ก็ขยาามเพียรตรงนี้อยู่จา ร, พราพัฒนาแล้วก็การแล้วค<า>่ะมันหยุดยาก็หยุดได้มากขึ้นเล้าค่ะไม่ไม่ทำตามใจตัวเองมากขึ้นคล้วคะ ยอมลดความอยากไปเรื่อยๆอาจารย์ต้องกรจะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเลยค่มวันนี้ไปที่คุณประวิตรตาคุณประวิตรมาจาก Dallas Texas สอ๋อเพิ่งเข้าเพิ่งกดปุ่มเข้าปึ๊บเดียวว่าะฟังอยู่เออไม่เป็นไรเข้ามาแต่นี่เขารู้สึกจะคุมคนเข้าไม่ให้เข้ามากมาเพราเดี๋ยวเวลามจะระเหยไป ที่ว่าจะเลิกแค่ห้าทุ่มก่อนี้นะตอนนี้ก็ยังเปิดฟังพ่อจารหลวงพ่ออยู่ทางเว็บไซต์คือหาชื่อพ่อจารหลวงพ่อเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูตามจริงต่างๆไอ้ของที่มันเคยมีพ OPS ขึ้นมาตลอดสามนาทีสองนาทีบนเขานี่มันหายไปหมดเลยที่ในเครื่องของคุณเลยครับผม mm hmm. ตอนนี้เลยก็ต้องกดชื่อพาอจา์แล้วก็ติดตามเอาเวกเ่าเขามาดู ถ้าเราเข้าไปนไดูกครับ้ดูในยูทูไปก็ได้เข้าไปดูในยูทูปก็ได้ยูทูปผมได้ได้ดูครับเปิดเปิดเปิดย้อนกลับไปแล้วดูได้ครับมันขาดมันเหมือนอะไรขาดอะไรไปบางอย่างบางวันพอเราเอ้ยเราเคยได้เห็นได้ฟั ง, งแล้วก็เงียบไปอ่ะอันนี้จังพิจนา อลยจาาครับผมจะได้มันจะได้ไม่ทุกข์ตรงนันยอมรับว่ามันก็อย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพมันเป็นรายได้อืครับผมครับผมไม่มีอะไรครับวันนี้ครับดีใจที่พระอาจารย์แข็งแรงครับผมาธขอให้ทำอย่างนี้ตลอดตลอดครับเป็นก่อนจะไม่มีลมหายใจนะครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์คุณประวัลเลตอบประวลเล่อยู่ที่ไหน ผมอยู่ที่กรุงเทพพรามสามครับมมผมมีคําถามได้ผมมีคําถามเรื่องการสวดมนต์นะครับว่าเ ว, เวลาเราสวดมนต์เราคุณเอาจิตไปจับไว้ตรงไหนครับอยู่ที่บทสวดเลยที่บทสวดคือหมายหมายคาสวดเนี่ยอยู่ที่คําสวดครับมีทิพยโสภวะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธให้อยู่แบบเราทำให้ทิพยโสที่เราสวดอย่างนี้นะครับ แล้วเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาครับคือถ้าผมภาวนาแบบเรือผมนั่งสมาธิแบบกําหนดลมหายใจแบบไม่ต้องพุทโธได้ไหมครับได้ไดีดูที่ปลายจมูไม่ต้องตามลมเข้าลมออกจ้องอยู่จุดเดียวครับขอบคุณครับโอเคนะคุณยันคุณยงยงวงยงวงจะการตั้งใจครับอาจารย์ มันเข้ามาใกล้นยเสียงเบาหน่อยนะพูดพูดได้เสียงไม่มมีถาครับไม่มีคาถามนะครับโอเคเองั้นขอผ่านข้ามไปเลยนะคุณในที่คุณชนะดาต่อชนะดาอยู่ที่ไหนนมัตรการค่ะพระอาจารย์อยู่สมุทรปราการา ค, ค, ค, ค่ะเมนูคุณนี้มีอะไรบ้าง เนี้ยค่ะจะเข้ามาเรียนพระจ้านะคะเรื่องเดี๋ยวขั่วไก่ค่ะกับกับกล้วยหอมค่ะนายไหลแล้วพระจาเหมือนท้าบเลยอ่ะว่าหนูจะเข้ามาเรียนเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนก็ไม่มีคำตอบนอนอยู่นอนอยู่ตั้งนานเมืม่อไรจะเข้ามาเนนี้กับเจ้ า, อา่อกีนั่งสมาธิไปชุดหนึ่งค่ะก็อพอเสร็จแล้วก็เลยอยากเข้ามา ค่ะเข้ามาเรียนท<ส>่านอาจารย์ค่ะเจอความนัตนาในอาหารการกินนะการเล่ น, นอยู่กันอย่างสุขสบายกับพ่อญาติโยมนะคอยทําอาหารใสบ่บาตรค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะโอเคสาธุค่ะตอนนี้รู้สึกว่าท่านที่เข้ามาในห้อนี้ได้ทางกันหมดแล้วนะนี่ขอไปที่เฟรนดู ก, ก่อนก็นแล้วกันเฟรนดูตอนนี้มีกี่ท่าน มีคำถามทางเฟซบุ๊กทั้งหมดหกคำถามเจ้าค่ะว้าวเลยคำถามแรกจากคุณใบไม้ในกำมือกราบเรียนถามผ้าจานเจ้าคะ่ะมุสาวาทานี้รวมถึงการพูดให้คนทะเลาะกันด้วยไหมคะคือในศีลห้าหรือศีลแต่นี่ก็เป็นแต่ให้เราพูดความจริงอะไรส่วนถ้าเราเป็นนักบวชเนี่ยเขาจะให้พูดให้ให้พูดแบบห้ามพูดกหห้ามพูดทำอย่า อ้าพูดยุดยงให้คนทะเละอุ้ราชกันห้ามพูดเรื่องไร้สาระอันนี้เป็นเส้นของนักบวชนะเส้นของนักผู้ครองเรืนี้ยังยุ่งกับเรื่องโซเชียลอยู่เดี๋ยวก็ต้องวิาพากษ์วิจรณัวคนนั้นคนนี้อยู่ก็ก็เลยไม่ได้อาบอยาเป็นให้พูดความจริงก็พอไม่ให้โกงคำถามต่อไปจากคุณนารินกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ โยมเคยภาวนาแล้วจิตเพี้ยนไปต้องรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชปัจจุบันไม่ต้องกินยามาห้าหปีแล้วอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งโยมจะเริ่มภาวนาใหม่ได้ไหมคะได้การการภาวนาไม่ได้ทำให้คนเพี้ยนหรอคนเพีย้ยนเพราะไม่มีสติภาวนาแบบไม่มีสติมันก็เพีย้ยน ถ้าภ า, าวนาแบบมีสติมีรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันไม่เพียนข้อที่สองยมลองดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธไปด้วยมีปัญหาว่าโยมไม่ค่อยรู้ตัวว่าหายใจเพราะลมน้อยและเบามากจะทำอย่างไรดีคะก็อาแต่พุทโธคาเดียวก็พอไม่ต้องไม่ต้องดูลมให้มีสติรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวก็พอ คำถามต่อไปจากคุณจันดีนั่งสมาธิกับวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรคะหลวงพ่อยมไม่เข้าใจคะ่ะคือการปฏิบัตินี้มันมีสองระดับระดับแรกเราเรียกสมาธิมานั่งทำใจให้สงบถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนถ้าคนไข้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ให้ยาสลบก่อนแล้วกนที่สองก็เสร็จก็ไผ่าตัดอ ถ้าไม่ผ่าตอนที่คนไข้ยังไม่สลบที่คนไข้ดิ้น่าไม่ได้จิตใจของเราก็มีกิเลสที่เราต้องผ่าออกจากใจแเราในการจะผ่ากิเลสเราจะใจเบื้องต้นนี้ต้องทําใจให้นิ่งก่อนเลาเรียกสมาธิพอใจนิ่งแล้วนี่พอพอใจออกจากสมาธิมาเราก็เริ่มผ่าตัดได้ผ่ากิเลสล้วด้วยการเอาใตรักเข้าไปผ่าเพรว่าไม่มี ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นว่าเป็ น, นิจจัุกาันัตตาที่เียดคือความอยากได้ไเมื่อมีความโลภ ก, ก็จะหายไปนั่นคือนี่ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการสอนใจให้เห็นตายลักให้เห็นอริยสัจสิส่วนสมาธิก็เพื่อการทําใจให้อยู่ในใ น, ในั้นเปเวลา คำถามต่อไปจากคุณระเบียบกราบสาธุคะ่ะที่วัดพระอาจารย์รับผู้ปฏิบัติธรรมไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็ให้อยู่แบบออขอพักอยู่ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็กเหมือนกันถ้าเป็นตาลวา่าถ้าอยากจะขึ้นไปบนเขาก็มีที่ปฏิบัติ บ, ตบนเขาสําหรับผู้ชาย ต, ต้องเป็นเป็นพวงที่พึ่งพ่ายที่เจ้า ถ้าเราอ ด, อดทนหน่อยก็ไม่มีน้าไม่มีไฟฟ้าแล้วก็อยู่ในป่าในเขาจริงๆคำถามต่อไปจาก The Multiversal Unity คำถามน้ำสศการครับทำไมเราเกิดใหม่แล้วจำเรื่องชาติก่อนไม่ได้ครับว่ากันว่ามีน้ำให้ดื่มในฝันดื่มแล้วลืมจริงหรือครับเพราะความจำเราเป็นสั้นเลย ว่านนี้กินอะไรยังจําไม่ได้เลยอย่าไปว่าต้องกินชาติก่อนเลยพอ น, นี่จําอะไรได้บ้างเท่าไหร่ตั้งแต่เตื็กขึ้นมาถึงหลับทำอะไรไปบ้างจําได้บ้างเท่าไหร่คำถามตอบตอไปเป็นคําถามสุดท้ายจากคุณสุขทุกอยู่ที่ใจผมนั่งภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างผมได้พยายามดูลมไปเรื่อยๆโดยไม่หวังผลอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ผลไนหวรังไม่ได้หรอกมันอยู่ที่เหตุนั้นให้เราตั้งตั้งใจทําเหตุให้มันดีแล้วกันแล้วผลมันก็จะตามมาเหตุก็คือสตินั่งสมาธิกายมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้มีสติรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงผลให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวเหตุมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองหมดแล้วนะ หมดแล้วเจ้าค่ะโอเคใครที่อยู่ในห้องไม่ได้เปิดกล้องอยากจะเปิดกล้องก็ถามก็ถามก็เปิดได้นะอันนี้มีต อ, น น, อนนี้สบายแล้วให้บริหารเรื่องของคําถามเกืบหมดแล้วมันก็มีเวลาที่ย้ายถามต่อได้มันถึงห้าทุ่มเลยเนะี่ยตอนนี้เพิ่มสี่ทุ่มกับสิบนาทีนนเองรือว่าคนนี้จะได้เลือกไลนว่าไม่รู้นะคุณตะัดตะั ตาตนะครับค่ะกล่าวนามัสการพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ตั้งสติแล้วค่ะพระอาจารย์ทําได้แล้วค่ะพอดีเอเมื่อเช้าโยมนั่งสมาธิแล้วก็ยมได้ฟังเทปของครูบาอาจารย์ก็คือยมก็ฟังครูบาอาจารย์นะคะแต่มีท่านหนึ่งที่ยมคือมิศธาท่านมากค่ะแล้วก็ พ่อของโยมได้ไปเหมือนกับบวชนิคัมม ะ, ะคะ่ะแล้วเกิดเกิดศรัทธาแล้วยมก็เลยอยากลองอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยตั้งจิตตั้งจิตนึกถึงครูบาอาจารย์ท่านนั้นนะคะที่พ่อไปบวชอยู่แล้วก็กำลังจะก็ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติศาสนากิจอยู่ที่วัดแห่งนั้นที่ที่วัดป่าแห่งหนึง่งที่ภาคอีสานนะคะโยมก็เลยอยากลองว่า สิ่งที่โยมทําแล้วก็ตั้งจิตอ่ะค่ะเพราะว่าโยมเรียนสมาธิแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านนั้บอกว่าจิตก็คือเหมือนเป็นพลังงานแล้วโยมก็เลยตั้งจิตเพื่อที่จะน้อมหาครูบาอาจารย์แล้วโยมก็เกิดอาการเหมือนเหมือนปิติแล้วก็น้ําตาไหลอ่ะค่ะโยมก็เลยอยากจะถามพระอ า, า, า, า, าจารย์ว่าไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นรับรู้ถึงถึงจิตที่โยมส่งไปหรือเปล่าเจ้าคะไม่หลมันเป็ น, นคาม ความคิดของเราเองความรู้สึกของเราเองกัต่อสินบางสิ่งบางอย่างต่อ บ, บางคนคนเมือนเวลาเด็กสมาธ น, นี้เจอเจอนักเล่มีชื่อมีเสียงกตะลุยกันน้ำตาหลกยยันอ๋อเจ้าคะแล้วเรามีคำถามหนึ่งอะคะ่ะบางทีโยมจะเหมือนจะเข้าฌานแล้วเหมือนจิตฟุ้งซ่านก็เลยน้อมจิตไปนึกถึง ครูบาอาจารย์ที่นับถือแล้วก็เหมือนกับสมาธิก็เข้าได้เร็วขึ้นนี้เกี่ยวไหมคะก็ไม่เสื่มอมางทีพอเราคึกถึงครูบาอาจารย์พ่าที่เราเครารพเราก็จะได้สติกลับมาท่านยังบอกให้เราจะอะเนี่ยพุทธานสุสติธรรมานสุสติสัสคา น, นสุสติอันน้นค่ะและ้วแล้วก็เวลานั่งสมาธิมันก็เหมือนบางทีเหมือนจะแบบ ไม่มีลมหายใจอะค่ะนี่นี่คือสภาวะอะไรเจ้าคะก็จิตนั่เจิตมันละเอียดนั่งลงหายใจมันก็ละเอียดตาไปทั้งนี้ก็ให้รู่เฉยๆไปว่าตอนนี้ไม่มีลมให้เราสัามผัสรับรู้นก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกไม่ต้องไปกังวลให้ลูเฉยๆว่านตอนนี้ไม่มีลมไม่อย่อาการไม่มีลงไปก็แล้วกันปล่อยให้เราคิดเราเรามีความคิดตั้งแต่ถ้าคิดก็ให้หยุดมันอย่าปล่อให้มันคิดค่ะ แล้วอาการที่ตัวโยกแล้วก็เหมือนตัวโยกแล้วก็เห็นแสงเหมือนมันมีสภาวะหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันบางทีก็มีเหมือนองค์พะอยู่ในตัวของเราเแสดงว่าเราไม่มีสติเราไม่มีสติอยู่กับลมนะเราไม่มีสติกับการภาวนาเราต้องกลับมากลับมาภาวนาต้องก็ต้องว่างใช่ไหมคะเออต้องว่างเราเราภาวนาเพื่อจิตว่าง ถ้าไม่มีส ต, ติปลให้จิตมันก็ปูแตกขึ้นมาพระเด็อาการต่างๆขึ้นมาอาการโยกตัวใหญ่ตัวเล็กนี่คือเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นจิตที่ไม่มีสติเงี้ยถ้ามีสติจะนั่งการจะนิ่งมันจะไม่โยกเวลาเราได้คุยกั น, นไม่โยกไม่ว่าเรามีสติเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุแขนที่แข็งแรงแล้วก็ มีเมตตาที่จะเข้ามาในซูมทุกๆครั้งแล้วยมจะพยายามเข้ามาทุกครั้งทุกวันพุธเจ้าค่ะสาธุเจ้สาธุนนค่ะอันนี้เดี๋ยวคณะที่ฝนก็พยายาดึกาดมากค <นะ S 2> ่ะอาจารย์ยอมก็เลยยอมต้องขออนุญาตปิดกล้องเพราะต้องเตรียมพวกนี้ยอมต้องทำอาหารทำเป็นโตส่งค่ะโอเคสาธุค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญคุณสงศ์สุนทองศ์สุนอยู่ที่ไหน ในกรุงเทพค่ะอาจารย์มีอะไรไหยค่ะมีมีคําถามสองเรื่องค่ะพระอาจารย์เรื่องช่คถามอะไรค่ะเออพอดีฝึกเรื่องเวทนาอะคะระอาจารย์อคือเคยเรพระอาจารย์ก่อนหนะ้านี้ว่าพอดีเคยเคยเออเคยลองลองพอมีความเจ็บเคยลองไม่ไม่ทานยาแก้ปวดค่ะอาจารย์แล้วก็มัน ตรู้สึกทนไม่ไหวใช่ไหมคะอาจารทนทนได้สักสั ก, สกชั่วโมงเศษก็ก็เลยต้องหยิบยาขึ้นมากินก็เลยวันนั้นลองนั่งสมาธิครับาจารพอดีวันนั้นมี ม, มีอาการเจ็บสะโพกมันมันเจ็บตั้งแต่แค่ขับเข่าก่อนที่จะเข้าสมานั่งสมาธิค่ะก็เลยเลือ ก, เ ล, อกเลือกที่จะทนอยู่ที่อาจารย์แนะนําว่าให้ให้ให้อยู่กนเกาะติดกับพุโทโธค่ะอาจรย์แทนที่จะไปมองความเจ็บจมันก็เลยเกิดสภาวะที่ นั่งไปบระาณชั่วโมงหนึ่งใจไม่สงบเลยแต่ว่าอยู่กับพุโทโธอยากเดียวเพราะว่ามันเจ็บมากค่ะจนจนสุดท้ายเนี่ยมันเกิดสมาะที่ธ อ, อพอเราเรานิ่งสนิทอยู่กับพุโทโธได้เนี่ยเวทนามันเริ่มรู้สึกว่ามันมันแรงขึ้นเรื่อยเื่อยเราเราแค่รับรู้จนกระทั่งเราสึกว่ามันมันแรงแล้วเราก็เลยวางมันลงค่าาะจ้าสิทธิ์ก็เลยเข้าสมาธิด้วยวิธีนี้แทนได้ก็ดี แสดงว่าเราผ่านเวทนาได้อ่าใช่ค่ะคือมันมันมันด้วยความที่มันเริ่มจากความเจ็บก่อนที่จะนั่งสมาธิแล้วสงบก็เลยต้องใช้พุทโธ ต, ตลอดเวลาเลยค่ะดีดีกว่าไปอาศัยยายาแค่ปวดเพราะมันจะทําให้เราติดยามันคือการเข้าสมาธิเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ได้มันก็เป็นการอาศัยมีความเกินตัวบังคับให้เราต้องพึ่งสมาธิแทนพึ่งยาอืมค่ะ พอดีวิธีวิธีนี้มันมคล้ายกับเจ็บจริงมันมันคล้ายกับการเจ็บจริงพรตอนเจ็บจริงพอเราออกจากการรักษาตัวมันมันจะมีพยาบาลมีอะไรหลายหลายอย่างที่ทําให้เราอยู่ในสมาธิไม่ได้ค่ะอจารย์เราก็จะอยู่กับความเจ็บยากแต่พอพอใช้วิธีนี้ก็ง่ายขึ้นค่ะอาจารย์โดยอยู่กับที่พุทโธอย่างเดียวเลยพอได้เวลาเ้เจ็บ เ, เวลาก็อย่าไปกินยา เรขารข้าใจตัวใจให้หัดอยู่ประมาณได้ได้ก็อยู่ประมาณได้แล้วก็มันก็ไม่หยุดนอนถึงแม้มันจะไม่หายก็ไม่เป็นไรให้อยู่ประมาณนี้แล้วมันก็หายมีธนามันก็ไม่เที่ยงใช่ค่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะพระาอาจารย์พอครั้งที่เราได้ข้อแนะจากพระอาจารย์ว่าอารมณ์ก็เหมือนมีธนาก็คือมันเป็นใจรักมันจะเกิดก็ตาผิดตัดายค่ะพระอาจารย์พอนําไปใช้พระอาจารย์มันมันอยากจะเรียนพระอาจารย์ว่าเรา กุ้มใจกับเวทนาอารมณ์มาสองปีแล้วค่ะอาจารย์จนแบบวันนั้นพอพระอาจารย์แน่ะค่ะมันที่เปลี่ยนไปคือพอเราเรารู้สึกว่าอยากเรามีอารมณ์ตอนอยู่คนเดียวมีอารมณ์คิดถึงคนที่เคารพที่จากไปหรือสมมติว่าสุดสัปดาห์นี้จะต้องไปมีนักหมอรักษาตัวเราจะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีค่ะอาจารย <The S 1> ์เดิมก็จะหุดหงิดว่าทำไมปฏิบัติแล้วยังมีอารมณ์ช่ค่ะอาจารย์พอพระอาจารย์แนะว่า มันก็เป็นแค่ไตละก็เลยใช้วิธีว่าโอเคมันเป็นไตลักแล้วเราก็มีสติอยู่กับการ ต, ตายที่เคลื่อนใช่เพราะว่ามันเกิดในชีวิตจังหวะเราก็ย้ายจิตมาไว้ที่กายที่เคลื่อนนาจารย์เรารู้สึกว่าประคองให้ให้รับรู้ว่าอารมณ์มันค่อยๆสร้างอยู่แล้วก็ดับไปค่ะเลยรู้สึกว่าต้องมากราบขอบคุณอาารค่ะ มันก็เป็นเหมืนเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลนไปใช่สงสัยตรงนี้มาแลวเราม่ตงคับไม่ได้มันมามันต้องผานอยู่กับมันไปเราไม่ต้องไปเศร้ากมันเราไม่ต้องไปโกรธมนใช่ค่ะมันเป็นความสุขที่ที่ต้องมาขอบคุนพระอาจารย์ค่ะสุดท้ายยังมีอารมณ์หนึ่งที่ที่ยังจับการมันไม่ได้ค่ะอาจารย์คือเวลาเวลาเราต้องทางานแล้วเราต้องมีมีอารมณ์กับคาพูดหรือคาตาหนิของคนนะพระอาจารย์ ตอนนี้ที่ทําได้คือแค่รู้ว่าตัวตัวเองมีอารมณ์แล้วก็เข้ามาอยู่ที่จิตตัวเองแล้วก็สำรวจวาจาถ้าเงียบหรือไม่ก็อธิบายด้วยเหตุผลเขาใช้่พูดโทไปก็ได้พอดีแล้วมันมีพระอาจารย์แนะนําวิธีพิจารณาทางปัญญาปัญญาคือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเรื่องเป็นใจละเราจะไปบรรทับดถับไม่ได้ เราม่ให้เขาพูดดีกับเราไม่ได้นะครับไม่ให้เขาวิพากษ์วิจารณเราไม่ได้ถ้าปล่อยเขาวิพากษ์วิจารไปเขาไม่เห็นด้วยกับเร า, เราก็ต้องยอมรับครับเป็นเเปเป็็นความจริงของเขาเราก็จะไม่หมดพอดีลองใช้วิธีพิจารณาว่ามันก็แค่เสียงนะคะจ่ อ, อแต่เรารู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่ามันมีเจตนาของของ ทำพูดด้วยที่เราแล้วก็ต้องวิจารณาเจตนาต่อว่าเจตนาเราต้องไปบังคับเขาไม่ได้เราจะมีเจตนาใส่ได้เราต้องเกลียดเราแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่เราก็เป็นก็มองตาก็มองด้วยใจรักเหมือนกันบองไม่ใจรักเหมือนกันห้ามมอาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้ เขาใช่แล้ค่ะเขาาจะนั่งจะนั่เรารู้เกลียเราเราต้องไปสั่งเขไม่ได้สุพเจ้าเคยสอนแม่ชีว่าบอกว่าถ้าเธอไปอยู่ในดินแดนไปไปอยู่ที่คนเขาไม่ชอบเธอจะทํางพระเจ้าก็บอกว่าเขาแม่ชีถามพรจ้าบอกถ้าก็ไม่ชอบเราถ้าคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราแล้วก็ด่าแล้วที่ว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราแล้วก็ตีแล้วว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่า บ่งาเราบันดีแล้วจะได้หมดแมยหมดกรรมไปคือให้สอนให้เราเฉยให้เราเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปตูงแต่งอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้กับเราแล้วเราก็จะไม่หงุดหงิดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคระอาจารย์ขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ควรวางได้ใจเบาจิตเบ า, เ, าเป็นยังไง แกมาสักการเจ้าค่ะอาจารย์พอดีลูกเพิ่งหลับเจ้าค่ะโยมก็เลยเข้ามาช้าเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็อ๋อโยมจะมาเรียนว่าโยมน่าจะอ๋อปฏิบัติธรรมวัดแถวแถวสุโขทัยเจ้าค่ะพอดีโยมลองชวนลูกชายว่าเขาจะลองไปบวชภาคฤดูร้อนไหมไเจ้าค่ะเขาก็อยากไปเจ้าค่ะแต่โยมก็ไม่ได้บังคับนะเจ้าค่ะถ้าไป อด้ถ้าชวนเข้าได้ช่วยก็ได้ถ้าท่านก็ไม่อยากไปกันแล้วไปท่านก็ชวนก็ได้จ้ะค่ะค่ะพระอาจารย์แถวนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกไปนอนที่วัดสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเกิดไม่ไหวก็ยังไม่บวชก็ได้จ้ะค่ะไ่ฝึกการไม่ฝึกถือศีลแต่งก็พอไม่ต้องบวชหรอกถ้าชั่วคราวไม่ต้องบวชยุ่งยากมากเสีมันเป็นเรื่องพิธีกรรมมากกว่านะค่ะ ประมาณนี้เจ้าค่ะแต่ ว, ว่าก็ตอนแรกโยมจองไปที่จะไปบนเขาเจ้าค่ะก็อาจารย์ช่วงสงการเจ้าค่ะแต่นี้ก็เจ้าค่ะแคนเซิลไปก่อนก็ <Henderson> s <S เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในจังหวัดสุขโขทัยไปก่อนเจ้าค่ะใช่เอาแค่บ้านน่ะดี่ป่าไม่ต้องเดินทางไกลใช่ไเจ้าค่ะเดี๋ยวมันเสียเวลามันหมดเวลาไปกับการเจ้าค่ะและดูแล้วเวลาปฏิบัติอาจจะน้อยกว่ากัรเดินทางได้เปนคู่กันเจ้าค่ะ เจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์มีประมาณนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอ่าเอลิสคุณท <ละ S 1> ูบคะงกไหมลาพมาสการ์ครับอกก่าไปยังไงคุณ่อไปแม่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปเลียกมาก่อนนะเดี๋ยวพ่อกับแม่มาก่อนนะคะเดี๋ยวมีคำถามนะหรือเปล่านะ คุณแม่มีค่ะแต่เดี๋ยวแป๊บ น, นึงนะคะอ่าว่าอย่างไร ม, ม, มีคำถามอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะมาตร์ค่ะอ่าแล้วใบยงไม่หรือเปล่าไม่มีค่ะเไม่มนตร์มีเหรออ๋อ เมื่อครั้งที่แล้วโยมยก ม, มือไว้เพราะว่าโยมจะรบควนสามพระจันทร์ว่าพอดีเะโยคเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเหมือนกับเป็นกระแสทํานาคาที่ว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะแล้วทีนี้ปะป๊าบอกว่าเออไม่อยากให้ไปเพราะว่าเรากราบพระพุทธเจ้าเป็นครูบาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแล้วที่จบบตรงนั้นถ้าจะไปเหมือนเป็นท่องเที่ยวไปได้ไปได้แต่ถ้าไปเพื่อเชื่อไปแบบ ขอบนบ้านอะไรอย่างเงี้ย ป, ป๊ป๊าบอกว่าไม่ไม่ไม่ควรโยมก็เลยอยากขอคํำช่้นแนะจากพระอาจารย์ค่ะถูกต้องแหละมิจะไปขอเลยรพระเจ้าขออะไรไม่ได้น้องทาเอง อ, อยเรียอยากจะเรียนดีก็ต้องขยันเรียนนะถ<า>้าที่เขเรียนแล้วไปขอมันก็ ม, มันก็มก็ไม่ได้อยู่ดี้ญญที่า ม, ามาธิอ๋อสมาธินั่งสมาธินี่เป็นไรลูกวะเขาจิตวิใญาณมัน ป, ประกูลเขเคลื่ ติดใจหัวดึกเอาอย่าไปขอได้จากใครนะขอไม่ได้หรอกเราต้องทำเองเท่านัเองคือคือของคือช่วงนี้จะสอบวัทิ่แล้วขออาจารช่วยช่วยให้ขอนะช่วยให้ขอให้หนูนขยันดูหนองสืออะไรวอให้ลองว่าไปอ้นูนเนื้อขูดูหนังสือเยอะเนี่ยหลกคือพอที่แท้จริง คือต้องส่งเสริมให้ปฏิบัติให้กระทาเองไม่ใช่ไปไปเที่ยวไปเล่นแล้วก็ามาขอสอบให้ได้คะแนนที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมดีมักนะถ้าอยากจะเรียนดีก็ขยันดูหนันงสือขยันทมการบ้า น, านขยนันถามครูบาอาจารย์สัสอนใชกตาเจ้าขายยุงเมื่อ เมื่อวานก่อนโยมไปสักพะแล้วก็ทำบุญที่วัดชุทั์ค่ะพี่โยมก็นั่งสมาธิในโบสถ์โยมก็เหมือนกับมันมีคำถามในใจแล้วก็เหมือนมีใครอีกคนหนึ่งอะ่ะสอนเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คำตอบเหมือนกับคมตอบของท่านว่าคือเรารู้สึกว่าเราคาถามคุยโยมคุยโยมรู้สึกว่าโยมตกใจก็เหมือนมีตัวเราอีกคนหรือใครท่านหนึ่งก็สอนในหัวเราว่า เราต้องออ่าไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่ต้องมาเอปล่อยวางทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็ในในหวัวคือสอนเราเยอะไม่รู้ว่าอยู่โยมทุ้งสั้นหรือว่า ม, มีใครมาสอนโยมค่ะใช่แล้วมันเป็นความ ร, รู้ที่เราได้ม <c oughs> มันก็ผลขึ้นมาบอกเราอือค่ะแล้วก็ขนาดที่ว่าโยมอะแล้วทํายังไงถึงจะไม่มีทุกข์ก็คือปล่อยวางก็ต้องอ่า แล้วปล่อยวางคืออะไรแล้วก็บอกว่าเออความสุขแท้จริงลงมมสุขคือนิพานแล้วยมก็ถามว่านิพานคืออะไรในหวัวมันก็ตอบมาว่านิพานคือเหมือนกับมันในในเหมือนโยมเห็นว่ามันเป็นแก้วนิมิตขึ้นมาเป็นแบบเป็นแก้วเป็นความว่างเปล่าอ่านิมิลมลมสุขของนิพานคือความดุจจิหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากโลกใบนี้คือไม่มีความอยากใดๆทั้งสิ้นนั่นคือความสุขอ่างนี้ค่ะในในที่โยมเห็นโยมก็เลยคิดว่าโยมคิดมนโนไปเองหรือเปล่าเนี่ยค่ะ ก็เป็นมนโนที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาพอเราถามมันมันก็เลยตอบให้เราก็ไม่ต้สนไม่มไปสนใจว่ามันเป็นมนโนแล้วไม่เป็นมนโนไม่สนใจว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ก็เราก็มาทําประโยชน์ <c oughs> มาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามา ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไป่ถูกต้องเราก็อยากไปใช่มัน <c oughs> แต่นนี้ค่ะแต่ว่านั่งนั่งแล้วรู้สึกว่าสงบไม่อยากออกจากสมาธิเลยค่ะดีก็แสดงว่ามันนั้นจิตมีสติดีมันท <c oughs> ีสถานที่มันก็ช่วยเราได้นะในโบดถ์นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยสติสัตย์ตาก็บปรเดดีกว่ที่ แราไปนั่งในในโลข้าวมถยนต์มันยังมไม่ค่อยมีเสติยท่ะไรมี <c oughs> ตอนนี้นะมีตอนนี้้โอเคขอให้หลวงตามีอายุยืนยาวเลยหนึ่งร้ยี่สิบปีด้วยครับได้ได้อยู่ได้ก็ดีเลยนะนะทุกนะทุกขอบคุค่ะโอเคนะทำอันได้ก่อนนะสอบคุณค่ะ โอเคบัดดีนอนหับฝันดีนะคอนโร่งอจรคอนโร่งอยู่ที่ไหนคอนรุ่งกลับนักการพระอาจารย์ครับผมอยู่ที่ไหนเ อ, อ่ยบูกระสินครับผมกสินมีอะไรไหมก็พอดีวันนี้เข้ามาช้านิดหนึ่งพอดีไววพาสวดมนตแล้วก็นั่งจเจริญภาวนาก็ถวายแต่ คุณพระนรัตตไตแล้วก็พระอาจารย์นะครับผมมีคำถามะอะไรบ้างก็มีคำถามครับ เ, เรานั่งภาวนาอยู่บางครั้งมันมี เ, เราเราก็ไม่ได้ทิ้งกับพุโทโธนะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งกับพุโทโธแต่บางครั้งมันก็ทั้งทั้งที่พุโทโธอยู่เนี่ย <c oughs> อย่างต่อเนื่องบางครั้งมันก็มีความคิดของเราเองแทรกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับ มันเป็นได้ได้ได้เวลาเราพอนะ่าส่วนใหญ่ความคิดมันจะไม่อยู่ทันที<ช>แต่<ม>แเราอย่าไปสนใจมันเพราะเพราะว่าวันนี้ผมผมก็รู้สึกว่าความเพียรต่อเนื่องเพราะว่าไม่ได้ทิ้งพุโทโธเลยแต่มันก็จะมีความคิดอะไรเข้ามาเพราะาอย่างวันนี้นั่งสู้กับเสียงดนตรีที่เขาจัดงานกันอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับ mm hmm. ก็เออลองดูซิวันนี้จะเป็นยังไงมันจะสงบไหม จะจะมีความรู้สึกอะไรยังไงก็ได้สู้ก็ก็ก็ได้ลองทําดูปฏิบัติดูก็อ๋อเราก็สามารถทําได้ทั้งๆที่มีเสียงรบกวนพอสมควรนะครับก็ดีชนะชะติเราเพราะข้าพเจ้แข็งแรงครับผมเพราะอย่างที่เรียนพระอาจารย์ว่าผมก็พยายามอยู่กับพุทโธเกือบเกือบทั้งวันนะนะครับอย่างอย่างวันนี้ก็ไปซ่อมคนามาซ่อมคนาก็คือเอาดินเหนียวมาปั้นคนาที่มันเสียหายนะครับก็อยู่กับพุทโธ เกือบสองชั่วโมงครับก็อ๋อวันนี้เราทำได้เนาะทั้งๆ ท, ท, ที่เหนื่อยกลางแดดก็ถอดเสื้อสู้เลยครับสู้แดดด้วยนั่งเข่าผิดไปเลยตั ว, วครับผมก็ก็จะหมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆครับอาจารย์มีอะไกสยเยอะๆนะเวลานั่งสมาิเราจะสงบได้ครับรู้สึกว่าสงบเร็วแต่ว่าเราเราอยู่กับความเพียรตลอด เ, ออเราสร้างความเพียรตลอดโดยโดยโด ย, โดยเอาพุทโธมากำกับตลอด บแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๋อคู่โทนี้มันสู้ได้ทุกอย่างเลยนะครับได้ได้ทุกอย่างนะความทุกข์ความวุ่นวายใจอะไรต่างๆมันยันได้ครับผมแม้กับเสียงดนตรีที่ว่าแบบผมไม่ค่อยชอบเสียงอื่อยๆคุบคองก็อ๋อก็ย่างสู้ได้ครับายๆแบบว่าอ๋อมันทําจนั้นเราไปดูเบรกค่ะจิตเราเฉยๆครับผมมีมากครับผมต่อไปก็แล้วกันนะครับครับผม กราบขอบพระคุณครับรอาจารย์กที่เห็นใครยาขึ้นคุณธนพธนพค่ะอาจารย์อาจารย์ครคะพอดีเอ่อปอ่านหนังสื อ, อเล่มหนึ่งอะคะ่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอะคะ่ะก็เอ่อหนังสือพูดถึงลัคนูปณิชานะคะอันนี้หมายถึงว่าฌานที่เกิดจากการที่เราดู ดูจิต ด, ดูความรู้สึกตัวเองถูกไหมคะเป็นชาที่เกิดขึ้นในระหว่างวันหรือเปล่าคะอันนี้เราไม่รู้จริงๆเราไม่ไดเรียนมาค่ะพระอาจารย์นรื่องนี้ในถ้าเกิดเราตัดคํานี้ออกก็เหมือนกับว่าเอเหมือนเราทําสมาธิระหว่างวันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอย่างนี้ค่ะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะมันจะเป็นชานแบบไหนก็ได้ขอให้มสมงบสักหนึ่งซึ่งไม่มจําเป็นต้องนั่งสมาธิเห็นนหนังสือเล่มนี้จะเขียนแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ถ้าสติมันดีๆมันก็ไม่ต้องนั่งก็ได้อ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แล้วอันที่สองอะค่ะช่วงที่นั่งสมาธิเยอะๆอะค่ะช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆตัวเองจะติดความสง บ, สบอะค่ะเหมือนจะไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกติดแบบนี้มันติดแค่เดียวคำว่าติดความสงบที่เป็นไทยก็คือไม่ยอมไปปฏิบัติปัญญาเลยเอาแต่สมาธิอย่างเดียว แต่ตอนนี้เราสมาธิยังมีไม่มากพอไม่ติดเราพยายามสร้างสมาธิให้มากๆากให้มันได้เต็มร้อยกว่นถ้ามันได้เต็มร้อยแล้วไม่ไปทางปัญญาถึงนี้เรียกว่าติดสมาธิพระอาจารย์แล้วอย่างนี้จะทราบได้ไงคะว่าเราปฏิบัติเอไปติดสมาธิโดยที่เราไม่เอาปัญญาเลยอ่ะคะ่ะ <c oughs> คือเราไม<า><ร>่กระหนาทำใช่ไหมคะเ ร, เราจานานทางสมาธิด้วยอย่าง <c oughs> <ต>ค่ะทำนานแล้วเราก็ต้องออกทําปัญญาต่อไป ถ้ยังไม่ชำนาญยังน้องลูกคู่ขาดเข้าสมาธิยากยังเข้าไม่ได้ทุกครั้งที่เราต้องการอย่างนี้ก็ต้องฝึกสมาธิไปก่อนอ๋อค่ะค่ะทนันทีก่อนเราจะชำนาญ น, นั่งรู้ท่านาทีก็เข้าได้แล้วก็อยู่ได้นานมีทุกครั้ง อ, อย่างเงี้ยอันใดยังน้องอต่อไปออกจากสมาธิมาก็เริ่มพิจารณาทำใจรักได้คนระับเจ้าค่ะถามหมดคําถามแล้วเจ้าค่ะอ่ะนานคือรวีเชน อาจารย์ก็ขออีกรอบครับเมื่อกี้ฟังที่สวงสุดาก็เลยนึกได้อย่างหนึครับเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ผมก็มีดิสคัชชันกับคนคนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจผิดแต่ทีนี้พอดีผมได้นึกถึงคำพูดท้าอาจารย์ขึ้นมาว่าไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรเลยผมก็เลยหยุดนะครับอาจารย์แล้วพอพอหยุดแล้วมันก็รู้สึกเบาเบาเลยครับอาจารย์สบายเลยทีนี้อาจารย์ให้ต้องเป็นเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ นอกจากก็อยากนอกจากก็อยากจะฟังก็อยากจะถามเราเราก็ตอบก็ได้แะ่ถ้าก็ไม่ตํางการจะฟังเราแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเลยเขามีความเห็นของเขาเขาฟันเงแล้วเขาเป็นนี้แล้วก็ปล่อยเขาฟังตรงไปครับผมแม้แม้บางทีเขาจะเข้าใจผิดกับเราไปเลยก็เราก็ไม่ต้องพิูจอะไรเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขาไม่ฟังเาจะไปพูดอะไรทำไมแล้วก็เราพูดพุดกับคนรู้อยู่ครับผมโอ้ครับผมเพราะว่าวันนั้นพอปิ๊งเขาพูดฟาจาร์ที่เทศศาสตรกริปวันนั้นผมเราก็ ผมเบาทันทีเลยครับอาจารย์ครับความอยากของเราเนี่ยทำให้เราหนักออกหนักใจขึ้นมาครับผมอยากจะพิสูจน์นะฮะปล่อยวางได้แล้วเราไม่อยากจะฟังเราก็ไม่อะไรเราก็ปล่อยเข้าไปนดั้นเองครับผมครับทาไปเหนื่อยเหนื่อยก็ได้เลยมาดีเลยครับอาจารย์ผมจะได้จําไปใช้ตลอดเลยก็ยอมไปเลยครับอยอมหยุดยั้กับทุกคราผมครับครับครับอาจารย์ครับได้ผลจริงจริงครับอาจารย์ ดขอบคุณครับไม่เห น, นื่อยหากคุณล้าใีเฟซบุ๊กหรือเชนมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กและ YouTube อีกหําคำถามเจ้าค่ะคำถามคำถามแรกจากคุณอรณิชาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เราได้เครื่องดื่มได้ให้เครื่องดื่มต่อบุคคลอื่นเป็นประจำให้แล้วมีความสุขถือว่าเป็นการสะสมบุญไหมเจ้าค่ะ คำ <And> ถ, ถามต่อไปจากคุณทีคาธนาโยมเปิ้นฝากพี่เอใส่บาตรและถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์การทำบุญการฝากนี้จะถึงพ่อแม่และเจ้ากรรมนายเวรได้ใช่ไหมเจ้าคะคอ ใ, ใครใครใครเป็นคนได้ว่าอย่งก็ถามว่าอย<า>่างไรคนฝากคนฝากล้วคน คื อ, คอโยมเปิ้ลเนี่ยค่ะเขาฝากพี่เอให้ใส่บาทแล้วก็ถวายปัใจจัยให้พระอาจารย์เขาถามว่าการทำบุญการโดยการฝากนี้ค่ะจะถืาพ่าได้รับบได้ร ไ, ไ ด, ไได้ถ้าพ่อแม่รับรับเขาก็รับได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอภิชาติการที่เราซื้อปลาแล้วเราเลือกปลาตัวหนึ่งเพื่อให้เขาฆ่า เราบาปมากไหมครับพระอาจารย์ครับบาปเท่ากับข้ายเอายนั่งให้คนไหนเขาข้ายเราถืว่าบาปเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณชัดเหตุใดพระอาจารย์จึงไม่เน้นสร้างวัดหรือขยายสาขาวัดครับเพราะว่าวัดมันไม่ได้เป็นเป็นพระอริยนี่แต่คนเนี่ยจะเป็นพระอริยะเหมือนหลวตาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังสมัยที่อยู่กับท่าน ในในหลวงรัชการที so, uh, ่๙น like of ี Math, material, ้เคยเขาอยากจะสร้างโบสถ์ถวายให้กับวัดป่าวัดตาก่ลวงตาน่นก็ไปเสร็จนะว่นี่พระพุทธเจ้าไปทำอะไรบบสเพราะที่วัดไม่มีกิจกรรมอะไรต่างนอกจากการปฏิบัติธรรมวัดที่วัดนี้เน้นการสร้างพระอริยะสร้างคนสร้างพระท่านไม่ไ้พูดพระอริยะท่านจะสร้างพระนั่นดูสมัยพระพุทธเจ้าตัดสานุ่มมี มีวัดที่ไหนลนะ่ะพระพุทธเจ้าวัดตัดทะลุในป่าใช่เราแสดงทางการแสดงในป่าในสวนไม่จําเป็นจะต้องมสร้างวัดสร้างวาให้มันเสียเวลาถ้าที่มีอยู่ในวัดบางทีก็ต้องมีออกไปอยู่ป่าดีไปทุ่นดองอยู่ดี <c oughs> นช่ไหมสมัยพุทธกาลนี้่พราะพรุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวแต่พระพุทธเจ้าสร้างาพะระอารยะามีจมํานวนเหมือนเป็นแสนน่นนะลักหละคือความสําคัญอย่างที่ อยู่ที่ใจของคนมันไม่ได้อยู่ที่วัดวัดถ้าถ้าถ้าถ้าทำได้สร้างได้ก็ไม่ห้ามสร้าแต่สัญญาท่านจะปล่อยให้กับคนที่มีจิตศรัทธาเช่นพระเจ้าแผ่นดินที่เรสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็สร้างวัดถวายอันนี้ก็เป็นปล่อยเป็นเรื่องของผู้คลองเงินเข้ไปแต่สําหรับทานไม่มีหน้าที่ที่จะมาคอยสร้างวัดสร้างบุตรสร้างเจดีย์มีหน้าที่มาอบรมสั่งสอน ควรให้ได้เข้าถึงธรรมันทเสด็จพระพุันเจ้าคำถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขณะปฏิบัติงานลูกศิษย์เจริญสติโดยวิธีการคอนเซนเทรตกับงานตรงหน้าจดจ่อกับงานที่ทำมีความกระตือรือร้นสนใจงานอย่างมุ่งมั่นหลังจากนั้นเริ่มรู้สึกตัวก็ภาวนาพุโทโธกำกับต่อเนื่อง หลังจากนั้นก็มุ่งตรงทำงานตรงหน้าพอรู้สึกตัวก็กลับมาพุโทโธต่ออีกสลับไปสลับมาอย่างนี้ลูกศิษย์เจริญสติในชีวิตประจำวันถูกต้องหรือไม่ขอรับก็ครับทุกครั้ง ถ, ถ้าเรามาที่พุโทโธก็ถูกถ้าเรายังต้องไปใช้ฝากความคิดกับการทำงานอยู่าะแสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้หยุดคิดก็แสดงว่ายังไม่ถูกยังไม่เป็นสัมมาสติสัมมาสติต้องหยุดคิด ด้วยพุทโธพุทโธหมดตัวย่างคาถามคาถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีท่านเข้ามาใหม่คมิทยาเชควมิท ย, ยากดปุ่มที่ห้วมุมซ้ายล่างมุมซ้ายล่างอันนี้ที่ซ้ายล่างครับโอเคครับแล้วใเช่ญนมาสการเจ้าค่ะทาไหนกกยอยู่ที่ไหนนะ อยู่เบลเยียมเจ้าคะ่ะใ่าาบบเบยย ม, okay. ม, ย, มยมเคยไปกับอาจารย์กับพี่ปิ่งสุดากับลุงไม้อคะค่ะอะค่ะเลยเลยมีเคยตั้ง อ, อยากถามอาจารย์ตั้งแต่ตั้งแต่เจอแล้วแต่ไม่มีโอกาสพอนี้ไม่มีโอกาสเลยอยากถามทันเจ้าคะ <Okay. S 1> ่ะใช่การที่ยม โยมชอบอนั่งสมาธิมานานแต่ว่าโยมมีความสึกว่าการนั่งสมาธิไม่มีปัญญาแต่พอมีอยู่ครั้งหนึง่งโยมเกิดอาการกโกรธแล้วอาการกโกรธมันพุ่งมันพุ่งขึ้นแล้วมันมันมันมันพุ่งขึ้นแล้วมันหายไปเลยเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยมเกิดอาการปิติแล้วโยมมีความสึกว่า แค่ชั่วชั่ววินาทีที่เราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมานะแล้วมันหายไปต่อหน้าต่อตานี่คือคือการที่เราเห็นใจรักใช่ไหมเจ้าคะคือการที่เรามีสติที่เราไม่ <c oughs> ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไม่ไม่โกรธตามมันโกรธเราก็เราก็รู้เฉยเฉยพอรู้เฉยเฉยแล้ ว, ลวลมัน <c oughs> ก็ดับไป <c oughs> เจ้าค่ะยังไม่ถือว่าเป็นใจรักเ ป, เป็นเรื่องของการมีสติที่ทำให้เราไม่ไม่ไม่ไม่หลงตามของความโกรธ ไปพูดไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายต่อไปยะเห็นว่าจะเห็นว่นาความโกรธเป็นไตล่างก็ได้เห็นว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําตามมันใช่ไหมจะค่ะคือโยมเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันอยู่แวบเดียวแล้วมันก็เหมือนก็สลายเข้าไปเลยแล้วปกติเวลาโยมโกรธอ่ะมันจะมีอาการหนักตามมาที่หลังแบบนานมากแต่คราวนั้นเนี่ย เป็นอาการที่เกิดภายในหนึ่งวินาทีแล้วแล้วหลังจากนั้นเราเราเราเราเข้าใจว่าเอา้าแบบนี้หรอที่ที่เขาเรียกว่าอาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันดับไปแต่เร็วมเจ้าค่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาการหนักไม่มีเลยแล้วไม่มีปิติมีความรู้สึกว่าเอา้เอายอมยมเข้าใจคําว่าสภาวะธรรมอารมณ์ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ ปล่อยวางก็จะรับจิแล้วปล่อยวางไม่ไปไม่ไปทําตามความโกรธจะค่ะแล้วมันมีมให้นึกเฉยเฉยมันมีคําถามตามมาว่าเอา้าแล้วปกติเวลาเราโกรธเราเข้าใจว่าเราโกรธเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างพูดอย่างโู้นอย่างนี้แต่แต่คราวที่เห็นความโกรธชัดชตอนนั้นอะ มันมีคําถามมาว่าอ้าวแล้ ว, แ ล, วแล้วตัวแล้วตัวกูอยู่ตรงไหนปกติตัวกูมันต้องมีอยู่กับความโกรธอ่ะเจ้าค่ะยมก็เลยว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะตอนนั้นเรามาันจิตเราเป็นอุเบกขาไนะ ง, งเพราะมันไม่อุเบกขาความรักชังโกรลงก็งจะไม่มีตัวตนก็ไม่มีจะเป็นตัวรุ้นเฉยๆเจ้าค่ะ มันมันมันมันทําให้เราต้องฝ<ห>ึกจิตได้ เ, ดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่มีตัวตนมีตัดตัวรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเขาดา่าเราปุ๊บมันก็ดับไปแล้วเขาทำอะไรไม่ดีป้าปันก็ผ่านไปมันมันเป็นปิติหลังจากนั้นแบบเยอะมากพระอาจารย<ช>์เลยมีความคิก ว, <อ>ว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมกับการที่ว่าถูกต้องารปล่อยวางการมีเบรกค่ะ ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจัไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยมันเกิดมันปล่อยมันดับไปถ้าเวลาใที่เรามีสติมีสักแต่ว่ารู้อยู่แล้วก็เราก็จะปล่อยแต่ถ้าเวลาทีเราเผลอปั๊บเราก็จะไปยุ่งกับเขาทอนทเจาทำได้ทใกทุกวันทุกเวลาหรอะเป้าหมายก็อให้ทํานี้ทุกเวลาเจออะไรก็เฉย ย ม, ยมเห็นตอนนั้นตัวโกรธใหญ่มากแต่พอหลังจากที่ยมเข้าใจแล้วเอา้าตัวโกรธมาไปแบบนี้เองแล้วแล้วถ้ากูไม่ไปยุ่งลักษณะอย่างเงี้ยจะสบายสบายมากๆเลยท่านอาจารย์แล้วปกติพอหลังจากนั้นนะ่ะเวลาอารมณ์มันโกรธขึ้นมามันจะเริ่มมาจากตรงอกและมันมาเหมือนกับเป็นกลับมากับธาตุธาตุาไฟอะหลวอแล้วทีนี้มันมันคล้ายๆกับว่าถ้ามันร้อนมาแล้วโยมจะจ ะ, จะรู้แล้วอ แล้วมันเหมือนกับมาถึงแค่คอมันไม่มันไม่มาเตลิดเลยหัวน่ะเจ้าค่ะแล้วมันมีความสว่าถ้าเราเห็นมันมาขึ้นมาปุ๊บมันจะร้อนอกเราเห็นปุ๊บมันก็จะลงลงไปแบบโอ้มันมันแปลกอะเจ้าค่ะเห็นมันขึ้นร้อนแล้วมันพอเราเห็นปึ๊บเรารู้จักปุ๊บเขาจะลงของเขาแบบแบบแบบเนี้เจ้าค่ะแต่เขาไม่ตัวใหญ่มากๆเหมือนเหมือนตอนที่เห็นตรงแรกๆอะเจ้าค่ะ ไม่เป็นไรหรอกขนาดไม่สําคัญก็สำคัญก็คือขอให้เรารู้เฉยๆแล้วจ้ะค่ ะ, ะยมยมยมยมยมอ ย, ยากอยากอยากอยากเข้าใจว่าเอ๊ะที่ท่านสอนเรื่องไตรลักษณ์นี่มันเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าถ้าเก<อ>ิดยมเข้าใจถูกเนี่ย وم, ยมยมโยมก็จะได้ว่าโอเคเราเข้าใจเราเข้าใจถ<ร>ูกเป็นไตรลักษณ์หม ด, หมดสิ่งในที่เราเรารู้นี่เป็นไตรลักษณ์เราไม่ต้องไปทํานะมันเกิดแล้วก็ดับมันเอง นะคะส่วนมีอยู่ครั้งหนึ่งกับการที่โยมนั่งสมาธิแล้วโยมสู้กับเวทนานะ่ะเจ้าค่ะแล้วคือพอหลังจากนั้นน่ะความรู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวแล้วอยู่ๆจิตเราเข้าสมาธิเราเราเห็นเวทนาอยู่ตรงนึงแล้วตัวเราอยู่ตรงนึงตัวอีกตัวนึงซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยแล้วแล้วเราสามารถที่พอเราเห็นอย่างนั้นเวทนามันหาย ไปเลยแบบเนี้ยใช่ใช่เราเห็นใช่เราเห็นเหมือนกับว่าที่ว่าเราเอาเรารู้จักเวทนาใช่ไหมจ้าค่ะใชก็เหมือนกับที่ เ, เราเห็นความโกรธก็แบบเดียวกันเห็นว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปให้เราเห็นเฉยๆให้เรารู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะะอถ้ายอย่างนี้ถ้ายอย่างนี้กับการที่โยมเอ่อตอนตอนคือโยมีครั้งหนึ่ง คือคลอดลูกแล้วยมยยมเห็นกายเขาทนความเจ็บไม่ไหวแล้วแล้วยมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแล้วแล้วกายเหมือนเขาจะตายอ่ะเจ้าค่ะแล้วยมมีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าถ้าจะตายก็ตายง่ายๆอย่างนี้เองเหรอแล้วทำไมเราไม่สะทกสถานสะเทือนอะไรเลยเนี่ยมันเป็นการเป็นการเป็นการปว่ยวางของจิตจิตเป็นรูปเบะขามันก็เลยเฉยกับเหตุการณต่าง แสดงว่าเราเป็นสตินิวเบเกอร์ทำไมทำไมทำไมโยมไม่เข้าใจตัวเองว่าอา้าแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วทำไมโยมโยมจะตายแล้วทำไมโยมไม่เดือดร้อนอะไรเลยอ่ะเหมือนกันเพจิตเราสงบนจิตเราปล่อยวางจิตเราเป็นมิวเบเกอรโยมก็นึกว่ายมโยมผิดปกติอา้าคือโยมทนความเจ็บได้ยโยมโยมโยมเคยเห็นเวทนาที่ว่า ยมเข้าใจแล้วไปทนาแล้วพอถึงขั้นที่ว่าเอ้าวยมจะตายแล้วแล้วแล้วแล้วกายก็เหมือนกันว่าอ้ากายจะตายแล้วเหรอเอ้าวแล้วทำไมเราเราเราเหมือนกันว่าเอ้ามันมันคนละส่วนกันน่ะเจ้าค่ะแล้วแล้วโยมมีความสุขอ้าวมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราเมื่อตายก็เรื่อนไปมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเจ้าคะมันโทษง่ายแต่ทำยาก ไม่ยอมเห็นแล้วโยมมีความสุขอา้าวทำไมมันง่ายจังเลยยมเข้าใจถูกเหรอจ๊ะค่ะก็อันที่เป็ น, พนเพราะเมืามีเราทำมาเยอะมาก่อนมันก็เลยง่ายคนที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ยากไม่เคยปล่อยวางมากกว่านก็ยากอ๋อจ๊ะค่ะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวล ว, ว่าให้รู้ว่าเราเฉยได้หรือเปล่าครับ้ได้ก็ถูกนะ ใช้กับทุกอย่างเฉยกับความโกรธใช้กับเวทนาใช้กับความตายจ้ะค่อย่าไปทุกข์กับมันง่ไมง่ายง่ายเจ้าค่ะแล้วแล้วโยมมีอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะคือโยมเคยเข้าสมาธิแล้วโยมโยมโยมมีความรู้สึกว่าโยมเข้าสมาธิแล้วโยมหายไปแวบหนึ่ง แล้วโยอมกลับมาใหม่แล้วมันมีอะไรขึ้นมาตรงกลางอกอะะ้าเจ้าค่ะแล้วโยมก็หายไปอีกแล้วโยมกลับมาใหม่แล้วมันก็มีอะไรขึ้นมันเหมือนกับมีอะไรผุดออกมาจากตรงนี้จ้าเจ้าค่ะใช่ใช่ใชยมเห็นการเกิดดับของจิตไหมเจ้าคะหรือว่าสังขารเจ้าค่ะก็เห็นสภาวะธรรมเกิดดับว่าอย่าไปสนใจว่าเป็นจิตหรือเป็นสังขารเลยหรือว่าเป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเจ้าค่ะ แต่คือตอนนี้เจ้าค่ะโ ย, ยมมีความรู้สึกว่าพอพอพอจิตไปเห็นความความความ อ, อารมณ์ที่มาแล้วไปโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยแล้วโยมมีความรู้สึกว่าจิตเขาไม่ยอมเข้าสมาธิและโยมอยากเข้าสมาธิแต่พอตอนเนี้โยมอยากเข้าสมาธิแต่พอโยมเข้าไปปุ๊บมันมันทำให้มันมันโยมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีโยมเหมือนกับโดนปิดไฟดับพรึบไปเลยเจ้าค่ะแล้วโยมหายไปเลยแล้วโยมก็จะสะ ด, ดุ้งขึ้นมาสุดตัว มันเป็นอาการที่บอกว่าทําไมเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วแล้วโยอมมิแล้วโยอมก็ว่าใช่ใช่ใช่จิตมันมันมันดับแล้วแล้วมันมันเหมือนกับปิดไฟเลยอเจ้าค่ะมันมันมันปกติไหมเจ้าคะเขาอย่างนี้บ้าเนี่ยมันเป็นสภาธิธรรมที่เกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าคะมันดับแบบโยมหายไปไปไปจากโลกนี้เลยแล้วโยอมก็มันก็มันจะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองต้องไปวิภาควิจารณ์อะไรมันมันเป็นอยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงของมันนั่นเองโอเคเจ้าค่ะโยมโยมกลัวว่าโยมเจ้ก็สำคัญก็คือขอให้เราใจเราเป็นปกติเฉยๆไม่เป็นบ้าไปกำอะไรก็แล้วแต่ เห็นแล้วเราเป็นบ้าคิดว่าเป็นโน่งเป็นนี่ไปงี้าเป็นบ้าเจ้าค่ะโยมโยมไม่เคยเป็นและโยมกลัวเพราะว่าบางทีเข้าสมาธิแล้วมันเหมือนโยมโดนไฟผ่าอยู่ในในสังขารนะเจ้าค่ะเหมือนเหมือนฟ้ามันผ่าลงที่ที่สังขารเนี้ยแล้วมันมากับทั้งแสงแล้วก็ธาตุไฟรู้เฉยไปรู้เฉยไปรู้เฉยไปรู้มันเกิดแล้วมันดับไปนั่นสภาวะธรรมเจ้าค่ะ โยมโยมโยมกลัวว่าเอมันมันเป็นเหมือนมันไม่มันรุนแรงอ่ะเจ้าค่ะแล้วโยอมกลัวว่ามันผิดมันแรงขนาดนั้นมันก็ทําทําอะไรนองไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะคะต่อให้มันระเบิดตรงตาเป็นระเบิดยกบล้องริ่มเน่ยมันก็ระเบิดแล้วน้าแต่เราก็ยังอยู่มันเดินเหมือนดูหนังเราเป็นเหมคนดูหนังนะของที่มันปรากฏในจอเนี่มันจะยิงกันยังไงใช้ระเบิดนิวเคียร์มันก็ไม่มาทําให้คนดูเป็นอะไรไปด้วยใช่ไหม แต่หัวใจมันเป็นอย่างเงี้ยจ้าค่ะมันตุมต่มๆุ่่ตตุตุมเวลาหลังจากที่ว <Okay. S 1> ่ามันรื้ขึ้นมาแล้ว่งว่ามันตื่นเต้นจะ้วาใมันงอใมันตื่นเต้นจ้าค่ะแล้วเราทำให้มันนิ่งอย่าให้มันตื่นเต้นต้าคเพราะว่าเป็นเพลงหนังนั้นเองไม่ใช่เป็นของจริงอ ะ, ะเป็นคแค่นดูหนังน้นเน้ค่ะคนดูไม่เป็นไรหต่คจอน้คนจะฆ่ากันฟันกันแทงกันไม่จะทาอะไรสุดแท้แต่ คนดูมันไม่เกี่ยวเข้าใจไหมคนดูก็ดูไปอ่าจะค่ะเจตโทรู้ก็รู้ไปแทันเ่ยรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะกจาแรงเือจะเบามันก็เรื่องของมันแล้วก็ดูเฉยๆไปอ่าจะค่ะแล้วเวลาโยมเดินเดินจงกรมแล้วมันมีความสุขว่ามันหนักเนี่ยมันมันมันก็รู้ว่ามันหนักแต่ก็รู้ว่ามันหนักไปแทันเลยไม่ต้อไปรู้อะไรอ๋อโอเคมันหนักมางเบา้างเนี่ย ใช่ไมมันก็สลับกันไปสลับกันมาเปลีไปเปลี่ย น, นมาโยมโยมมีความรู้สึกว่าถ้าโยมไม่ตั้งใจอ่ะโยมไม่หนักแต่พอโยมตั้งใจเดินปุ๊บโอ้โหอย่างกับภูเขาเลยเอะแล้วโยมมีความอ่ะแล้วจะหยุดไหมเนี่ยแล้วจะจะเดินทําไมถ้าหนักอย่างเงี้ยโยมมีความรู้สึกเป็นเป็นแบบนั้นเจ่า <laughs> มันเหมือนกับเอ๊ะเราตั้งใจทําดีแล้วแล้วมันมีอะไรหนักหนักเราไม่ทํามันเบาวกว่าเ น, นี้เราไม่ทําดีไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะความรู้สึกมันเหมือนเหมือ น, นตีกันนะเจ้าค่ะ ก็เลยว่าอถ้าถ้าทําแล้วหนักหรือหรือหรือจะทํายังไงดีมันก็กลายเป็นคําถามขึ้นมาจะค่ะคุณต้องการอะไรล่ะคุณต้องการหนักแล้วต้องการเบาต้องการทารําความเพียรแต่เวลาตั้งใจทําความเพียรแล้วมันหนักก็เลยก็มันหนักก็ไม่ว่ามันหนักไปแค่ไนจ้าค่ะแสดงว่ามันหนักเพราะมันไม่อยากทํามันก็เลยหนักยังไงต้องต่อสู้ไป จ้ะค่ะีจ้ะค่ะตั้งนะีะขอขอะะ้ะม <Okay. S 2> ขอบขอบขอบคอบขอบขอบจอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบะอบขอบขอบขอบขอบขอามอบขอบขอบขมบขอบขอบขอบขอบมอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขเบขอบขอบขอบขอบขบขอบขอบขอบะอ ไม่ดีว่าวันนี้งานยุ่งมากเลยค่ะช่วงหนะ้าทำภาษีแล้ววันที่สิบห้าเขาต้องยืน่นภาษีกันแล้วอะค่ะของของพวกทุอห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยงเลยค่ะค่ะพวกนักพวกบริษัทเล็กๆนะค่ะบิสเนสเล็กๆแบหบหลายพวกเนี้ยค่ะยงเลยโอ้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยเลยเข้ามากราบแดกแดนกะฟังเสียงพระอาจารย์นะคะก็เลยมีคำนเข้าามำ ออกมาแล้วเหรอคขายมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเขาก็ยุ่งยมก็ยุ่งยุ่งยุ่งกันทั้งคู่เลยค่ะอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีงานงานลาดงานหลวงค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณท่านชาจารยท่านอาจารย์อยากจะทำอะไรารสการครับหลวงพ่อก็คนนี้เข้ามาสายครับ ก็รบกวนจะถามคําถามเดียวครับคือเมื่อวานในฟังธรรมะในยูทูปก็จะมีหลวงพ่อวิญญาณงท่านพูดถึงธรรมจักรกับปวัฒะศูตรนะครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดที่อันนึ่งคืออนันตรัศลศูนย์นั่นนันตรัศลศูนย์อ่คราวนี้ผมจะรบกวนหลวงพ่ออธิบายอ่าอนันตลัศลสูตรที่เขาบอกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัน ครัหน้าตาไม่มีตัวตนครับก็ไอตรงเนี้ยสมมุติเราจะมาพี่ารณาตรงนี้นครับอ๋อเปลือกเทียมันเหมือนต้นไม้ไงร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ร่างกายนี่มันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้มีตัวตนหรืเปล่าต้นไม้มีตัวตนครับแต่มันทำอะไรได้บ้าง แต่ตอนนั้นก็เป็นแค่ต้นไม้ใครไปตัดไปฟันมันมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรร่างกายของเราก็แบบนั้นไม่มีตัวตบเราไม่มีตัวเราของเราอยู่ในร่างกายความหมายเนี่ยวิจารนาก็ไม่มีเราเราไม่มีเราไม่ได้อยู่ในเวทนาสัญญาก็ไม่มีเราสังขารก็ไม่มีเราวิญญาณก็ไม่มีเราธรรมนารันเรื่องสมุทติ คิดขึ้นใหม่งงานีอในเวลาไทยก็ด่าเนี่ยไทยก็ด่าก็ด่าร่างกายเขาไม่ได้ด่าเราใช่ไหมเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเขาไม่ได้ด่าเราเราเป็นใจเป็นผู้รู้แต่เราเป็นเราโกรธแทนร่างกายเวลาคนด่าคนด่าคนเนี้ยด่าร่างกายของทั้งคนนี้ใช่ไมแต่ร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาถูกด่าหรือไง ไอ้ตัวรูกที่รู้ว่าถูกด่าก็คือตัวจิตมันคอยจะัวกันครับสาธุครับอาจายนะอ่าบก็อจารยแล้วครับก็แค่นี้ครับหลวงพ่อก็ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุครับโอเคว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเหลืออีกามนาทีไม่ทราบมีใครอยากถามไห้างทางเฟซบุ๊กคจอ่าสุดท้ายุดทายใน Facebook มีคําถามสองคำถามจากทาง a c e b o o k เจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณระเบียบกราบพระอาจารย์ค่ะเรานั่งกําหนดพุทธโธจิตเราอยู่ที่ลมหายใจเข้ารู้ออกรู้หรืออยู่ที่ปลายจมูกคะคือถ้าเราดูลมไม่ต้องพุโทโธก็อยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกแค่ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเพียงเดียว ท่านจะพุโทโธกลับกลับไปด้วยก็ได้หายใจเข้ากา็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโถก็ได้ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ดูลงใงอย่างเดียวก็ได้หรือพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลงก็ได้มีสามวิธีด้วยกันคำถามสุดท้ายจากคุณสุรกิจน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะทำอย่างไรให้เราสามารถนั่งสมาธิได้แบบสงบมีสมาธิเร็ว เวลานั่งมักมีเรื่องมาคิดในหัวตลอดค่ะก็มันฝึกหยุดคิดก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกหยุดคิดนั่งแต่เรื่องตาขึ้นมาเลยอยากปล่อยให้ใจจิ้ด้วยปลือกคิดเพ่อเชื่อเพ้อฝันให้คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นแล้วก็ให้หยุ่ด้วยการเท่ยวพุทโทโธไแล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็จะหยุดคิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ววันนล้วน้ำตำถาน หมดแล้วเจ้าค่ะเราคิดว่าหมดเวลาพอดีนะหอยุติการส น, น, นทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสดความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ